วันนี้ใครเข้ามาก่อนคิวแรกคุณรัตนารัตนาพรมาไงมีอะไรไหมค่ะครับนักการพศาจาร์ค่ะอยู่ที่ไหนที่คูเวดูบช่หมอยู่ที่คูเวดค่ ะ, ะคูเวคเวด ค, ค่ะเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมวันนี้ค่ะปีค่ะปีคําถามค่ะพระอาจารย์ช่วยถามได้เลยค่ะเอ่อ เรื่องการวางอุเบกขาค่ะคือเราต้องวางอุเบกขากับทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ<อ>าทางการกระทาไม่หมายถึงการการมีปฏิกิริยากับผู้อื่นกับสิ่งต่ตางๆคือเราต้องเฉยๆไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงสามตัวสี่ตัวนี้เห็นอะไรก็อย่าไปชอบเห็นอะไรก็อย่าไปเกลียดเห็นนายก็อย่าไปกลัว งห็นไก็อย่ไปหลงว่าคิดว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราใช่ค่ะที่มันมันมันมันทำยากถ้าไม่มีสมาธิล้วทำสมาธิจิตมันจะเป็นกลางขึ้นมาก่อนมันจะเป็นบมเบกามันจะไม่รักชังกลัวหงแต่มันจะอยู่ไม่ได้นานพอจากสมาธิเหนียวก็มันก็ค่อยจางหายไป แต่มันดีกว่าคนที่ไม่มีเลยคนที่ไม่มีเลยนี่หลงไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่หลงนี้คงจะยากเห็นอะไรก็อดรักไม่ได้อดชังไม่ได้อดชอบอดเกลียดไม่ได้ต้องฝึกให้เป็นประจำใช่ไหมส้มคะต้องพยายามนั่งสมาธิแล้วมันจะมันจะเป็นโดยธรรมชาติของจิตจิตสงบแล้วจิตก็จะเป็นเบิกขา แถ้าตอนนี้ยังไม่มีสมาธิก็ใช้สติคอยดึงมาให้อยู่ในเบขหาก็ได้ไในเวลานายไปจะไปรักใครเขาปับ๊บแบบพุโทโธพุโทโธดึงกลับมาเ อ, อ้ยอย่าไปร uh huh. ักเขาเวลาไปเกลียดใครก็พุโทโธพุโทโธอย่าไปเกลียดเขาเพราะเวลาถ้าจิตไม่รักชงกงังกลัวลงแล้วมันสบายมันไม่มุ่ดวาย ไม่ไม่ใจเต้นแรงด้วยเจ้าค่ะเวลากดปุ๊บจะใจเต้นแรงเข้าไปแล้วใช่ไ้มครับเข้ามาแล้วครับเอกีสัญญาณมันหลุดยังไงไม่ทราบคุยต่อเรื่องุเบรกขาเจ้าค่ะเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะวิธีที่ดีสุดก็พยายามฝึกฝึกสติเนี่ยตัวนี้จะนําเราไปสู่เบรกขาแล้วตัวที่สองก็คือปัญญา เวลาไป็นอะไรเข้าบอกมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็ต้องมีการพัดพ้าจากกันเจ้าค่ะวัยน้อยมันพัดพ้าจากกันก็ไม่ก็หยุดรักได้ใเดี๋ยวต้องรักใครแล้วเดี๋ยวผิดหวังเดี๋ยวต้องจากกันกมันก็เสียใจเจ้าค่ะแล้นถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะมันจะคลายความรักอย่างถาวรแตถ้าเป็นสติมันก็เพงจะหยุดชั่วคราว เดี๋ยวพอเห็นอะไรใหม่ขึ้นมาก็ลักขึ้นมาใหม่จค่ะแต่ก็เบื้องต้นก็ฝึกสติก่อนถ้าใช้ปัญญาเป็นก็เห็นอะไรก็พิจารณาเป็นตายลักไปหมดแล้วรักชั่งโกรหลงก็จะหยุดทันทีจ้าค่ะได้นะะเจ้าเข้าใจแล้วค่ะ<ม>แล้วก็เอออีกเรื่องนึงค่ะเรื่องเออหนูว่า เลิกเล่นโซเชียลได้มาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วเจ้าค่ะเอดูไปดูระยะทางเป็นเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนเจ้าค่ะแต่ก็มีบางคนบางคนบอกว่าเลิกทําไมในโซเชียลก็มีสิ่งที่ดีแต่าอยกตัวอย่างเ facebook อย่างเงี้ยเจ้าค่ะเขาก็บอกว่าในเฟซบุ๊กก็มีข่าวมีอะไรให้เราติดตามแต่หนูก็คิดว่าอันนั้นมัน มันมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเราก็บอกว่าหนูจิตใจไม่ค่อยมั่นคงทางที่ดีเราเลิกไปเสพเริ่มคนอื่นเลยจะดีกว่าคือไม่ต้องเอาเรื่องคนอื่นเข้ามาเข้ามาคิดให้วุ่นวายอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ดีเริกได้ก็ดีแต่เี่ข้อข้อวงเล่มไหมว่าใช้ใช้กับธรรมะได้อยู่ดแล้วเรื่องอื่นอย่าไม่สนใจเอามาศึกษาธรรมนี้อย่างเช่น้ามาคุยธรรมะนี้ได้ ใช่ค่ะยังมียังติดยังเล่นยูทูบอยู่ค่ะอย่าดูเพื่อควา ม, วามเิดูเพื่อความรู้ข้าใจไหมเจ้าค่ะ เ, เข้าใจเจ้าค่ะก็คือไม่เขาเขาจะบอกว่ามันผิดที่ตัวเราที่เราไม่สามารถยับอย่างชั่งใจได้ไม่ได้ผิดที่โซเชียลอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะถ้าว่าถูกก็ถูกแ ต, แต่โซเชียลมันก็เป็นของที่ มันเป็นของที่มากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเห็นมันปิดด้วยกันทั้งคู่ตมมือข้างเดียวไม่ดังอย่างนั้นนะมันต้องจับสองข้างถ้าโซเชียลมันดีมันก็ไม่มีปัญหาถ้าโซเชียลเป็นธรรมะหมดมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะอืมชัมมันไม่เป็นธรรมะมันเป็นกิเลสเนี่ยมันยุยงให้เกิดความรักช่างกูหลงเนโซเชียลใช่เจ้าค่ะอืม แต่บอกเขาว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตัดบมดพุทธเจ้าบอกห้ามเสพลูกเสียงกล<ช>ิ่นรดใช่ต่อแค่นี้พออานามมุสลิมก็ยังห้ามกินหมูเขายัางเขายัางไม่กินหมูได้แลเรา้็พระพุทธเจ้าห้ามไม่เสพลูกเสียงกินรดแล้ว้าเหมือนกับไม่กินหมูอะไรอืมเจ้าค่ะแล้ว เ, ออเลือกถือสิ่งแปดเจ้าค่ะเพราะเอินว่าอาทิตย์หน้าหนูจะพักร้อนแต่พักร้อน local lift อ, อ, โโอยู่ที่เนียค่ะไม่ได้กลับไทยก็เลยจะถือสิ่งแปดลองถือสิ่งแปดดูเจ้าค่ะแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าห้ามห้ามห้ามออฟังเพลงห้ามดูหนังอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าถักโคเชได้ไหมเจ้าค่ะ ถักโคเชตก็เป็นการทํางานอย่างหนึง่งแต่ไม่ไม่มีไม่มีเสียงดนตรีไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะเออไม่เป็นไรทำได้ท่านถักโคเชต์ทำผงานเหมือนพระท่านก็ถักไว้กว่าเนี่ยท่านต้องทําไม้กว่าเองเวลาใช่มากกว่าลานวัดผ้าป่าจะทํางานพวกพวกนี้เองทำฉลกบาตเองทํากว่า ตัดเย็บจีวรเองซ่อมจีวรเวลาขาดลยงานพวกนี้ทําได้ถ้ามันเป็นงานจําเป็นต้องทำอํำแต่ถ้าทํา ถ, ถ้าไปจําเป็นต้องทำํำก็อย่าไปทํานีกว่าเอาเวลามานั่งสมาธิดีกว่าอ๋อโอเคค่ะคือไม่ได้ไม่ได้ทําเพื่อความเพลิดเพลินทําได้แต่ถ้าทำด้วยความเพลิดเพลินทําไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะไม่ได้ดไม่ได้ถ้าทําเพื่อเป็นประโยชน์ที่จําเป็นจะต้องเอามาใช้สอนนี่ได้ เอปร<ถ>ะมาะถ้าถากไหมพรมใส่เป็นเสื้อนาวนี้ได้อยู่เพราะเราต้องใส่ อ, อะไรทำนองนี้เจ้าค่ะแต่อย่าใช้มันเป็นเครื่องบันเทิงให้บันเทิงกับใจอเอามานั่งสมาธิดีกว่าได้ไปได้ความสุขมากกว่าเจ้าค่ะเอาเข้าใจแล้วเจ้าค่ะเมื่อวานก็นั่งเถียงกับแฟนแฟนก็บอกทําได้เราก็ว่าทําไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมี เรื่องความสะดวกความเพลินเข้ามาก็เลยมาถามพระอาจารย์ว่ามันอยู่ที่เหตุผลมันบางทีของอย่างเดียวกันทำอยู่ที่เหตุผลมาทําเพื่ออะไรทำเพื่อฆ่าเวลาเพราะเบื่อเสียงนี้มันก็ไม่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ถ้าทําเพื่อเราจําเป็นจะต้องมีเสื้อหนาวหรือถุงเท้าหรืออะไรเงี้เราทําทำนี้ทําบบหกันหนาวอะไร ญาติโยมทำหมวกกันหนาวมาถวายพระที่ทางภาคอีสานนี่ทางเหนือนี่เวลาหนาวมันหนาวมากๆนะต้องมีต้องมีหมวกกันหนาวไว้คุมศีรษะอืมเจ้าค่ะถ้าจะทําเพื่อถวายพระได้อยู่ถ้าทำถ้าได้ทำเพื่อถวายพระได้ถือว่าเป็นการทําบุญเจ้าค่ะถักไหมพรมถักอังสะนะอังสะไหมพรมถักถักรองเท้าถุงไอถุงเท้า จักคุณบอกอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะจถ้าถถ้านั่งสมาธิได้เป็นนั่งสมาธิดีกว่าหรือเดินเจ้าคมดีกว่าเจ้าค่ะค่ะเจ้าค่ะกลับขอพอบคุณเจ้าค่ะหมดคำถามแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวกลับไปที่คุณวันคุณวันมาโพลก่อนคุณวันเชิญเปิดหมค์กัน อยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่สมุทรปราการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ค่ะจะขออนุ ญ, ญาตยนถามนะคะว่าหลักในการพิจารณาเลือกคอร์สปฏิบัติธรรม่ะคะสำหรับคอร์สปฏิบัติธรรมที่เป็นแปดวันแล้วมีในสัญชิกวันที่หกกับคอร์สปฏิบัติธรรมสี่วันที่ไม่มีในสัญชิกสำหรับผู้ปฏิบัติที่ที่เคยปฏิบัติธรรมเฉพาะ อ, อคอสที่ไม่มีในสัญชิพมาก่อ น, นะคะเขา <คน S 2> เลือก<น>ได้เลยเราเราเช่าในสัญชิพก็แล้วก็ในสัญชิพในสัญชิพนี่ก็ไม่ให้นอนใช่ไหมไม่ให้นอนค่ะทีนี้ถ้าเกิดผู้ปฏิบัติยังมีกําลังอ่อนนะคะอินเซียงน้อยอยู่ควรจะเลือกคอสก็อย่าเพิ่งไปเอาของที่เราทําไม่ได้อของที่เราทําได้ แล้วถ้าจำเป็นต้องไปคอสที่มีเนสันชิกะคะต้องทำยังไงมีวิธียังไงถึงจะผ่านไปได้อะคะพระอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติอย่าย่านอนเดินยืนกะนั่งเดินจงกคมนั่งสมาธิสลับกันไปอย่าเอหลังอืค่ะอืมแล้วแล้วนั่งกูอี้ได้ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นเนสันชิกะคะ ได้ได้ก็ห้ามนอนอย่างเดียวนะ ใ, หให้ถือ3ามอิริยบถเดินยืนกับนั่งไม่ให้นอนแต่จะหลับก็ได้นะท่านท่านนั่งสมาธิแล้วหลับก็ได้แต่ก็ไม่ให้นอนหลับเพราะกลัวจะนอนมากันจะหลับนานานั่งสมาธิเดี๋ยวมันคอพับเดี๋ยวเดียวมันเมื่อยมันก็ตื่นขึ้นมาค่ะอะไปฏิบัติธรรมได้มาก่าความ เจตนาของการถือในสติชีพเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติมากเนี่ยไมย่ไม่ให้เสียเวลากับการไปหลับนอนถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่านั่งไปมันก็ชั่วโมงปั๊บมันก็เตินนะนึนกจะได้ปฏิบัติปฏิบัติต่อได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรานั่งบนเก้าอี้อะค่ะแล้วแล้วหลังเราพิงพนักได้ไหมคะได้ได้ค่ะ แล้วที่ที่พระอาจารย์เคยเคยบอกว่าเอ่อให้นั่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงแบบเนี้ยค่ ะ, อ, ะอันนั้นนั่งพิงหลังพิงผนักได้ไหมคะได้ได้ได้คืให้สบายทางร่างกายไม่ต้องการทรมานเรื่องร่างกายต้องการทรมานความอยากความอยากที่อยากจะลุกไปทํานู่นไปทํานี่ไปเดินไปนู่นไปนี่อะไรนะครับจํากัดบริเวณให้มันอยู่ในจุดเดียว ให้นั่นไปยืนยกเว้นถ้าต้องเข้าห้องน้ําก็เข้าไปเข้าได้เดินไปเข้าห้องน้ำเสร็จก็ต้องกลับมาทำต่อจะทําอะไรก็ได้ไปตานั้นจะพุโทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้ดูลองหายใจเข้าออกก็ได้ต้องฝึกสติไปนี้ไปนี้ไปใ น, ปนตัวด้วยอย่าไปนั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆปล่อยให้ใจลอยคิดฟุง้งซ่านเดี๋ยวก็จะทนไม่ไหวต้องค่ะลองดูหนลองดู ชั่วโมงหนึ่งก่อนก็ได้สองชั่วโมงก็ได้ค่อยๆเพิ่มไปดูกำลังของเราเจ้าค่ะเคยได้ยินคาสอนพระอาจารย์ที่บอกว่าการปฏิบัติอะบางทีเราต้องบุกรุกกิเลสบ้างค่ะจำเราองดูกำลังของเราเราบุกได้เท่าไหร่มานเกินไปก็ไม่ไหวเดี๋ยวก็ท้อน้อยเกินไปมันก็ไม่ก้าวหน้า ก็เหมือนเวลาเรายกของเนี่ยเราก็รู้กําลังของเราว่าเรายกได้เท่าไหร่สมมติสมมติเรายกได้สิบโลถ้าเราอยากจะเพิ่มแล้วอาจจะเพิ่มสักอีกกิโลเป็นสิบเอ็ดโดยะค่อยๆเพิ่มไปถ้าเพิ่มมากก็มากกว่าที่จะยกได้มันก็มันก็ไม่ทำมันก็ไม่ไหวงั้นเราเพิ่มทีละสิบเปอร์ซ็นเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ไม่ไม่ค่อยลาบากไม่ค่อยทรมานจะผ่ะ มีอะไรไหมเท่า น, นี้ค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ขอบคุณเจ้าค่ะสาธุท่านต่อไปคุณเอาทีจากนากเกลือชนบุรีค่ะจะมากน้ำมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะว่าจริงๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เป็นวันพักจะไปว่าแต่ว่าฝนตกทุกวันเลยนุกว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวจะ กูบาดเหตุก็เลยไม่กล้าไปเพราะทําถนนอยู่<ต>ก็เลยไม่ได้ไปก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพออากาศดีเดี๋ยวหนูจะรีบไปฟังธรรมเหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์อโอเค ก, ก็ดูใน y ยูทูบได้ดูใน f a เฟซบุ๊กดูทุกวันหนูก็อ่านธรรมะธรรมะโดนใจของพระ <In> อะาจารย์ทุกวันในเฟซใน Instagram ทุกวันนะคะเออค่ะ วันนี้ไมนะ่ได้ไม่เลค่ะขอบคุณ <Okay. S 2> ค่ ะ, ะยินดีที่คุณเวลาชินีจากเยอรมันเรสเดนกลับมัรชการค่ะพระอาจารย์อา่าวันนี้มีอะไรไหมวันนี้นี่ค่ะช่วงนี้เป็นแักเคชันของโยมค่ะเลยได้ทําปฏิบัติเยอะค่ะได้ได้ใช้เวลาเต็มที่แต่บางวันก็ต้องแบ่งเวลาให้ครอบครัวด้วยค่ะอืม เพราะเด็กๆปิดเทอมพอดีค่ะแล้วก็ได้ปฏิบัติเยอะขึ้นค่ะก็บางวันก็สี่บางวันก็เจ็ดชั่วโมงแล้วแต่สถานการณ์ค่ ะ, มะยมมีคำถามค่ะอยากจะรบกวนท่านพระอาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องโวดาปฏิมักด้วยค่ะคือผู้ที่กำลังปฏิบัติทำขั้นนี้อยู่จะไม่มีโอกาสรู้ล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะว่าตัวเองกาลังทาอยู่คือต้องผ่านขั้นสมาธิไปก่อน ต, ต้องได้อัปปนาสมาธิ กลาก็เริ่มไปเจนาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่เทียเ่ยงเที่ยร่างกายนี้รูปคือรูปประคัญก็คือร่างกายของเราเนี่พิจนาว่ามันไม่มีตัวตนมันเป็นตุกกตาตัวหนึ่งที่มีจิตมาเกาะติดแล้วก็สั่งให้มันทำอะไรต่างๆ เวลาไม่มีจิตมันก็เป็นเหมือนตุ๊กตานอนนอนอยู่เฉยๆร่างกายคนตายนี่เป็นเหมือนตุ๊กตาไ ม, <ะ>ไม่ขยับขยเยนไม่อะไรเลย ผ, ผู้ที่สั่งให้ร่างกายขยับขยเยนก็คือจิตเนี่ยที่ตัวจิตเองก็มีนามมีขันอยู่สีม่มาม า, มาทำงานร่วมกับร่างกายเราถึงเรียกว่าขันห้าชีวิตของเราถึงเรียกว่าประกอบ ด, ด้วยขันห้า รูปคือร่างกายที่ทําจากดินน้ามลมไฟเนยไม่มีตัวตนดินน้ามลมไฟไม่มีตัวตนใช่ไหมเมื่อ mm hmm. แล้วเอาเอาเอาเอ า, เอาวัตถุมาทําตุกตานี้มีตัวตนนะตุกตาที่เขาใช้ใช้ในร้านขายสินคา้าเสื้อผ้านะก็ทำํำผ้าสติกเอาผ้าสต็อกผ้าสติกอะไรมาหล่อมาหลอ ม, ม, ลอมเอาขนอะไรมาทําเป็นผมเลยว ร่างกายนี้ก็เอาดินหน้าลมไฟมนาะทำเป็นน่างกาย<ะ>ไม่มีตัวตนอาการชาริสสองแตแ่อาการก็ไม่มีตัวตนใช่ไหมผมมีตัวตนไหมขนมีตัวตนไหยและฟันมีตัวตนไม่มีตัวตนให้เห็นว่ามันเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นโดยธรรมชาติผลิตขึ้นมาเหมือนต้นไม้ี เพียงแมีจิตมามายึดครองแล้วเขามีจิตมีความหลงมาหลอกจิตให้ไปคิดว่าเป็นตัวตัวตั ว, ตวเราของเราเป็นอะไรอันนี้เราต้องสอนจิตให้เปรี้ยแก้ความเข้าใจผิดใหม่เหมือนคนโบราณเข้าใจว่าโลกนี้แบบเนี่ยก็ต้องมาแก้ว่าไม่ใช่มันไม่แบงมันโกงท่านั้นเองเราโกงแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวเวลาเดินทางออกไปขอบฟ้าสุดขอบฟ้ามันจะไม่ตก ออกจะออกมากโลกไปถ้ามันแบรนเนี่มันมันจะตกลงจากออกจากโต๊ะตกลงจากโต๊ะไปฉะนั้นก็คือพ r e ลิคุ i ิตก็คือคนที่จะเดินทางนี้ได้จะต้องได้อัปนาสมาธิก่อนส่วนเขาจะเดินไม่เดินนั้นก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมคะถ้าปฏิบัติแล้วใช้ตรงนี้ต่อก็จะถือว่าเดินแล้วก็ทําตรงนี้ไปใ ช, ใช่ไหมคะก็สมัยทยี่ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่สรุปก็ไม่ก็ไม่มีใครไปไปได้ไม่รู้จะไปยังไง มีเขาก็มีอัปปนาสมาธิกันแต่พอพระพุทธเจ้ามาสอนว่าไปต่อตงนี้ไปพิจารณาร่างกายขัหน้าไปพอพิจารณาเสร็จก็บรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาอมแมกเลยพระอนญาตโกทัญญาในขณะที่ฟังธรรมค่ะแล้วทำทาที่เหมาะกับพระโสดาที่ต้องพิจารณาขั้นแรกก็คือกายก่อนเลยใช่ไหมคะเพราะมันกายเวทนาจิตกายกับเวทนากายกับเวทนา เพราะว่าตัวสัญญาสังขารวิญญาณมันมันมาพร้อมกับตัวเวทนามันมาเป็นทีมหัวหน้าทีมก็คือตัวเวทนาตัวเวทนานี่มันเป็นจะเป็นตัวที่มาคอยสร้างปัญหาให้กับเราพอเจะทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็มาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับร่างกายมันเป็นปรากฏการณ์ทาธรรมชาติเหมือนฝนตกดออก ให้รู้ว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันหายไม่ได้สั่งให้มันไปไม่ได้เวลามันมาใช่ไหมเวลาร่างกายปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้สั่งเฮ้ hey, หายไปไปเดี๋ยวนี้อย่ามาทําไม่ได้พออยากให้มันไปมันไม่ไปเป็นยังไงใจก็ทุกข์ใช่มหมยิ่งพรเจ้าบอกว่าอยากเราจะมาสอนใจไม่ให้ทุกข์ด้วยการอย่าไปไล่เวทนามันมาก็ให้มันมาอยู่ ทำใจให้อยู่กับมันต้อนรับตอนเป็นเหมือนเป็นเหมือนเหมือนแขกมาเยี่ยมเห็นไม้มจะเป็นแขกที่เราไม่ชอบก็ต้องต้อนรับเขาเวลาเป็นคนขายสินค้าเนี่ยบางทีลูกค้าคนนี้ขี้บน่นที่จี้จุ้จี้จุกจิตไม่อยากจะขายแต่เข้ามาก็ากต้องขายต้องขาย <c oughs> เขาไปเวท น, นาก็เหมือนกันมีลูกค้าที่ดีสุขเาเวทนานี้ดียิยยนดีต้อนรับเสมอใช่ไหม แต่พอเจะทุกเวทนานี่จะลูกค้าเ่งสวยก็ไม่อยากจะตัดลบอยากจะไล่มันพอไล่มันไม่ไปก็เลยทุกข์ใจขึ้นมาค่ะ อ, อีกอีกคำถามหนึ่งนะคะเป็นคาถามต่อเนื่องเลยเรื่องเวทนาี้เลยะคะ่ะจริงๆอ่ะโยมก็ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเวลคัมเวทนาค่ะท่านแต่ไม่รู้ว่าโยมหมีหรือเปล่าคือมันเจ็บแต่ว่าโยมจับจุดได้ว่าถ้าโยม โยมคิดว่าตัวโยมคือจิตนะคะมันจะไม่เจ็บไม่รู้ว่าโยมหนีหรือเปล่าโยมก็เลยคิดว่าโยมคือจิตทีแล้วก็อยู่กับจิตทุกทีแล้วสักพักหนึงเวทนามันก็กลายเป็นก้อนหนึ่งอะค่ะมันมีอยู่แต่มันแย่งออกไปคือก็คือโยมก็เป็นจิตไปอย่างเนี้ค่ะเเเป็นููฉฉยอย่างนี้ถือว่าเราหนีไหมคะท่านไม่หนีหรอกแต่เราก็แต่ยังไม่พิจารณาตัวเวทนาโดยตรงตัวพิจารณาตัวเวทนาว่ามันเป็น มันเป็นไม่มีตัวตอนมันเป็นเหมือนมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ค่ะถ้าอย่างนี้โยมจะพออยู่ได้ค่ะท่านถ้ามันถอนออกจากจิตตัวนั้นมาที่ไม่รู้อยู่กับจิตแล้วนะมันจะมาเจ็บอีกรอบนึงอะคะ่ะต้องพยายามตะล่อมให้มันกลับเข้าไปอยู่ที่จิตอีกรอบนึงอย่างนี้ค่ะมันถึงจะหายไปค่ะกลับไปอยู่ที่จิตแล้วให้รู้เฉยๆให้เป็นอุเบกขาค่ะ ปล่อยวางปล่อยวางเวทนาเราเวลาสุขมาก็อย่าไปมันก็ต้องทําเหมือนกันต้องไปอยู่ที่จิตอย่าไปสุขกับมันนะส่วนใหญ่จะไมจะเพลินไปกับมันนะคะถ้าสุกแล้วใช่พอสุกก็เพลินกับมันเดี้ยวพอมันหมดไปก็เศร้านะค่ะเรานั่นงดูว่าทั้งสุขทั้งทุกเวทนามันมาแล้วไปไม่เที่ยงเราไปสั่งมันไม่ได้ เป็นทางที่ดีก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าปล่มันมาปล่อมันไปแต่ไม่ต้องไปตามมันเวลาสุขมาแล้วมันเวลาสุขไปก็ไม่รู้วิ่งตามหาสุขเนี่ยพวกเราทุกคนนี้วิ่งตามหาสุขกันใช่ไหมพอไม่สุกปั๊บก็วิ่งหาความสุขกันแล้วพอทุกก็วิ่งหนีกันจิตมันก็เลยวุ่นวายไปกับสุขกับทุกเนี่ยต้องการให้มันหยุดวุ่นวายให้มันเฉยเฉยให้เป็นผู้รู้ให้เป็นจิต ก็ลปล่อยให้เวทนามันมามันไปเหมือนดูหนังนี่ภาพเป็นดวงบนจอมันจะมาแล้วเรื่องนั้นมาเรื่องนี้ไปอะไรก็ปล่อยมันมาไปแล้วก็ดูเฉยๆไปอย่าไปมีอารมณ์กับมัน อ, อย่าไปอยากพอใจนะจพายายามต่อไปค่ะกลับขอบพระคุณค่ะหมดคำถามค่ ะ, ค, ค, ะคุณหมอภาสนะต่อ กลับมมรดการพระอาจารย์นะคะสวัสดีคุณบอยคุณหลานคุณชายค่ะก็วันนี้มีคําถามสองข้อนะคะก็คือว่าอันแรกก่อนเลยคือเตรียมเตรียมตัวทําทําเตรียมตัวเองเพื่อจะไปอยู่วัดนะคะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็นั่งสมาธิอย่างที่เรียนพระอาจารย์เอาไว้่แต่ว่าในช่วงในช่วงช่วงเนี้เรานั่งสมาธินี่ยังใช้นาฬิกาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราก็ต้องเราต้องออกจากบ้านใช่ไหมเราก็จะใช้นาฬิกาแต่ว่าไม่ได้ปลุกนั้นพระอาจารย์ตือาการเรีนยนต์ึดเดียวก็รู้สึกว่าพอมันถึงเข้าเวลเวลาเนี้ยมัน มันมันเหมือนกับเร็วขึ้นอ่ะเหมือนกับว่านั่งแป๊บเดียวแต่มันก็คือสองชั่วโมงแล้วแล้วก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะออกแต่ว่ามันก็นั่งต่อไปอีกนิดนึงแล้วก็ไปเดินจงกรมเพราะว่ามันมันเรื่องเรื่องเวลาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพอไปอยู่ที่ที่หวัดเนี้ยจะไม่ใช้นาฬิกาแล้วก็จะลองนั่งดูแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าเรานั่งได้นานแค่ไหนอาจารย์อันนี้ที่การเตรียมตัวนะคะเพราะว่าตอนอยู่ที่อยู่ที่บ้านมันยังใช้นาฬิกามันยังต้องใช้นาฬิกาอยู่ค่ะอาจารย์อาจารก็ย์มีก็ต้องตั้งเวลา ถ้าเราไม่มีกำหนดจะต้องไปไหนแล้วก็ไม่ต้องไปตั้งมันตั้งมสติอย่างเดียวฮแต่รู้สึกว่ามันคือมันมันมันยิ่งได้นานขึ้นแล้วก็เวลาเชื่อมนั่งเนี่ยมันมันสั้นขึ้นมันมันมันเหมือนกับว่ามันปัดบเดียมมันก็สองชั่วโมงค่ะอาพระอาจารย์ข้อแรกผ่านนะคะข้อที่สองเนี่ยก็คือว่าคือตอนนี้พร้อมอ่ะจะทําข้อสอบแบบพระอาจารย์ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าถ้าเราจะทําข้อสอบตอนอยู่ที่วันเนี่ยเราต้องหลับคนเดิมนอนมืดมืดเนี่ย เดินยังไงเดินกี่ชั่วโมงหรือว่าหรือว่าเดินแล้วพอหายกลัวแล้วก็กลับขึ้นไปได้ยังไงอยากทาข้อสอบเรื่องความกลัวเรื่องเรื่องไกายนะคะเพราะคิดว่าสอบนะว่าอาจารย์อยากทำข้อสอบทํามื่อไหร่แล้วมันจะรู้เองอ่ะแบบนี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเพาว่าออกไปเดินเขาแค่เอาไปเดินก่อนเลยใช่ไหมผู้อาวุโสไปเพื่อคําจัดความกลัวใช่ําจัดความกลัวออกความหลงค่ะแต่ก็แต่ว่าจะทํำสมาธิทั้งวันแล้วเดี๋ยวก็มันก็คงจะคือตรงเนี้ยก็จะลองดูผู้อาวุโสค่ะ ก็คือพร้อมกันบอกตัวเรียนพระอาจารย์ก่อนแล้วก็แล้วก็อยากคําถามนิดนึงคือว่าถ้าเราเขานั่งสมาธิเนี่ยพอเราได้คือหมายถึงว่าเรานั่งสมาธิเพื่อให้ได้อุเบกขาเนี่ยพอได้อุเบกถ้าเกิดเราได้อุเบกนั่งสมาธินานได้อุเบกขานานๆเนี่ยเราจะพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะถ้าเรายิ่งได้นานอุเบกขาในสมาธิเท่าไหร่เนี่ยปัญญามันก็จะต่อด้วยมันจะต่ออุเบกขาได้นานขึ้นพระอาจารย์คือสงสัยตรงเนี้ยค่ะว่าอุเบกขาในสมาธิเนี่ย มันทำงานเพื่อเพื่อจะทำให้จเจริญปัญญาไปดูเบิกขาได้นานคือรูอ้เปล่าคะมันเกี่ยวกันไหมคะเออมันมันก็จะทําให้จิตนี้ไม่มีกิเลสมาคอยดึงไปคิดเรื่องอย่างเงี้ยพอเราสั่งให้มันคิดเรื่องอสุภะมันก็จะคิดได้แล้วก็จะไม่มีปฏิกิริยาความลังเกียจในในภาพของอสุภะเนี่ถ้าไม่มีไม่มีเบิกขานี้มันอาจจะคิดได้สองสามวินาที ก, กิเลสก็ดึงไปแล้วไม่เอาระ หรือพิจารณาแล้วมีการรู้สึกขดภูกไม่ไม่ชอบก็อาจจะหยุดพิจารณายังเราจะรู้ว่าเราที่เรามีอุบเบกขากับเวลาไม่มีอุบเบกขาก็ตอนต้นเราจากสมาธิเราพิจารณาพวกความตายพวกอสุบะได้แต่พอพิจารณาไปสักพักเริ่มจะรู้สึกเบื่อรู้สึกนี้อารมณ์ออกมาแล้วอ่านีแสดงว่าอุบเบกขาเราจางละ แล้วก็หยุดพิจรารณากลับเข้าไปสมาธิใหม่ไในแต่อุเบกขาใหม่มขั้นปัญญานี้จะต้องกลับเข้าไปสมาธิอยู่เรื่อยๆสลับกับการพิจรารณาทางปัญญาเวลาออกมาเพื่ออีกอย่างบางทีก็มันจะฟุ้งซ่านไปมาถ้าอุเบกขาหายไปจิตมันจะร้อนฐานนี่จะเย็นพิจรารณาแล้วไม่มีเหตุมีผลแล้วเริ่มเป็นอารมณ์เรื่องกายเป็นพิจารณาเรื่องอื่นไปซะอยนี้ก็แค่ต้องกลับเข้าไปสมาธิเพื่อไปแต่งอุเบกขาใหม่ แสดงว่าถ้า ส, สมมติเราอยู่ที่วัดเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิมาปุ๊บพอพอเราได้พอวันที่้งอุเบกขามาได้ปุ๊บเนี่ยพอเราจเจริญปัญญาแล้วก็เจริญไปลรือเรื่อยจนกระทั่งพอรู้สึกมันมันฟุ้มาแ ล, แล้วก็กลับมาสมาธิใหม่สลับไปสลับมาอยูอ่ใช่ไหมคะอาจารย์เือเราตอนที่อยากจะออกไปทำข้อสอบก็นั่งสมาธิในในห้องให้มันให้มันติดคาเยอะๆแล้วค่อออกไปพอไม่ไหวก็กลับมานั่งสมาธิแล้วก็เอาว่าใหม่วิ่งมาอ๋อแล้วอาจารย์ค่ะจะได้ขอรู้ ก็ไม่มีอะไรแล้วพ่อจังเพราะตอนช่วงนี้คือเตรียมตัวคือการเจริญปัญญามันมีสองสองแบบแบบทําการบ้านเช่นเรานั่งสมาธิออกมาแล้วก็ยังอยู่ในห้องแล้วก็พิจารณาความตายได้แต่ยังเป็นทางการทําการบ้านอยู่แต่ถ้าเราจะทําข้อสอบพอเรานั่งสมาธิออกจากสมาธิมาแล้วก็ออกนอกห้องไปเดินในป่าเดินในใข้างนอกอันนั้นจะไปทําข้อสอบน อาจารย์ครถ้าเราถ้าเราเดิเอนออกไปทำข้อสอบเราคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี้ยทุกุกอย่างเป็นก้อน่าตุแบบเลยไม่ว่าเป็นงูเป็นเราเป็นอะไรปุ๊บเนี้ยแล้วก็คือว่าถ้าเกิดถึงเวลาตายเหมือนกันมันก็ต้องตายถึงไม่อยู่ตรงนี้มันก็ต้องตายที่ไหนมันก็ตายเพราะฉะนั้นถ้าเราเราก็คือทําสมาธิแล้วก็ออกไปแล้วก็คือคิดแบบนี้จะได้ได้ใช่ไหมครับอาจารย์คือเราออกไปคิดเพราะจริงๆมันก็คือมันก็คือทุก อ, <Agr. S 2> อย่างเป็นก้อนท่าตุเหมือนกันก็ก็ดยว่าปล่อยมันได้หรือเปล่าเวลานม่อะไรที่ว่ามีเราจะวิ่งเข้ามากัดเราเพราะดูที่เราจะเไ กลัวไหมจะวิ่งหนีไหมจะโกยหรือเปล่าหรือ ไ, ไม่โกยค่ะได้เดี๋วจะลองจะลองนะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ถ้าคิดว่ามันไม่ใช่เราก็ตายก็ตายเต่ว่ามันไม่ใช่เราเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดีวันใดวันหนึ่งค่ะได้พร้อมพระอาจารย์เดี๋ยวจะไปจะทําข้อสอบด้วยพระาพอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้เพราะว่าเต็มตัวอยู่แ ล, แล้วก็วันที่เท่าไหร่วันที่ท่าไหร่วันที่ถึงเจายี่สบยิบเ็ค่ะ ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะไปพาลูกไปสองวันไปไปหาพระอาจารย์นะคะไปสองวันแล้วก็วันจันทร์จะพาคุณพ่อกับลูกสาวไปที่ที่ทีคุณพ่อกับ้องสาวไปเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเขาชิออนที่ตัวเองไม่เคยไปเลยนะพระอาจารย์เดี๋ยวจะไปหาทางด้วยว่าไปยังไงเพราะเดี๋ยวตอนไปคนเดียวจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะไปดูว่าไปยังไงเพราะยังไม่เคยไปพระอาจารย์ก็อยู่อยู่หลังวัดสามประมาณสองกิโลเอาขึ้นไปบนเขาใช่ไหมคะเดี๋ยวลองไปดูคือมันเวลาจะเข้าไปมันมีมีด่านของป่าไม้ เขาเรเขตห้ามล่าสัตว์ปากเขาชื่อโอนถ้าจะมีคนก็จะให้เราตรวจว่าเรามีเชื้อมีอะไรหรือเปล่ามียามแล้วก็จะถามว่าเราไปไหนค่ะวัดไเสำรวจก่อนเพราะเดี๋ยวไปคนเดียวจะได้ขึ้นไปได้เลยค่ะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์เดี๋ยวทําข้อสอบเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ๊ะสอบข้อสอบชานหรือตกทางคุณล้าก็ได้คุณล้าก็ไปปฏิบัติอยู่เรางนี้ได้ ได้โทรศัพท์คะพระอาจารย์เดี๋ยวพี่พิบพพี่ปลุกเอาเอาโทรศัพท์คุณที่นั่นให้แล้วค่ะพระอาจารย์ตุ้มเหใช่ไมตุ้มป้าปุกอค่ะป้าปลุกกับพี่จุ๊บอะค่ะได้ค่ะตอนนี้หมดแล้วค่ะพระอาจารย์เตรียมตัวไปที่ท่านต่อไปคุณบรผมซักเอาองบริสประมาณนั้นค่ะพระอาจารย์ เป็นยังไง<อ>มีอะไรไหมมีค่ะพระอาจารย์ก็สัปดาห์ที่ผ่านมาปฏิบัติมีเพิ่มเติมเข้ามาคือเวลาสงบมันว่างแล้วมันมันมีความส ง, งัดเพิ่มมาที่แบบเอ๊ะมันม่ยังไม่เคยเจออันนี้ค่ะพระอาจารย์ก็แสดงว่ามันสงบมากขึ้นนะสงบสงัดวิเวกวังเวงค่ะพระอาจารย์มันแบบรู้สึกเอะใจเพราะมันไม่เคยเจอตัวนี้ค่ะ ความสงบมันเป็นของมาสะใจนจะเบาสบายจะสบค่ะแล้ววันนั้นเวลาออกมาจากสมาธิรู้สึกทั้งวันมันมันว่ามันมันเบาแล้วมันว่างได้ถึงเย็นแสดงว่ามันมันอยู่ได้ดานอุเบกขาเราของเราอยู่ได้นานความสงบอยู่ได้นานต้องขาประจามัน ไมไปกับอารมณ์เท่าไหร่คะ่ะเอออุเบกขาไม่รักชังกลัวลมแต่ว่าช่วงชวงเย็นๆสักห้าโมงเริ่มแล้วค่ะพระอาจารย์เริ่มแบบมีไหวๆบ้างหงุดหงิดนิดหน่อยเลยแสดงว่าหมดนะอุเบกขาหมดนะก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ทําใหม่เวลาทําใหม่อย่าไปคิดถึงคราวที่แล้วว่าได้อยากได้อย่างนั้นใ ห, ให้ทําที่เหตุอยู่ลมไปไม่พูดโชวไป ส่วนผลไม่ต้องไปอยากอย่าไปคิดถึงมันค่ะพระอาจารย์พูดเหมือนรู้เลยค่ะพระอาจารย์เพอ ะ, พ<ร>ะอีก ว, วันหนึ่งก็คนไม่ได้นะ น, น่ะใครได้แล้วพอนั่งพวกก็อยากจะได้เหมือนเดิมเลยค่ะพระอาจารย์อีกวันหนึ่งคือไม่มันมันไปแค่จอดแค่ความว่างแล้วใจมันก็แบบอยากจะไปข้างหน้าอีกอยากจะไปอีกอยากจะไปให้ถึงที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเป็นตัวรู้ที่มีความสุขมากมากแต่ ก็เลยแบบต้องดูลงไปแล้วพุทโธต่อไปยังหยุดเนี่ยมันไปถึงครึ่งทางแล้วยังไปไม่สุดทางครับค่ะพระอาจารย์มันก็เลยวันนั้นก็ไม่ไม่ไม่ไม่ดีไม่ดีเลยค่ะอาจารย์แล้วมันกิฬาเหมือนกิเล่มันก็เหมือนมันเสียก็ไม่มีสติไม่มีสติอยู่กับพุทโธอยู่กับลมวนแต่ไปคิดถึงเรื่องนน้นเรื่องนี้เจ้าขาพระอาจารย์ ไม่เป็นไรก็ับมาเลิ่กททำใหม่ได้ความปิดพาดก็จะเป็นเหมือนอาจารย์สวนว่าไปทางนี้ไม่ได้ไม่ถูกค่ะ า, าจายก็<อ>ไม่มีอะไรก็ตอนนี้มีซื้อหนังสือเกี่ยวกับอสุภะมามาดูพิจารณาค่ะาอาจารย์มีหนังสือเป็นภาพเลยเป็นภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายเป็นรูปศพต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ เละเละแล้วก็หัวขาดบ้านยา น, นี่มีขายแล้วเหรอธรรมดาไม่ซื้อพ<ห>วกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีใครเขา อ, อยากจะซื้อกั น, น เ, เนี่ยดูในดูในชอปปี้ค่ะพระอาจารย์อชอปปี้ปมีใช่ค่ะดูไปหาพระไตปิดกฉบับประชาชนนะคะแล้วเขาจะมีหนังสืออสุภาด้วยค่ะพระอาจารย์มีไหมน่ากลัวภาพก็ภาพก ก็มีเป็นอาการสาสิบสอแล้วทั้งร่านี่ยแหละก็ร่างกายเราทั้งนั้นเนี่ยเป็นน่ากลัวเลยเราอยู่กับมันมาตลอดเวลาไม่ใช่เราไม่เห็นภาพที่มันเป็นจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแล้วนี่ภาพมันชัดเจนแล้วแบบมันก็ตอนดูมันก็รู้สึกสงบประาพระอาจารย์มันมันก็สะกดจิตเราสะกดจิตเราดูแล้วมันทําให้จิตเราอื้งกันมา ใช่ค่ะอาจารย์รู้สึกช้ามากเลยค่ะพระอาจารย์ตอนที่ดูอแล<ต>้วเราไม่มก็แบบแต่ไม่กลัวไม่ไม่ไม่ไม่ไม่กอดูไม่อะไรมีไหมมีอารมณ์ไหมอ่าไม่ไม่มันรู้สึกแบบตรงอะค่ะพระอาจารย์เอ่ามี้ต ร, รงแล้วมันมีรูปแบบเป็นรูปศพเด็กทีไรเนี้ยะคะ่ ะ, ะเราคิดเหมือนรูปเราเรามองว่แบบเออร่างกายลูกมันก็ทุกคนนะมายได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่คนแก่คนหญิงคนชายอะไรนี่มันถึงเวลามันจะตายมันไม่เลือกเพศเลือกวัยมันก็เหมืนอมนนะให้นอกขอบทั้งตัวเราทั้งของคนอื่นทำไปไเรื่อยเพื่อจะได้เตรียมตัวรับกับความจริงเวลาเห็นคนตายต่อไปจะได้รู้สึกเฉยเฉยเพ็าะมนเรื่องธรรมดา ชไม่ได้เยอะเลยค่ะพ <Okay. S 2> ระอาจารย์จากใจ ท, ที่มันวันนั้นที่มันยากดื้ออีกวันหนึ่งมันก็รวมลงได้เร็วขึ้นนะคะพระอาจารย์ใช่เมอ น, าน้ำนุสเต ด, ดว่สุภาพเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นกรรมฐานดีอย่างเวลาจิตคลึกขนองให้มันอยู่ที่นี่หน่อยมันจะได้หายคลึกคลายขนองอดีมีกี่มี ก, ม ก, มกมี่มีกี่หน้าหนังสือเล่มนี้อมันก็หนังสือนี้มีกี่หน้ามี ยังยังแบบว่าดูไม่ได้ถี่ถุ่นค่ะพรอาจารย์เพราะว่าไม่รู้เลยว่ามีสักกี่หน้ายี่สิบหน้าสามสิบหน้าประมาณนั้นได้ค่ะประมาณสามสิบอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาพสีทั้งหมดเลยเลยภาพสีหมดเลยค่ะสีแบบชัดเจนเลยค่ะพรอาจารย์ไล่ในในอวัยวะในร่างกายเนะคะพระอาจารย์ต้พิจารณาว่ามันเป็นทังของเราทั้งของคนอื่นนะโดยเฉพาะคนที่เราหลงรักเนี่ยดูว่าในร่างกายเขาเป็นอย่างนี้จะได้ตัดการอารมณ์ได้ อ, อปปย่างชอบปีน่ะญาติโยมใครอยากจะดูศึกษาไม่ต้องไปดูหเขาผ่าศพก็ ไ, ได้ดูภาพที่เขาถ่ายมาให้นอนดูก็ได้ครับแต่บางก็ยังอยากไปดูของจรินก็ก็เชิญได้ที่โรงพยาบาลตํารวจที่สาวกพาที่โรงพยาบาลจุฬามันมีการผ่าศพให้นักศึกษาแพทย์เรียเนเงิน อาจารย์ อ, นนอันนี้ก็ทํางควรจะดูตอนที่ออกจากสมาธิมันจะรู้สึกเฉยแต่ถ้ามันจิตมันน่าพูดนาไปดูมันไม่ค่อยอยากจะดูนะใช่คะ่ะพระอาจารย์เพราะว่าคือคือตอนที่ดูแล้วมันสงบสักพักนึงเหมือนแบบกิเลสเขาเขาเหมือนแบบไม่อยากให้เราไปดูอย่าคะ่ะพระอาจารย์ใช่กิเลสเ่าเฉาสวยงา ม, งามเขาเหมือนแบบเออไม่แบบพยายามไม่ให้เราไปเปิดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วมัน มีช่วงนึงที่ขับรถมาจากกรุงเทพแล้วแฟนแฟนขับรถแล้วเขาขับรถเร็วช่วงนั้นเจอคนเยอะค่ะพระอาจารย์ใจมันไม่ได้อยู่กับพุตโธแล้วมันก็เหมือนแบบไปคิดไปทางกิเลสใจมันก็แบบอยู่ๆมันก็กลัวตายขึ้นมาแบบมันห่วงกายขึ้นมาค่ะพระอาจารย์เ<ม>พรา ะ, ะว่าสองสามวันนี้คือแบบเจอคนเยอะมากค่ะพระอาจารย์คุมคุมพุตโธไม่ค่อยอยู่คะ่ะ<ม>ก็เลยไปทางกิเลสเยอะคะ่ะอ ลองเอามานั่งสติขึ้นมาแทนก็ได้นะผู้โทรไม่อยู่นึกถึงคนนีก็นึกถึงคนตายเดี๋ยวว่าเราตายแะ้วนึถึงคนนั้นคนนี้เนี๋ยก็ว่าเราตายกันแล้วก็ลองดูลองว่าเอามาใช้ดูนะแต่ก็ต้องระวังถ้าเกิดมันเกิดมีอารมณ์หรือเกิดความคิดที่ว่าโอ๊ยเดี๋ยวคนตายหมดเดี๋ยวเราฆ่าตัวตายดีกว่าอย่างนี้ก็แสดงว่าผิดทางแล้วนะ มันจะพิจารณาพื่้ฆ่าตัวตาให้ฆ่ากิเลสเอามาฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าร่างกายร่างกายไม่มีรู้ไม่โดยนร่นางกายเป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมต้องรักษาไว้้าอที่ไหนนั่นเลยมะอยู่ที่นนบุรีใช่ไหมอะไรนะคะอาจารย์บ้านอีไหนบ้าอุระยองค่ะอุระยอําเภอะ อ, อะไรเภอเมืองเจ้าขา ค่ะหมดแล้วใช่ไหมคําถามหมดแล้เจ้าคา่ะโอเคอาจารย์เป็นคนที่คนสุทธิเสน่เจริอยากประทุมต้องจําำไม่ผิดประทุมวันนนทบุรีเนีสองที่มักเจอต่างประทุมธานีเจ้าค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้คําถามวันนี้อออยากทราบว่าช่วงนี้ที่อ่าจังหวัดชนบุรีอ่าเปิดให้คนต่างจังหวัดเข้าไปได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์ ตอนนี้ก็ยังไม่ห้ามแต่ไม่รู้ก็จะห้ามอะไรเพราะว่าวันนี้มันพวดขึ้นไปต้องยี่สิบหกคนแต่ก็ยังนี่ว่าเขาคงยังจะอ่ยังสองจิตสองใจอยู่มันจะปิดดีแอยวจะเปิดดีเพราะปิดมันก็มีผลกระทบต่อร้านค้าธุรกิจต่างๆค่ะวันที่สิบเอ็ดนี้ตั้งใจว่าจะไปฟังทำที่กุฏิเจ้าค่ะเออก็ลยต้องกับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงจะ คอติดตามในไอเฟซก็แล like so ้ว okay. ก so <ac ad Ale aya> like ันอยโพสทันค่ะพี่บังค่าแล้วก็ถ้าเขามีคําสั่งมาว่างดกิจกรรมต่างๆก็จะโพสขึ้นไปค่ะได้เจ้าค่ะเดี๋ยวติดตามทางเฟซบุ o กเจ้าค่ะโอเคก็อยู่ที่บ้านก็ได้ถ้ามาไม่ได้ก็ฟังที่บ้านได้ค่ะถ้าไปไม่ได้ก็จอฟังที่บ้านแล้วปฏิบัติเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าถ้าไม่มีตท่ารันจำเป็นอย่างออกนอกบ้านไปก็ไปซื้อของจำเป็นใส่หน้ากากอะไรใช้มนต์การป้องกันมันก็โอเค อย่าไปในที่ที่คนแ อ, ออัดอยู่ไปที่ที่คนเ อ, อไม่ใส่หน้ากาพวกสถานบันเทิอะไรอย่ า, ออยาไปส่วนใหญ่คนเข้าวัดธรรมะธรโมไม่ค่อยติดเพราะเป็นคนละคนละที่กันออคนที่เข้ามาเข้าผับนั้นมันติดใช่ไปกติก็ว่าทางานกับฟังธรรมะอยู่ที่บ้านคะ่ะไม่เคน ไ, ไปไหนเออนีออ้ะ ก, ก็อย่าประมาท ใสหน้าการได้ก็ใส่ละเช็ดล้างมือได้ก็ล้างมือนะอันนี้เงนเจ้าค่ะอันนี้ลูกเช้าไมมาเลยวันนี้ท้องฟ้าอยู่ข้างล่างเจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปพบอาจารย์ค่ะที่สิบเอ็ดค่ะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเจ้าค่ะได้ค่ะกระดับขอบคุณเจ้าค่ะท่านต่อไปคุณเอคุณเอไม่ทราบได้ยินไหมคุณเอไม่ใช่คุณเอกเดี๋ยวคุณเอก่อน คนเหลือรอคิวสองอีกสองท่านไม่เห็นหน้านะครับไม่เห็นหน้าเนี่ยข้ามไปก่อนนะครับคุณที่คุณทวิศาจากสวิตเซอร์แลนด์เชิญคุณทวิาสาค่ะนพัสการดกท่านพระอาจารย์ค่ะอ่าเป็นยังไงสบายดีนะค่ะสบายดีค่ะพอดีเป็นวัดนิดหน่อยก็เลยย้ายมารับที่ห้องพระค่ะมีอะไรไหม ไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็เริ่มทําตามที่พระอาจารย์แนะนําค่ะแล้วก็ค้นพบว่าถ้าถ้าเรายัางยังอินทรีย์ไม่ไม่แก่ไม่ไม่แข็งพอก็ใช้เสียงธรรมะนั่งสมาธิปไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นนั่งไปเรามันก็ได้ผลค่ะก็คือคือจะนิ่งแล้วก็พุ่งข้า น, น้อยลงคิดน้อยลงค่ะหลังจากที่ฟังทำเร็แล้วจะนั่งต่อไปอีกก็ดีขึ้นค่ะใช <Yeah. Yeah. S 2> ่ มันเหมือนรถยนต์อ่ะต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้าถ้าเข้าเกียร์นี้รถมันวิ่งไม่ไหวก็ต้องเข้าเกียร์ต่ำค่ะถ้าดูลมไม่ได้พุทโธไม่ได้ก็ฟังเทศไปก่อนไม่ได้ค่ะมันโฉบวนไปก่อนก็ได้ค่ะมันเป็นช่วงๆค่ะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าต้องใช้แบบนี้แทนค่ะอ่าเด็กจ็ดมันวุ่นมันมีเรื่องมากคิดเรื่องนั้เรื่องนี้อยู่ก็ต้องจะบังครับมันดูลองพุทโธมันก็ไม่มีกำลัง ก็เลวอาศัยฟังธรรมไปครับค่ะฟังธรรมเรารู้สึกเหมือนมีสิ่งมาแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้สิ่งแวดล้อมในการเอื้ออํานวยในการนั่งรู้สึกมันมันมันดีขึ้นค่ะก็เลยว่าอืมน่าาจะใช่ดีถูกต้องแล้วนะ ล, ลองทำไปถ้าบางชื่อมันมันนั่งได้ก็ไม่ต้องไม่ต้องฟังธรรมก็ได้ ค่ะพระอาจารย์ก็คือบางบางครั้งนั่งมรู้สึกพอจะมันก็จะเหมือนกับส ง, งบแบบส ง, งบที่ดีอ่ะค่ะส ง, งบนิ่งไม่มไม่ดีขึ้นอะไรค่ะคือแบบรู้สึกเป็นดีก็เลยว่าเออน่าจะแบบนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกค่ะถ้าเกิดมันรู้สึกว่าวันนั้นรู้สึกว่าดีเข้านั่งหลับตาแล้วมันใช้ได้ก็อาศัยฟังธรรมเอาไว้ก่อนนะคะก <c oughs> ็เลยเดี๋ยวค่อยมาตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปฏิบัติไปไรื่อยน ะ, ะอย่าหยุดนะค่ะไม่หยุดอาจารย์ค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากๆค่ะครับทุกท่านนี้คุณเอกเข้ามาได้แล้วคุณเอกเชิญจากเชียงรายกลับมาพิธีการพาาระอาจารย์ครับผมหายไปอาทิตย์หนึ่งนะค่ะพอะดีมีติดธุระงานเขาดําครับพระอาจารย์ก็ปฏิบัติไม่ได้เต็มที่สักเท่าไหร่ในช่วงตอนเย็นนะฮะในช่วงช่วงตอนเช้าก็ยังปฏิบัติได้อยู่ครับอ่า ก็ก็ปกติตอนเช้าก็ตีสามครึ่งถึงหกโมงประมาณหกโมงครึ่นะฮะหกโมงหกโมงครึ่งครับก็มีที่ผ่านมาก็มีเอสอบได้บ้างสอบตกบ้างครับอาจารย์ก็ทําไปเรื่อยๆก็เก็บกันเก็บตามไปเรื่อยๆครับผมมันก็สงบสงบแล้วก็หลังจากสงบก็ก็จะมีเวทนาก็ก็อยู่กับอยู่เอาเวทนาครับพระอาจารย์พออยู่ได้อยู่วันสองวันก็ได้อยู่พักที่สติ พอมีอยู่แต่บางบางวันก็บางวันมันก็ไม่ไหวก็ก็ยืนสักพักหมุนพระอาจารย์ได้ได้ได้ให้คำแนะนําไปแล้วก็มานั่งต่ออย่างเงี้ยครับมันก็อยู่ได้จนครบครบชั่วโมงอยู่ครับพระอาจารย์ปฏิบัติไปเรื่อยๆนุ่มๆดอนๆใหม่ๆก็ล้มลุกคลานอย่างเงี้ยครับางวันก็ดีบางวันก็มนกไม่ค่อยดีถ้าะปัจจัยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาปัจจัยที่เอื้อกับปัจจัยที่มาขัด การปฏิบัต ين, ิมันก็มีายลไปไ ป, ไ ป, ปมาครับผมครับผมคือคือมีบางวันก็พระอาจารย์ครับบางวันก็จะมาติดอยู่ที่ปิติอฮะมันเหมือนแบบว่าน้ําตาจะไหลฮะพระอาจารย์ก็ฝ่ายมันไหลไปแล้วก็พูดทอไปแล้วดูลองไป อ, อสนใจมันอย่าไปสนใจนะฮะศักแต่ว่ารู้ก็แล้วกันนะครับใช่ศักแต่ว่ารู้ก็แล้วก็ทําต่อไปเราอยั า, า, าไม่ถึงโมเบคาถ้ า, าถึงโมเบคาแล้มันก็จะอยู่ได้อืมครับผมแต่มีมีบางวันแบบว่า มันมันเหมือนกับมันมีแรงดันนะฮะพระอาจารย์แบบว่าเราดันให้มันลงลงไปอีกมันลงได้อีกครับพระอาจารย์เก็บางวันก็อย่างที่บอกบางวันเอนทรีย์มันแก่ก็บางันก็อ่อนครับผมถ้าวันไหนมันมันดันลงได้ครับพระอาจารย์มันก็ออยู่กับเวทนาได้ครับพระอาจารย์จนจนครบที่เวลาที่ตั้งไว้ครับเนี่ยปฏิบัติไปมันก็จะเห็นความแตกต่างของจิตจิตมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอืมครับผมครับผมมันก็ไม่เที่ยงม่เที่ยง มันก็อนัตตาางทีเราก็บังคับมันไม่ได้ครับผมครับผมก็ปฏิบัติไปใช้หลักตายรักใช้หลักสติสัตจะว่ารู้ไปใช้เฉยไปครับผมครับผมให้ป็นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมไปว่าทุกอย่างก็โอเคครับผมครับผมครับผมครับผมกรับขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเออดีที่อาจารย์ที่เอนน่าครับผม รู้สึกมีปิติมากเลยครับนี่จะน้ําตาจะไหลแล้วครับเนี่ยเขาปล่อยม่หลไปเหมือนกับมาชาติแบตนะครับพระอาจารย์เหมือนมาชาร์จแบตเลยครับได้คครรรับผผมมกาาาาขอออุณจยย์่งสที่นี่เหมือนเติมน้ํามันแล้วผมก็มาเติมน้ํามันกันครับผมน้ำมันหมดครับผมฟังธรรมดีก็เหมือนได้ชาร์จแบตได้เติมน้ํามันนะครับผมเบาโล่งปิติอยู่เลยครับไม่มีที่ไหนเราที่จะนั่งพูดคุยธรรมะแบบนี้กันเนี S <S <S ใช่ไหมถ้าผมใช่ครับว่าการทำงั้นเนีเ่ยพระพุทธเจ้าบอกเป็นมองคนอย่างยิ่งการได้สนทนาธรรมตามการต า, ามตาเวลาครับสนทนาธรมรมธรรมสาอากาศฉาเอตัมมังคัลลุมตมมังเนี่ยครับครับผมเห็นผลและเห็นความเป็นมองคนแล้วเนี่ยมีปิติมีสุขขึ้นมามีปิติด้วยผนลุกด้วยผลพองดนะ้วยแล้วก็มีปัญญามีสมาธิเรื่องวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องครับ โอเคนะครับกลับขอบคุณอีกครั้งราาครับาอาจารย์ราา ค, ครับครับคุณสุภัฒนเชิญคุณสุพัฒนอยู่กรุเทพใช่ไคุณสุพัฒนครับการมาส ก, การครับพระอาจารย์แล้วพี่พี่สวัสดีพี่พี่ทุกคนครับอยู่ลบบุรีครับลบบุรีรมีอะไรไหมวันนี้จะถามเกี่ยวกับการใส่บาตรและถวายอาหารได้ไหมครับราาาาอาจารย์ได้พอดีว่าเคยเคยได้ยินตอนซูมนานแล้วครับ ที่มีพี่ที่เขาอยู่ยุโรปะครับเขาบอกว่ามีคนที่เอาไปเอาเอ า, เอ า, อาหารไปถวายพระอาจารย์นะครับนี้ผมจะติดต่อเขาได้ยังไงได้ครับเดี๋ยวก็คุณคุณพัฒนาพรบัวศพแกจะเข้ามาประมาณช่วงปลายๆแล้วติดต่อคุณลา้าก็ได้คุณลา้าสั่งให้าุณลา้าก็สั่งตุ้มใล้ไขทำให้ก็ได้ใช่ไ คุณเออแล้วผมจะติดต่อในในเฟซบุ๊กได้ไหมพาวการอะไรคุณล่าส่งส่งส่งแชทมาในในนี้เลยก็ได้เนี่ยคุณลองเปิดแชทยู่เดี๋ยวเปิดเปิดแชทให้ครับอ๋อโอเคเปิดเปิดแชทได้แล้วฮะเดี๋ยวคุณล่าจะส่งข้อมูลไปให้คุณพี่โดยโทรศัพท์จะติดต่อนะครับแล้วฝากเขาได้แล้วเขาก็จะเอาไปถวายแล้วเขาก็จะถ่ายรูปส่งไปให้คุณเมื่อเราได้ถวายของแล้ว เวลาเขาถ<ด>วาย ค, ค, คุณคุณหาก็ใช่คนนี้เหมือนกันคุณนาที่ก็ไม่ได้มาเองก็ทำให้คุณตุงนี่ก็เป็นคนทำอาหารมาถวายพระเขาจะได้มีรายได้เขาก็เป็นคนการของป่าไม้ก็จะมีรายได้เสริมนในตัวรตรงส่งอีเรสไปแล้วนะค ร, รับเฟซบุ๊คุณจันชิลิเดี๋ยวคุณเปิด น, นชาแนลดูเปิดช่องชานลดู ผมผมต้องกดอะไรไหมครับหรือว่าข้างล่างมันมีคําว่าแชทเนี่ยล่างกดมันแล้วมันจะมีข้อความโผล่ขึ้อมาแต่ยังไม่มีไม่มีข้อความเลยฮะเออยังไม่ครับแชทดิสเลเบิไม่มีครับยังดิสเลเบิลอยู่ครับไม่อยู่อคนณบอยก็ายังรับแชทไม่ได้นะไม่เป็นไรฮรอ๋ออันนี้มันเอฟวี one ไม่ได้ ไมม่ีขึ้นเมื่อกี้เราเปิดแชทก็ไม่มีเหมือนกันว่าได้แล้วครับผมผมเปิดแล้วครับพอาจารย์เดี๋ยวการส่งข้อมูลไปครับรอเดี๋ยวนะได้ครับครับง่ไประหว่างรอพระอาจารย์ครับพอดีก่อนหน้านี้ได้ฟังว่ามีหนังสือของอสุภาครับไม่ทราบว่าพี่ท่านนั้นเขาจะพอจะระบุชื่อหนังสือได้ไหมครับเพาว่เดี๋ยวจากจากร้านช้อปปี้ใช่ไหมคุณเวียดตอบเลยใช่คุณเวียดตอบเลย คุณวิทย์ใชว่าพระไตรปิฎกอ อ, อันนี้ว่าภาพอ่าเดอะเดด็อกเป็นหนังสืออสุภกรรมฐานนะคะในช้อปปีร้านภพทำรรค่ะภพทำรรครับเดอะเดด็อก ล, ลองลองลองพิมพ์ว่าพระไตรปิฎกฉบับประชาชนนะคะมันจะมีมันจะมีร้านที่ขายอยู่แล้วร้านนั้นเขาจะขายหนังสือธรรมะและอย่างอืงอ่นด้วย ใช่เสเ็พระตัยพิดกชับประชาชนค่ะก็มีไม่กี่ร้านค่ะหาง่ายค่ะหาได้ในช้อปปี้โอเคแต่ผมผมไปลองหาดูครับเออได้โอเคขอบคานะคคุณสุพัฒนส่งส่งเฟซบุ๊ของคุณหลาไปแล้วนะฮะจันเซลิวารุนเทพรักษาลองดูในแชทเป็นไฟล์ใช่ไหมครับอ๋อเป็นเป็นเป็นชื่ออะไรฮะ ชื่อชครับอ๋อเจอแล้วครับโอเคครับผมผมขออนุญาตถ่ายรูปไปไม่มีอะไรใช่ไหมคุณสุัทรมีอะไรไหมครับเออไม่มีแล้วครับอ๋อจะบอกว่าวันนี้ฟังได้ความรู้เยอะเลยครับเออดีครับฟังธรรมกันกได้ปัญญาความรู้คือปัญญาสะสมาทิฏฐิครับโอเค เราฟังต่อไปนะครับกาบลมาตการครับคุณพรดาเชิญพรดาพระดาการลมาตการค่ะไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนฟังเมื่อเวลาปฏิบัติอดข้าเจ็ดวันอ๋อตอนนั้นก็มีอันหนึ่งที่ที่ที่นั่งแล้วเจ็บอ่ะค่ะพระอาจารย์พอเจ็บแล้วเนี่ยที่หนูไปกําหนดตรงที่เจ็บอะค่ะ แล้วมันพอกําหนดไปแล้วมันเห็นเนื้อไปแล้วมันเหลือแต่มันเหลือกระดูกตรงที่เฉพาะบริเวณที่เจ็บตรงนั้นกระดูกนิ้วเท้าอะไรเนี่ยค่ะถามว่ากระดูกมันเจ็บเป็นหรือเปล่าเราก็หาใบว่าตรงไหนที่มันเจ็บอย่างเงี้ยค่ะหนูก็หาลงไปตรงไหนที่มันเจ็บมันก็ไม่มีตรงไหนที่มันเจ็บแบบนั้นนะคะกระดูกมันเจ็บได้หรือเปล่า เวลาเอาไปต้มต้มกระดูกไก่กระดูกมันเบื่อเนื้อเนือมันก็เบื่อออกไปเหลือแต่กระดูกนะค่ะก็มีความรู้สึกตรงนั้นนะคะแล้วมันก็ไม่ถามว่ามันเจ็บไหมตอนนั้นที่เราพิจารณาอยู่อ่ะมันหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บอะไรมากมันไม่เห็นความเจ็บอะค่ะมันรู้สึกว่าคือมันไม่เห็นความเจ็บตรงนั้นอะค่ะความเจ็บหายไป ค่ะมันเห็นแต่ อ, อันเห็นแต่กระดูกเราต้องคิดว่ามันเจ็บตรงนั้นพอไปดูจริงๆก็เป็แต่กระดูกค่ะเพราะดูใจแล้วใจมันไม่ไม่วิ่งเหมือนทุกครั้งมันไม่ดิน<อ>้นเหมือนทุกครั้งก็เลยลองอลองจิลงไปดูตรงนั้นปุ๊บมันก็เป็นแบบนั้น<อ>ให้เห็นขึ้นมาก็ก็ไม่เห็นความเจ็บ <c oughs> ประมาณเนี้ยค่ะแ ล, แ, ลแล้วมีความรู้สึกต่อความเจ็บยังไงยังกลัวมันอยู่ตั้งหลายยังเกลียดมันเนี่ยหนูรู้สึกว่าช่วงนี้หนู หนูว่าหนูไม่ค่อยกลัวมันคือมาก็มาก็ยินดีต้อนรับนั่นแหละเราไม่ดูกับมันก็ถือว่าเพราะมันร้อนเลยค่ะพระจานทร์มันเจ็บจนมันร้อนเผาเผาแบบมันร้อนแบบร้อนก้นเลยนะมันร้อนแบบนั้นนั่นแหละค่ะพุ่มพุ่มพุ่มพว่ามันร้อนไปก็แล้วแต่ค่ะก็ประมาณนี้ที่ครั้งที่แล้วอะค่ะที่ที่แบบเห็นชัดแล้วก็สามารถ แล้วก็สามารถเข้าไปตรงที่ที่ข่าวก่อนนู่นได้อ่ะค่ะที่มันอยู่อยู่แบบอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะค่ะああก็คือหาพวกผู้โทรไปเรื่อยๆรื่อยๆดูลม<ห>พอนี่ก็ดูลมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เข้าไปว่าเข้าไปาไตามอทางฝ่ายทางอยู่ไม่ยุ่งกันร่างกายก็ปล่อยมันนั่งไปเวทน า, า, าก็ปล่อยมันเจ็บไปะจิตผู้รูก็ดูไปค่ะ แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือที่สมมว่ามันมันจะนั่งไปนั่งไปก็พูดโทพูโทไปดูลมไปมันจะเหมือนมันจะมีความรู้สึกแบบอยากอยากจะลุกมันอยากจะอยากจะลุกให้ได้ตอนที่นั่งยาวๆสี่ชั่วโมงค่ะหนูก็คิดถือว่าเนี่ยคือปัจจุบันแล้วอยู่คำว่าปัจจุบันมันก็คือมันคิดว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ปัจจุบันตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็มันก็ปัจจุบันไปเรื่อยๆมันก็อยู่ได้ ก็อยู่ได้ไม่คิดถึงตอนนั้นเพราะว่าถึงตอนนั้นหรือตอนมันก็คือปัจจุบันก็คือปัจจุบันอย่างเนี้ยตัวอย่างมันมีแค่ปัจจุบันอดีตไม่มีอนาคตไม่มีจิตเราทรงไปตามันเองใช่ค่ะก็ดี๋ยวตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อยมันก็อยู่ได้ไม้ลุกไปลงลุกได้ดีอันแล้วมันจะเข้าใจมากขึ้นเองตามลำดับเจ้าคะพระเจ้าเข้าใจอยู่บ้างก็ต้องปฏิบัติตอนนะอย่าอย่าอย่าหยุดนะ ค่ะแต่ได้น้อยกว่าบางทีก็นึกว่าเสียได้เวลาไม่แน่ต่อไปอยากอยากแค่ไปดวดก็ได้มันอยากไปอยู่นานๆทีละเดือนสองเดือนแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ก็แบ่งด้านแบ่งสู้ไว้ก่อนนะนี้คิดแหละค่ะพระอาจารย์บางทีมันมันยังอยู่ใต้ทางด่วนยังยังขึ้นทางด่วนไม่ได้ตลอดเวลาพมันยิ่งเห็นมันก็ยิ่ง มีความคิดเข้ามาเรื่อยๆหรอคะอก็อย่าอย่าทุกข์กับมันก็แล้วกันถ้าอยากจะไปปฏิบัติถ้าไม่ได้ไปก็อย่าไปทุกข์กับมันค่ะทำไปตามแต่แต่หนูจำคําพระอาจารย์ได้ว่าเร า, เราปฏิเราปฏิบัติเนี่ยค่ะคือเนี่ยเป็นเพราะการปฏิบัติจะพาไปเนี่ยประมาณนี้คะ่ะพระอาจารย์เรรู้สึก ตั้งแต่แตเริ่มปฏิบัติมาจนถึงบัดนี้รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นม ใ, ในในใจเราเย็นขึ้นัหย ต, ต, ตั้งแต่ช่วงหลังใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนถึงบัดนี้ตั้งแต่เริ่มเลยเหรอคะ เ, อเริ่มแรกเริ่มเริ่มหนูหนูทาไม่ต่อเนื่องตอนนั้นเพิ่งอายุย3ิบสามทำไม่ต่อเนื่องก็ทําแต่ไปตลอดไปเรื่อยๆแต่ไม่ต่อเนื่องกับบ้านก็ไม่ได้ทาก็ก็สงบ แต่เป็นอะหนูชอบเข้าไปหนูชอบนั่งสมาธิแต่หนูไม่รู้เหตุผลว่าทําไมจะนั่งไปทําไมไม่รู้ตอนนั้นนะคะก็นั่งไปเรื่อยจนจนได้มาทําต่อเนื่องค่ะถึงจะรู้สึกว่าแม้กระทั่งเราไม่ได้อยู่ในสมาธิเนี่ยมันก็เออมันก็มันก็สงบได้เหมือนกันบางในบางครั้งอะคะ่ะเอาเวลาจิตมันก็หยุดคิดได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าบางบางครั้งที่จะจะเกิดอารมณ์ที่โกรธหรืออะไรคืนน้อยลงแบบน้อยลงมากมากมากมากมาก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราค่ะแล้วก็เฉยมากขึ้นเยอะ <c oughs> <c oughs> อยิ่งโดยเฉพาะข้างหลังๆังเนี่ยค่ะที่ได้คำแนะนำด้วยจากพระอาจารย์ด้วยแล้วต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยเยมัน ก, มนก็มันก็สบาย <c oughs> สบายค่ะใครก็จะพูดอะไรจะทําอะไรก็เรื่องของเขาอย่ไปวุ่นวายกับเขานะเป็นแค่เป็นแค่กระดูกระละกองมันมันเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาตลอดเลยพอมอะไรปุ๊บมันก็กระดูกคนละกองไม่มีอะไรเลยจะข่าววันจันทระครับคุณเอบคุณเอ๋ขอบคุณค่ะใช่คุณเอ๋อ่านวิว เ ป, ปิโอเคครับเชิญมีอะไรไหมมีครับอ่วันนี้มีข้อธรรมที่ขออนุญาตรเรียนสอบถามครับเอ่อไม่ทราบว่าตามหักรรสติปัฏฐานสี่ครับการเวทนาจิตธรรมไม่ทราบว่าจะดูหรือว่าจะพรว่ายัางไงครับว่ามันเป็นหลักสูตร ม, มันเป็นหลักสูตร ท, ที่เราต้องไปทีละขั้นออกขัานแรกเราต้องเจอสติกับสมาธิก่อน ในสติปัฏฐานให้เขาสอนวิธีนั่งสมาธิโดยใช้อนาปานสตินั่งขัดสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกออกอยากสมาธิก็มาเจริญสติที่กายกตาสติือให้ดูเอาใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติครับร่างกายเคลื่อนไหวเดินยืนนั่งทําอะไรก็ให้จิตอยู่กับการกระทําของร่างกายอย่าให้จิตไปที่อื่นเพื่อเป็นการฝึกสติก่อน แล้วสลับกับการไปนั่งสมาธิจนกว่าเราจะเข้าฌานได้เข้าเข้าฌานเข้าได้อัปปนาสมาธิเราถึงยจงเริ่มมาจเจริญทางปัญญาด้วยการพิจารณาร่างกายก่อนว่าร่างกายเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นอย่างไรเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นตัวเรารูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยแล้วก็ผ่านร่างกายนั้นเข้าไปที่เวทนาต่อ อ่านาวทนาได้ก็ไปจิตต่อมันไปเป็นขั้นๆไม่ใช่ทําทีเดียวรวมกันหมดไม่ใช่รวมมิตรเขาอย่างนี้เวลาอ่านนี้เหมือนเหมือนอ่านแล้วคิดว่ามันเป็นรวมมิตรทาทีเดียวพร้มกนหมดเลยอ๋อครับแล้วเอเราจะสุดสติรือเพิ่มกำลังสติเป็ยังไงครับก็นั่นแหละพอออกจากสมาธิมันก็คอยเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาตอนนี้กําลังนั่งกําลังจะลุกก็รู้ว่ากําลังจะลุกแล้ว กำลังจะเดินกำลังจะกำลังยืนก็รว่ายืนนะกำลังเดินก็ว่าเดินนะเอาไปอาบน้ำํำล้างหน้าแปลงคันก็ต้องไม่อยู่กับการอาบน้ําน้ำหน้าแปลงคันอยู่กับการเคลื่อนไหวการการะทาของร่างกายเป็นอย่างเดียวไม่จิตไปส่งไปที่อื่นแล้ว เ, เออถ้าเราบางครั้งถ้าสมมติว่าเราคําว่ารู้นี่ในที่นี้หมายถึงว่า ก็รู้ไงเฝ้าดูมันไงเฝ้าดูมันเหมือนเราเป็นยามนาั่งร่างกายเป็นเหมือนนักโทษเนี่ยยามนี่นจะมาให้นักโทษฆ่าจากสายตาไงใะ่ไหมไม่เปอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ปล่อยให้นักโทษอาบน้ําไปล้างหน้าไปแต่งฟันไปแล้วกลับมาดูไม่รู้ทำไปถึงไหนแล้วก็คล้ายๆเหมือนเราเราเป็นคนดูอย่างนี้ใช่ไหมครับ สติไงให้สติอยู่ให้เราดูดูเฉยๆอย่าไปที่อื่นอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้อดีตอ<ช>นาคตอย่าไปให้อยู่ในปัจจุบันอยู่ในปัจจุบันใ อ, อ, อยู่กับร่างกายอันนี้เวลาปฏิบัตินะแต่เวลาทำงานจริงๆมันทำไม่ได้เพรต้องคิดถ้าคิดก็ให้อยู่กับความคิดไป คิดเท่าที่จําเป็นจะต้องคิดคิดในเรื่องที่ต้องคิดพอไปคิดเรื่องที่ไม่ต้องคิดก็หยุดมันกลับมาอยู่กับร่างกายเรื่องใช้พุโทโธหยุดมันก็ได้ต้องพุโทโธพุโทโธไป ค, ครับไม่ทราบว่าเราจะรู้ว่าปฏิบัตินี่ถูกหรือถูกทางหรือไม่ถูกทางครับเปน็นว่าก็ดูว่าสงบก็ไม่สงบโกรธก็ไม่โกรธโลภกกือ ไ, กกไม่โลภอยู่ ถ้ยังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ก็ยังไม่ถูกทางด้วยยังไม่ถึงถึงเป้าหมายของการปฏิบัติเป้าหมายก็เพื่อต้องการหยุดความโลภความโกรธความหลงต้องกา ร, รทําใจให้สงบให้นิ่งให้มีความสุขในตัวเองไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกไม่ตไปหาความสุขจากคนนะั้นคนนีสนะ้สิ่งนั้นสิ่งนี้ครับเข้ญญาใจไหมข้ญญาใจครับก็สดาส์นี้มีข้อถามแค่นี้ครับ Okay. โอนะกอขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณฟ้าใช่ไหมคุณฟ้าศิริวิสุทธ์อยู่ที่ไหนรู้สึกเพิ่งเข้ามาครั้ <c oughs> งแ <c oughs> รกเนื่อ่ค้าคี่ฟ้าพนักรานค่ะหลวงพ่อสุชาตอิอยู่อเมริกาค่ะอยู่รัฐไหนมืงไหนแคลิฟอร์เนียค่ะเมืองอะไระแคลฟรริฟอร์เนียมอนติโรว มอนมเทเรยอมอนเทเรยียู่อยูมอนรีลใกล้ๆกันกปุ่มันใช่ไหมใช่ค <c oughs> <า>่ะโอเคก้นถุนฮะทางแซนแซนบันดานีโนกไปทางนั้นยังริมบัสไซแซนบันดานีโนกค่ะก็ก็คือหนูหนูโตกับลง พ่อหลวงปู่พระพุทธธาตุอะค่ะตั้งแต่ห้าขวบแล้วก็แล้ว ก, วก็คือท่านพูดอะไหนูก็ไม่รู้เรื่องราค่ะคือคุณลุงสั่งก็ต้องนั่งหลับพุโทโธพุโทโธพุโทโธปากว่าแต่ใจไม่รู้ไปไหนอะค่ะแล้วก็แล้วก็วกวกกมาอยู่สหรัฐแล้วก็คือเพียนแล้วเจอหลวงพ่อจะหลันปฏิบัติหนังสือปฏิบัติก็ก็ถูกจริตแต่รู้สึกว่าต้องอธิษฐานตลอดต้องขอขอตั้งอธิษฐานอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็ แล้วก็ท่านก็เหมือนกับว่าเราเรายังไม่เรารู้สึกว่ามันมันหาที่พึ่งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเจอครูบาอาจารย์ใส่หลงวงปู่มั่นแล้วก็ก็ฝึกเอาก็โตกับหลวงพ่อปะสะอัสสนกับหลวงพ่ออมบอโลค่ะตรงขนาดคู่ค่ะดื้อมากมถือคือเจอฤทธิ์ตอนอายุสิบหกก็ก็กราบขอบขอบพระคุณแบบ เหมือนมีบุญหรือก็หรือว่าอะไรบอกท่านเสมอว่าไม่รู้่ะคะพ่อแม่คือตีตายไปแล้วะคะ่ะแต่ว่าหลวงพ่อเป็นพระท่านตีไม่ได้อะคะ่ะก็เลยก็เลยใจทํามมาหวดเอาอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็ฝึกกับท่านแล้วก็มาเมืองไทยก็ปฏิบัติพองหน่อยยุมหน่อเพราะเพราะรู้ตัวว่าจริตโทสะเยอะมากสมัยนั้นนะคะก็ตั้งแต่อายุสิบห้ามาถึงตอนนี้ก็สามสิบหกอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วก็คือ แต่ก่อนติดรูปฟอร์มอะค่ะแล้วก็ตอนนี้คืออะไรก็ได้ให้มันเป็นวิปัสนาค่ะ mm hmm. แต่แต่ไม่รู้ว่าเราถึงตรงนั้นหรือเปล่าเราเราต้องการแบบหาคำตอบแล้วโควิดมันมาลงอะค่ะหลวงพ่อหนูก็กลับเมืองไทยไม่ได้เพราะสุขภาพปีนี้หลังจากกลับมาจากอินเดียคือแย่เลยวค่ะคือออกจากบ้านไม่ได้แล้วติด ต้องตองต้องอยู่กับคุณหมอประจำตัวเฉพาะทางโดยเฉพาะคือ UCSF แคลฟอร์เนียฟานซิสโกเขาเขาเาบอกว่าไม่ให้ระบบประสาทเคลื่อนละคะ่ะ <c oughs> คือมีปัญหาอยู่ในตัวแต่ไม่สราง <c oughs> ก็ก็ใช้ใช้วิปัสสนารักษามาตั้งตั้งแต่เด็กเลยมั้งคะมันถึงได้ผลมาตอนนี้นะคะ่ะแล้วก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ทุกลูกอะคะ่ะ ตั้งแต่หลวงปูป่พุท ธ, ธาทาสมามาจนถึงเนี้ยบอกเลยว่ามันมันให้ผละค่ะหลวงพ่อดีก็ปฏิบัติต่อไปอเลยนะค่ะก็ก็ก็มีคําถามกับหลวงพ่อคะ่ะคือหนูเห็นหลวงพ่อมานานแล้วค่ะในในในยูทูบนี่แล้วค่ะแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่พรมากค่ะคือหนูห น, หนูก็ก็ฟังหลวงตามหาบัวนะคะแต่ก็รู้สึกว่ามันยังไม่พร้อมแต่วันนี้ยคือ คือพร้อมจริงๆแล้วก็มีคําถามที่อยากจะถามหลวงพ่อค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติเพราะเรื่องสุขภาพด้วยมันมันมีความรู้สึกว่าสองวันที่ผ่านมาค่ะแล้วมันมันไม่สามารถที่จะเดินและนั่งได้ปกติเหมือนแต่ก่อนคือเดินเดินประมาณสองชั่วโมงเป็นอย่างต่ําแล้วก็คือจรหิบหนูชอบเดินจงกรมมากกว่า นั่งสมาธินั่งสมาธิได้ชั่วโมงเดียวก็ก็คือพอแล้วค่ะต้องไปเดินไปเดินเดินที่วัดเอ อ, อภัยคีรีก็ก็เดินมากท่านก็บอกชอบเดินเจ้าไหมบอกว่าชอบเจ้าค่ะเพราะมันนั่งปุ๊บมันก็มีสมาธิเพราะสมาธิหนุกสั้นคือคือปฏิบัติจนจนเข้าใจตัวเองอะค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วว่ามันมันเรื่องคําถามก็คือมีคําถาม วันพราค่ะคือวันอาทิตย์ที่เนี่ยค่ะก่อนวันพราเนี่ยหนูเดินจงกรมเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้ให้เพิ่มระยะหนูก็เพิ่มเพิ่มระยะแล้วพอระยะที่สามเนี่ยหนูกะระยะเหมือนพระป่าเขาก็กะระยะเขาไม่จับเวลาเพรหนูจับเวลาไมได้เดี๋ยวขันห้ามันจับให้เองอะ่ะก็เลยก็เลยว่าจับเสร็จระยะที่สามคะค่ะสุดหน้ามืดแต่รู้ว่าหน้ามืดหน้ามืดนี่หลายครั้งแล้ว น, นะคะ แต่แติดแต่ยืนยืนได้ส่งตัวได้แล้วก็มานั่งแล้วก็กำหนดไปจนจนวันต่อมาก็คือมันมันมันมีอาการวูบอย่างนี้มันกันอะค่ะก็เลยเอนตัวแล้วเราได้สติว่าที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ก่อนมิพานท่านบอกว่าให้อย่าเป็นผู้ไม่ประมาทขอให้เธอทั้งหลายจงพิจารณาเป็นคำสั้นๆแต่ แต่วันนี้อหลวงพ่อคือคือมันเข้าใจเลยค่ะหลวงพ่อจะมีอะไรให้ให้หนูปฏิเพิ่มเติมไหมคะเออก็ถูกแล้วนะหนูพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องตายเนีนตอนนี้ยังไม่ตายรีบมาปฏิบัติธรรมกันอย่าอยู่เฉยเฉยเดินจยกมุมได้ก็เดินโยกมุมนั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะก้าวหน้าไปเอง ค่ะหลวงพอ่อคือคือมันมันมันรู้สึกว่าเราเราเข้าใจภาษาค่ะแต่ว่าพอพอถึงเมื่อวานนี้คือเข้าไปเลยคือมันของเรามันมันเหมือนกับเราแน่นมาตลอดแล้วรู้สึกว่าเราแน่แล้วล่ะเราเราเราเป็นตัวกูตัวข้าอย่างอย่างถาวรที่หลวงปู่พุทธทานบอกตัวกูตัวข้ามันเยอะมากแล้วแล้วถึงุดออกแล้วมันตายออกมันเองว่า เรายังมีตัวตนแล้วก็มันแน่นไปด้วยอัตตามอเถื่เนี้ยมันมันไม่เที่ยงเลยที่พระพุทธเจ้าสอนมาทุกอย่างคือหลักปริปริยัาตแล้วก็ภาพพิธารรมแล้วก็บวกการปฏิบัตินะวันนี้มันถึงผลเลยเหมือนที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองสอนหนูเล็กค่ ะ, ะแล้วมันเลยมีคําถามอะค่ะหลวงพ่อตอนที่หนูเดินคือหนูเดินข้างนอกเนี้ย แล้วไม่สามารถกําหนดพองยุบหรืออะไรได้ค่ะเดินขวาซ้ายไปกําหนดสติมันเห็นอาการเครื่อมกับเครื่อมของร่างกายของของปอดอะค่ะแต่มันเร็วมากค่ะหลวงพ่ออไม่สาคัญไม่ต้องไปกังวลให้ดูเท้าของเราไปต่อซ้ายขวาซ้ายขวาไปค่ะเห็นก็นเห็นเห็นก็นให้รู้ว่าเห็นจักได้ว่าเห็นไป เดินจะ ก, ก่อเพื่อให้สติให้จิตนิ่งอย่าอย่าไปคิดตามที่เห็นอย่าไปปูกแต่งดูเห็นแล้วก็ปล่อยวางกลับมาที่ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะลองการทําใจให้ว่างการปฏิบัติขั้นสตินี้ต้องการหยุดความคิดอย่าไปคิดอืยังไม่ใช่ขั้นปัญญาค่ะเดินจะให้มีสติเวลานั่งจะได้สงกได้นานเข้าใจไหม ค่ะพอแล้วถ้าอาอกจากสมาธิมาถ้าอยากจะพิจารณาร่างกายก็ดูอาการ32ของร่างกายไปก็ได้นึกขึ้นมาในใจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมากหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนีนึกภาพขึ้นมาด้วยก็ได้ถ้าไม่รู้ภาพเป็นยังไงก็ไปเปิดภาพดูหนังสือนาตมี้ <S <S <S ช้อปปิ้งแต่คือแต่คือหนูเรียนจบหนูเรียนจบพยาบาลหลงพ่อหนูผ่านแต่อาจารย์มันเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อหนูก็มียนาตาเมียนะรู้เรื่องนาตาเมียดีรู้เรื่องหมดเลยเถียงะเถียงอาจารย์หมอฉพระทางนี่คือเถียงคอขึ้นเอ็นเลยเขาจให้เราเรากินแต่ยาบอกคุณทบอย่างนี้ไม่ได้ฉันอวัยวะ ส่วนอื่นล้วนเราเราต้องให้ทานเพื่อผู้อื่นบ้างเพราะ ห, หนูหนูบริจาค่างกายแบบเธอเธออัดยาฉันอย่างเดียวเลยไม่ไม่สงสารมันเลยเนาะไม่ไม่สงสารผู้อื่นเลยเพื่อเพื่อเห็นความเห็นแก่ตัวให้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ออยอะมันได้สติทุกอย่างอ่ะหลวงพ่อก็เลยก็เลยว่ามาตอบพ่อนี่ละค่ะเพราะว่าตอนนี้โควิดอเมริกาลงเขาก็มีวัคซีนแต่มันยังน่ากลัวเหมือนเดิมอ่ะค่ะก็ ขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ท่านมากไม่ได้เพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วเราก็อยากให้ท่านอยู่ประดับบารมีอะคะ่ะกําลังใจบอกหลวงพ่อปัสสันโนอย่าไปไหนไม่ให้ไปไหนไหละให้อยู่ให้อยู่วัด น, นี่แหละคะ่ะไม่ต้องไปลัเพิงไทยห <c oughs> ลวงพ่อบอกไม่ไม่ให้ไปละท่านก็ยิ้องานนี้เขาไม่ชอบคนอเมริกันหรอกเลยประมาณนั้นน ะ, ะหลวงพ่อก็ <Okay. S 1> ขอบพระคุณมากค่ะเดี๋ยวเขาอาจจะพัก ฝึกแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านแล้วจะมีคําถามหนูหนูโจทย์ไว้นะคะหลงวงพ่ออ่โอเคดีไป ถ, ถ้าไหนก็ถามมาที่หน้าก็มาได้ทุกอาทิตทุกวันทุกวันพูดนะค่ะหลวงพ่อตอนนั้นที่นี่ที่แคลิฟอร์เนียตอนนี้กี่โมงหกโมงเช้าเนะอยหกโมงเช้าค่ะหลวงพ่อเจ็ด <7 S 2> โมงสิบสิบหกนาทีแล้วแต่ว่าค<ล><ล>ือเมื่อคืนก็นอนไม่หลับตื่นเต้นก็ก็รอนิราเข้าซูมยังไง แต่วันนี้เข้าได้ละเดี๋ยวเดี๋ยวจัดนาฬิกาตั้งปลุกเลยอ่ะหลวงพอ่อโอเคได้ขอบคุณมากกค่ะคาัุาคุณยินดีจากอันนี้จะอยู่เซาเทอร์ริลล่างาไงยินดีเปไิดไมค์ค่ะัค่ะท่านอาจารย์อันนี้เซาเทอร์ริลลากี่โมงเก้าโมงแล้นะ <10 S> 1ก้าโมงสิบหกนาทีค่ะเก้าโมงสิหกนาที ก็คือเลื่อนเขาก็เลื่อนเลื่อนก็คงเลื่อนเหมือนคงเลื่อนพร้อมๆกันทั่วประเทศเ<อ>มั้งคะถามว่าเมื่อสอาทิตย์ที่แล้วอะไรเนี่ยค่ะค่ะ<อ>ท่านอาจารย์มีอะไรัหมไม่มีอะไรค่ะเพียงจะบอกว่ า, เ, าเดวิดกานน้ำมือการด้วยค่ะแล้วก็หนูฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะ เ, <อ>เมื่อเอข็มแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไปเซ็นมอดเลยนะค่ะ ยายี่ห้อไหนของไฟเซอร์กันหนูได้ของไฟเซอร์ค่ะเขาฉีดแล้วมันจะอยู่ได้ทั้งหกเดือนเมื่อเสร็การทีนี้มีข่าวมาป้องกันได้หกเดือนอย่างน้อยอย่างน้อยใช่ไหมคะอันนี้ก็กกำลังเก็บข้อมูลอยู่ค่ะนี่ค่ะก็ได้แล้สองช็อตนะหรือ้องไปฉีด้ อีกชอดหนึ่งก็คือวันที่ยี่สิบสามเนี้ยค่ะสองอาทิตย์เป็นสองอาทิตย์ค่ะดีจะได้สบายใจค่ะก็ไปไหนก็จะได้สบายขึ้นนะคะในรสนี้แต่หน้าก่างอะไรหนูก็จะใช้เหมือนเดิมต่อครัะถ้ามันจะเป็นจะไปไหนก็อย่าไปค่ะค่ะดีมีอะไรไหม ม่มีค่ะเดี๋ยวหนูลบฟังแล้วกันนะคะท่านอาจารย์โอเคสาธุเดี๋ยวกลับไปที่คุณไาโฟนที่อยู่ข้างบนก่อนรู้สึกว่าเข้ามานานแล้วมั่นเยอเดี๋ยวคุณสพัฒนารอเดี๋ยวนะคุณไอโฟนที่อยู่ขามุอมอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับท่านครับอมีอะไรไหมก็เออธิษฐานจิตอย่างจะได้พอดีเรียนธรรมะมาอยู่แปดปีเรียนจากยูทูปครับท่านครับ แล้วก็ อ, อ, อธิษฐานที่อยากจะเจอครูบาอาจารย์สักองที่ที่เป็นที่เลี้ยงแนะนำได้จนถึงสุดปังนะครับ<ม>ก็เลยฟังพระอาจารย์มาห ล, หลายทีแล้วแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่งรู้มีซูมเนี่ยครับมันเด้งขึ้นมาทางเฟซบุ o กครับ<ม>แล้วก็ ข, ขับใช่ครับก็อยู่ดีก็เข้ามาแล้วผมก็เข้ามาแจมเลยครับ ม, มีคำถามอะไรัหมก็มีคำถามบ้างครับก็คือ ตามรู้กายรู้จิตก็พยายามสักแต่ว่ารู้อะครับแต่ว่าหลงไปเพ่งก็รู้ว่าเพ่งอะครับ mm hmm. เออแล้วมีคำถามนิดนึงอะครับป้าจา์ครับคือพักนี้ใช้การใช้การคิดแทนการรู้อะครับแต่ว่าเราคิดเรื่องเออเรื่องว่าเราจะเสียชีวิตเออสมุติ ตอนแรกคิดว่าจะเสียชีวิตพรุ่งนี้ทีนี้ยครับ <leuk. S 2> เราก็เปลี่ยนเป็นเออ่เดี๋ยวเราออกไปเราอาจจะเสียชีวิตได้ทุกเมื่อเออแล้วก็คิดว่าภรรยาก็อาจจะเสียชีวิตได้ตอนไหนก็ได้ภายในวันนี้ uhh. แล้วผมก็มีลูกสามคนก็คิดว่าเอาลูกเราก็อาจจะเสียชีวิตก่อนเราได้อื <hum. S 2> มีคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตก่อนเราได้ แล้วการคิดอย่างนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเออมันจิตจิตมันเปลี่ยนไปจากความคิดมันถือว่าเออมันดีหรือไม่ดีครับก็มันดีตรงที่เราเริ่มเห็นความจริงเราเริ่มคิดถึงความจริงเมื่อก่อนเราจะหลอกตัวเราองว่าทุกคนจะอยู่ไปนานๆกนับท่านครับพอไปคิดอย่างนั้นมันก็จะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาใช่ไหม เขกลายเป็นปิติแทนนะครับอพอเราไปคิดว่าเนี่ยใครก็ต้องตายกันมันก็เลยทําให้เราโปร่งได้ครับอืมก็ดีใจเราก็ไม่วุ่นวายกับความเป็นความตายของของของท่านของเขาและท่านของเรายินดีที่จะตายได้ทุกเวลาอย่างนี้ถ้าเราคิดบ่อยๆโดยโดยใช้ความคิดถือถือว่าถือว่าโอเคไหมครับถ้าวันหนึ่งเรา ก็ต้องตัวจเจอข้อทดสอบดูเช่นเวลาเจอลูกต า, ายหรือใครตายแล้วดูที่เข้าใจเราเป็นยังไงใจเราเฉยหมือร้องห่มน้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับถ้าเฉยเฉยไม่ไม่ไม่เศร้าโศกเสียใจก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าพอไปเจอของของจริงก็แล้วก็ร้องห่มน้องไห้เศร้าโศกเสียใจก็แสดงว่ายังสอบตกอบตกอยู่ไม่ผ่านใช่ไหมครับไม่ผ่านครับ แล้วก็มีอีกคำถามด้วยครับเราเราจะใช้ความคิดละความเป็นตัวเราได้ไหมครับก็ได้แล้วแต่ก็ต้องไปทำข้อสอบก่อนาร่างกายไม่ใช่เราเป็นดินน้าลมไฟงั้นใครด่าเราก็ถือว่าด่าดินน้าลมไฟไม่ได้ด่าเรา อ, อือครับท่านครับเข้าใจไก็เอ่อพอเข้าใจแล้วครับแต่คือทุกวันนี้เอ่อใช้การเอ่อ อ, อดำรงสติแล้วก็รู้กายรู้ใจแล้วแต่อืมแล้วแต่จิตจะไปรู้กายหรือรู้ใจเลือกไม่ได้ครับท่านครับก็แล้แต่รู้อาไรก็รู้ว่ามันเป็นตายรักทั้งนั้นรู้ว่ามันไม่เทียมเป็นอนิจจ์ทุกขังอานั้นครับท่านครับอย่าไปยึดไปติดมันอาลงก็ไม่เทียมร่างกายก็ไม่เทียมมันมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับอืมครับท่านครับแต่ว่าความคิดที่เราคิดว่าเออ เราจะละความเป็นตัวเราเราใช้ความคิดว่าตัวนี้ไม่ใช่ของเราถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยมันจะพอจะละได้ไหมครับก็ดูดูการทำข้อสอบเวลาใครก็จะมาเอาไปเรายอมให้เขาาไปหรือเปล่ายังไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยไปของเราอยู่ครับท่านครับเข้าใจเลยครับโอเคครับหมดคำถามแลครับท่านครับขอบคุณมากครับครับสาธุครับติดติมากครับ อ่าดูนี่กลับมาที่คุณสิ่พัฒนาแล้วสื่อพัฒนาบอกวินเชิญการน้อมสการพระอาจารย์แล้วค่ะก็การที่เราดูว่าเราพยายามที่ว่าจะจะมีสติบ่อยๆเนี่ยพอเวลาเราเผลอเราก็จะเห็นเห็นบ่อยค่ะว่ามันเผลออันนี้อันนี้หมายถึงว่าเราเราเผลอเองหรือเรามีสติที่เห็นว่ามันเผลอคะพระอาจารย์ เวลามีสติมันจะรู้ว่าเผอเวลาเผยมันไม่รู้ ม, นน<ช>มันคลั่งปุ๊บอ่ะเดี๋ยวแร <ฮะ S 1> สติกลับมาว่ากูเผยไปแล้วปล่อยให้คิดไปให้ใจลอยไปโู่นไปนี่ไม่อยู่กับนี้กับตัวค่<ฮ> ะ, <ฮ>ะแต่ก็คืออย่างที่พระอาจารย์บอกว่าให้ให้มีสติตั้งแต่ตื่นนอน <ฮะ S 2> คือจนจนหลับอย่างเนี้ค่<ฮ>ะมันก็เลยเหมือนกับตั้งใจว่าจะพยายามมีสติให้ต่อเนื่องให้ให้ให้ตลอดก็เลยจะเห็นว่าตัวเองเผอบ่อยอันนี้คือ คือเป็นการมีสติบ่อยๆไหยคะหรือว่าใช่ก็เป็นการเริ่มเมื่อก่อนที่เผลอไปแบบยาวไม่รู้สึกตัวเลยทีนี้เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าไอ้กูไม่ค่อยตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีสติมากอย่างไรก็เริ่มรู้แล้วว่าเริ่มมีสติรู้ว่าเวลาเผลอเป็นยังไงก็ค่ะเมื่อก่อนที่ไม่รู้เลยว่าเผลอเผลอไปทั้งวันเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแลาวทำข้อสอบเลยว่าพรุ่งนี้ แต่กามาเนี่จะรักษาพุโทโธไปไเรื่อยๆดูเสีจะรักษาได้ไปถึงกี่โมองอ๋อต้องใช้ต้องใช้วิธีแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ทดสอบ <Okay. S 1> ดูนะคะพรุ่งนี้จะเอารักษาพุโทโธให้ได้ตั้งแต่เช้าถึงเงย็น ด, ดูดูเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วมันจะหายเป็นตอนไหนก็ก็พยายามกำกับว่าเรากําลังทําอะไรแต่พอมาอ้าวที่คิดไปเรื่องอะไรแล้วตอนนี้กำลังคิดก็บ่นกัตัวเองค่ะว่าเผลอแล้วนะอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ใช่มันต้องมีต้องมีอะไรคอยกระตุ้น ใช่ค่ ะ, อ ะ, อะตอนนี้ก็พยายามตรงนี้แล้วก็เรื่องอหยุดความอยากตอนนี้ก็มีความสุว่าตัวเองมันไม่ใช่ว่าเราเราไม่เราไม่อยา ก, เร า, ยากเราไม่อยากทําหรือเราไม่อยากได้อย่างดีแต่คือเหมือนกับว่าอันไหนที่มันไม่มีความจําเป็นก็ไม่อยากอย่างที่อาจารย์สอนไว้ค่ะก็คือความอยากมันน้อยลงแต่เราไม่ได้ไม่ได้เฉยแฉะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ว่าขี้เกียจอะค่ะอาจารย์ไม่ทาหน้าที่ของเรา อันนั้นที่เราต้องทําก็ทําไปแตไม่ ไ, ไ, มได้ทำด้วยความอยากทำเพราะต้องทําำก็ค่ะทําทําตามหน้าที่ครับก็เนี่ยค่ะเราก็นั่งสมาธิก็นานนานขึ้นค่ะพระอาจารย์จากเดิมที่เหมือนกับว่าพระอาจารย์บอกว่ามันหลับตอนนี้ก็เหมือนกับพอมันจะเงียบเนี่ยก็พยายามรู้ตัวแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าพุโทโธตลอดนะคะพระอาจารย์ใช้วิธีหายใจดูลมหายใจอะคะ่ะได้อย่างได้อย่างหนึ่งก็ได้ค่ะก็ ผูดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทัอันนี้ก็พยายามเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเงียบไปแต่ดูตะลมหายใจค่ะพอนั่งได้นานนานขึ้นค่ะคึ้นถึงครึ่งชั่วโมงมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ยังไม่ถึงชั่วโมงค่ะอไม่เป็นไรนั่งไปเรื่อยๆนอยก็ทําไปเดี๋ยวมันก็มากขึ้นไปเองก็ค่ะแต่ตอนนี้ก็พยายามตรงนี้อยู่ต้องขอบคุณพระอาจารย์ด้วยค่ะกลับมากราบพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ท่านต่อไปคุณสุวรรณเขตจำชื่อไม่ได้แต่จาจาจาเมืองได้ขอไปด้วยาเรียกสวรรเรกานครับพระอาจารย์ไม่ถามชื่อแล้วถามเดียวก็ลยมือเดี๋ยวจะลำคาสอนดวงพรเดชสอนดวงสอนดวงสอนดวงพรเดชสุวรรณขตเจำได้ง่ายก่ามีคำถามครับพระอาจารย์คือ ความโกรธมัาเกิดขึ้นนะคะแป๊บเดียวแต่รู้รู้รู้หยุดไม่ได้นะคะพระอาจารย์หยุดมรู้ใช้ใช้สติใช้พุโทโธท่องพุโทโธไปถ้ามันไม่ยอมหยุดโกรธก็ต่องพุโทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวสักห้านาทีมันก็มันก็หยุดได้แล้วก็ความรู้สึกอะตอนนี้ค่ะเหมือนเหมือนเหมือนสับสนอยู่ค่ะพระอาจารย์เหมือน ตีกันอยู่อค่ ะ, คะพระอาจารย์ด้วยอะไรตึงตีกันเรื่องเรื่องกิเลสแล้เรื่องธรรมมากเลยค่ะเหมือนเหมือนกับแบบว่ามันอยู่ระหว่างกลางอะค่ะพระอาจารย์ก็ธรรมกับกิเลสมันก็ต้องต่อสู้กันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้จะต้องทําชนะกิเลสให้ได้กิเลสคืออาธรรมทำย่อมย่อมชนะอาธรรมค่ะมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมอะไร คะเมื่อก่อนหนููจดมา mm. ค่ะเดี๋ยวหนูอ่านอ่านให้จบค่ะน mm. ะคะเมื่อเมื่อก่อนฝึกฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับมาค่ะพระอาจารย์อย่างนี้ประมาณสามหาสี่เดือนแล้วมีเหตุจากการทำงานจนทำให้ฝึกไม่พอเหมือนไม่ถึงอะค่ะสติชอบหลุดพระอาจารย์ จะแก้ความอยากทำให้ดีอย่างไรเหมือนอยากทำสิ่งที่อยากทำอะค่ะให้ดีแล้วก็ออกพอทำออกมาไว้ดีแล้วก็คิดวนไปวนมาอยู่ะคะ<ม>รับอาจารย์อย่างเงี้ยคือคืออย่าไปยึดติดกับความความอยากแต่ต้องใช้ความอยากเป็นตัวผลักดันให้เราทำอยากทำดีแล้วก็ทำไปแต่จะได้ไม่ดีไม่ได้ดีนี่ก็เป็นเรื่องของผลได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีให้คิด อ, อย่างนี้ ว่าการปฏิบัติของเรายัา ง, ลงล้มลุกคลุกคลานอยู่ท่ะ <Okay. S 1> นั้นเองแต่อยากปฏิบัติ ด, ดีอยากทําดีทําไปแยากจะได้ได้ดีบ้างน้อยก็แล้วแต่กําลังของเราก็แล้วกันอย่าไปอยากให้มันดีเพราะบางทีมันนันยังไม่ดีเพราะกำลังของเรายัางน้อยอยู่ต้องดูดูความสามารถของเราว่าเราทําได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อนอย่าไปอยากได้มากกว่าที่เราทําไม่ได้ เข้าใจมห้ใช่แต่ต้องอยากทําต้องมีความอยากทํารงนี้มันถึงจะได้ทำแต่อย่าไปอยากได้ให้มันอย่าไปอยากให้มันดีได้ดีมากๆได้เหมือนกันอยากจะสอบให้ได้สี่จุดเนี่ให้ได้เกรดสี่จุดเนี่ยแล้วพอไม่ได้มันก็นจะเสียใจอย่าไปเสียใจก็เราทําได้เท่านี้ยอมรับความจริงถ้าอยากจะได้ได้ดีกว่านี้ก็ต้องพยายามทําให้มากกว่านี้ทําให้ดีกว่านี้ ก็ฝึกไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็การนั่งสมาธิการนั่งสมาธิอะค่ะอาจารย์ยังเข้าไม่ถึงแต่ม้องใช้เวลาใชงเวลาค่ะมีความปิติอยู่ข้างใน<ม>แต่ยังได้ยินเสียงยังไม่ถึงอุเบกขาไม่ถึงอเคคุงงอเบกขา ก็ไม่เวลาไรก็พุทโธต่อไปแล้วดูลมต่อไปอย่าหยุดอเหตุคือการกระทําเนี่ยดูลมแล้วพุทโธนี้เป็นเหตุถ้าไม่อยู่เหตเดี๋ยวผลมันก็ต้องปรากฏขึ้นมาเองผลก็คือความสุบสมาธิอัปปนาสมาธิอุเบกขาอะไรจะตามมาทันทีถ้าเหตุไม่ถ้าเราไม่อยู่เหตุถ้าอยู่เหตุเมื่อไหร่มันก็ไปไม่ถึงมีเท่านี้ครับพระอาจารย์ เข้าใจแล้วนะค่ะโอเคคำถามของเราเของของคุณเลยก็ฝากถามเ่ของตัวเองค่ะพะ อ, อ ด, ดีคิดออกมาค่ะพระ อ, อาจารย์แต่ว่าอ่านไม่ตรงกับคำถาม่ค่ะ <laughs> แต่ว่ามันความรู้สึกอะค่ะพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิอะค่ะนั่งได้ประมาณสี่สิบห้านาทีแล้วเออมันเกิดเวทนา แล้วทีนี้ก็ลุกออกมาเลยครับพระอาจารย์แบบว่าเหมือนไปต่อไปบรรยากาศเวทนาก็เริ่มพุทโธใหม่เนี่ยนั่งเฉยเฉยพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปทิพยโซร้อยจบไปแล้วมันก็จะนั่งต่อได้เหมือนว่าเหมือนทนไม่ได้อ่ะครับพระอาจารย์พอเจ็บพอมันนั่งเฉยเฉมันก็จะทนไม่ไหวแต่พอมันมีอะไรให้มันทํามันก็จะเร็ว เมือวลาเราดูนัง น, นี่ปวดฉียังนั่งดูต่อไปได้เลยใช่ไหมถ้าไม่มีถ้าไม่มีอะไรให้ดูเนี่ยมันก็ต้องรีบเข้าห้องน้ำนะเมื่อก่อนหนูหนูฝึกมาประมาณสามหาสี่เดือนเนี่ยค่ะแบบว่าตั้งแต่ตื่นจนถึงแบบว่าหลับมาค่ะพระจัน์ให้ให้ควบคุมความคิดนะคะอพอมานั่งสมาธิแล้ว จนถึงสี่สิบห้านาทีก็รู้สึกว่างทุกวันอย่างนี้ครับพระอาจารย์วันตอนนั้นไม่มีงานอย่าง น, นต้องทำไม่ต้องคิดมากแต่ตอนนี้ถ้าทํางานมันคิดมากมันก็จะเข้าไม่ได้คแต่ตอนนี้พระอาจารย์บอกว่าให้เวลาถ้าเข้าถึงความว่างแล้วให้นั่งเป็นนานๆอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์อืถ้ามันว่างแล้วมันก็จะนั่งได้นานเองเพราะมันสบายมันจะไม่รู้สึกอนัน คนะแล้วาาค่ okay, นะอาจารย์โอเคค่ะสาธุสาธุสาธุาธาธคุณสอนดวงนะสอนยงจากสวรระเขตค่ ะ, ะ, ะคุณอ้อมเชิญคุณอ้อมจากบอเวินเ้าที่นี่มาแบบงานเศการค่ะอ า, าจารย์วันเสาร์ที่แล้วไปตาบารค่ะแต่ไม่ได้มาฝั่งธรรมตบาบารคุณตกอะ ค่ะแต่แต่ฟังอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะฟังผ่าอาจารย์ไลฟ์อยู่ค่ะอ่าสาวอุดรไม่ได้ไปค่ะผ่าอาจารย์อ่าการ์บอนีบ้านแกค่ะบ้านแตอยู่ดน่บ้านอยู่ยู่บนอยู่บนมาทำมาที่บอเวนนะค่ะผ่าอาจารย์คะในสมัยพุทธกาลนี่คือไม่มีการสวดมนต์ใช่ไหมคะเท่ที่ก็สวดแต่สวดเพื่อจดจาคาสอนเนี่ยพระสูตรต่าง การท่องเขาสวดกันมไหยทํามาจากกับประวัฒนสตรสติประฐานสวดนี่ก็อาศัยการท่องจํามากันเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีหนงังสือเข า, าอะไรอาศัยการท่องจำํำก็เรียกว่าเป็นการสวดการฝึกสติของชาวพุทธในสมัยพุทธกาลนี่คือฝึกยังไงคะก็เหมือนกันเหมือนสมัยเนี่ยก็สะมาก็ฝึกสติด้วยการมีการเท้าดูการเดินเคลื่นอนไหวของร่างกาย หรือว่าจะพุทโธพุทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้สวดบทอิทิปิโสอะไรยนี้ก็ได้อืมที่แรกเนี่ว่าไม่มีการสวดมนต์เพราะว่าเหมือนบทสวดมนต์จะอธิบายเรื่องเอ่กิจกรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็บทสารเสริญพระพุทธเจ้าค่ะก็เลยลองถามพระอาจารย์ดูคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาสวดแบบเราสวดกันหรือเปล่าเม่วานนี้ แต่แน่ที่รู้ว่าเขาต้องท่องจํากันนะพระเป็นหน้าที่ของพระที่มาบวชจะต้องท่องจํงาพระสูตรต่างๆที่พุทธเจ้าแสดงไว้ก็จะได้เก็บรักษาไว้่งค่ะแล้วการสวดนี่มันก็เป็นการฝุกสติภาในตัวใช่ไหมใช่ค่ะอนี่ก็ต้องมีพระสวดกัน<ม>สวดท่องจํากันสวดปฏิโมกเนี่ยสิ้นสองอยี่สิบเจ็ดข้อก็ต้องสวดกันจดจํากันไว้ เั้นเดี๋ยวไม่รู้ศีลของพระไปมีอะไรบ้างถ้าไม่สวดกันเดี๋ยวลืมนะค่ะค่ะไม่ไม่มีคำแต่แต่เขาคงจะไม่ได้มาเข้าบวชเช้าเย็นสวดกันเหรือก็สวดตามอัธยาศัยอยู่ที่กุฏิอยู่ที่ไหนเขาอยากจะสวดเขาก็สวดของเขาได้อืมทิ้แบบคิดว่าเขาทาแบบภาพป่ามากกว่าทําแบบภาพบ้านะภาพบ้านสัญญาไม่มีทําวัดเช้าวัดเย็นมา เราอยากจะทํำก็ทํากันเองไปเลยอยู่ที่ปุฏิก็ทําไปอยากจะสวยก็สวยไปก็ส่วนใหญ่การฝึกสติก็จะเป็นการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายมากกว่าใช่ไหมคะก็เป็นวิธีหนึ่งแทนพุทโธได้บางทีก็ใช้พุทโธแทนกันได <ừ> ้หรือใช้สวดมนต์ก็ได้เป็นการควบคุมความคิดนะฝึกสติเพื่อหยุดคิดก็ค่ะ ตัวเองก็ยังอยู่ในกระบวนการทำใจให้สงบอยู่ค่ะอาจารย์ด้วยละด้วยการสวดด้วยการบริพุทธโธด้วยการดูการเคลื่อนไหวของอ่างกายก็ก็ตั้งแต่สติก่อนค่ะค่ะสมาธิก็มันก็ยังไม่ได้เต็มที่อะค่ะถ้าสติยังไม่ดีคะ่ะไม่เป็นไรทำไปเรื่ยอยๆอย่าทอ้ออย่าหยุดกนแล้วกันนะคือ มีมีเรื่องของวันเนี้ยค่ะพระอาจารย์เมื่อเช้าเหมือนรู้สึกเหมือนอิ่มบุญมากแต่พอตอนบ่ายมาเหมือนมีอะไรมากระทบแล้วมันเหมือนเขาเรียกว่าสติแตกอย่างเงี้ยคะ่ะมันทําไมมันเกิดได้แบบว่าในวันเดียวกั น, นแบบมันแล้วแต่แล้วแต่กิเลสเนี่กิเลสมันพองขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็เกิดได้คือเราไม่มีอุเบกขาใช่ไหมคะใช่คือสติเราไม่ต่อเนื่องอพอพอมัน สติต่าี่ยก็เพลิแล้วนไงเพเธอมีอารมณ์มีอารมณ์ขึ้นมาไม่ยึดไม่กลับมาที่พุโทโธต่อไม่คุ้มแต่ว่าเหมือนมันขึ้นแล้วมันดับลงเร็วกว่าทุกครั้งอะคะ่ะก็แสดงว่าสติเราเริ่มมีกําลังตามมาทันเนียเมื่อก่อนนี้ตามไม่ทันที่เกิดอารมณ์แล้วหลายชั่วโมงกว่าจะหยุดนะแต่นี้นํามีสติกําลังไล่มาอย่างประชั้นชิด ถึงแม้ยังจะไม่ทันช่วงทีก็อย่างน้อยก็ใช้เวลานิดหนึ่งแล้วสติก็ค้อยตามทันค่ะก็ฝึกสติไปเรื่อยสตินี้จําเป็นอย่างยิ่งในทุกกรณีนั่งสมาธิเลยไมานั่งสมาธิคิดทางปัญญาก็ต้องใช้สติถ้าได้ตั้งแต่ตื่นนอนนี้เหมือนเริ่มต้นได้ดีนะคะพระอาจารย์เออก็ดี แต่พอตอนเย็นมาถ้าเราไม่ต่อเนื่องอ่ะเย็นมาเราจะเหมือนช่วงเ บ, บ่ายังเย็นมันมันก็จะมันก็จะเริ่มเหมือนมีกิเลสเข้ า, เร า, เ, ราเราิทงเราปล่อยเราเทงสติมันก็เลยไม่มีอะไรคุมจิ็ตนะครัเหมือนตำรวจปล่อยให้คนนักโทษทำอะไรตามตามใจนักโทษมันก็เลยออกมาเพ่นพ่านได้แต่ถ้ามีมีตำรวจ ค, คอยคุมไว้มันก็จะออกมาไม่ได้ ต้องฝึกให้มีกำลังเยอะขึ้นอย่ า, ยา ห, ยหยุดเฉพาะเวลาหลับเท่านั้นวเวลาตื่นนี่ต้องให้มีสติอยู่ตลอดเวลาค่ะท่ะานนี้นะค่ะขอบคุณค่ะโอเคกราฟฟี่จากสุราธานีได้ยินไหมเล่นสับองออกอยู่ครัอบอดีคุยงา น, นครับ ก็ก่อนหน้านี้ก็ไม่สบายครับอาจารย์นอนอยู่ประมาณเป็นเดือนนะพ อ, อ, อพอดีไข้สลังอักเสบครับ อ, อ๋อนี่วันนี้ก็เพิ่งเดินได้ประมาณสองสามวันเพิ่งนั่งได้ครับก็ก็มาฟังก็รู้สึกรู้สึกดีครับก็พิจารณาว่าเรามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลุงพกก้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้นะะนนั้ไม่ทุกข์กับมันนะ ครับก่อนหน้านั้ น, น, นพระอาจารย์ก็ก็ก็เตือนกับสําหรับพระอาจารย์พูดว่าเอ่อมัเ อ, เอ่อคือผมยังประมาทว่าแบบว่าเออเดี๋ยวค่อยไปปฏิบัติก็ได้อะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เตือนว่าเออเดียเด๋ยวจะเจ็บจะแบบเหมือนประมาทนะครับพระอาารก็เตือนแล้วก็หลังนั้นประมาณสอาทิตย์นะครับก็ก็เข้าโรงพยาบาลเลยครับพร ะ, ะเจ้าสอนว่าร่างกายไม่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ ให้เรียนปฏิบัติเสใช่ไ้มแต่ตอนที่มันยังดีอยู่นะคือคือผมก็รู้แนวทางปฏิบัติแล้วครับแล้วเคยปฏิบัติได้เยอะครับแต่ว่าแบบผมก็ยังขี้เกียจอะครับอาจารย์ต้อง เ, อเรียนึงความตายบ้างนึ่มันจะได้หายขี้เกียจนะมันมันมันยังไม่มันยังไม่กลัวครับผ ม, มไม่กลัวตายนะยังจะอยู่ยังจะอยู่ไป น, น, นาัานๆไปดูคนที่ก็อา ย, อยุเท่าเราตายกันบ้างนึ่ ครับเรื่องอนกเราตายก็มีครับแต่วันนี้ก็กพิจารณาธรรมะเรื่องเนึ่งครับคือแบบว่าผมก็ทำบุญมาถวายบาทครัวบาจา์เข้าไปเปลี่ยนป้าเชิดตัวในห้องสมเด็จพระสังฆราชก็เคยครับแต่พอพอทำบุญอันนี้แล้วครับคือเราก็มีความคาดหวังที่แบบว่าอยากได้สันเสริญจากได้คำเยน็นเดียครับ แล้วเหมือนเราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าอันเนี้ยมันก็คือแบบการที่เราอยากได้ความยินดีเงี่มันเป็นความทุกข์ในใจเราอย่างหนึ่งถึงเราจะได้บุญแต่ว่าแบบอันนี้แบบมันเหมือนเป็นอะไรที่มาเกาะเกาะเราอยู่อะครับวันนี้ก็<ะ>ก็พิจารณาแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าทางออกหรือว่าพิจารณาคือพิจารณาไม่ออกอะครับคือรู้เท่านี้ครับผมก็ต่อไปทําอย่าไปหวางผลอย่ากใคทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ในใจเราจะมีความสุขแค่นี้ก็พอ มันก็ทําไม่ดูเป็นทองหลังยระทําแบบเป็นทองหลังพระครับแล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปครับมันละเอียดมันละเอียดใช่ไหมครับใช่อะไรไม่ได้มากังวลนี่เขารู้แล้วว่าเราทำหรือเปล่าเขารู้แล้วเขาจะแสดงความยินดีอะไรกับเราหรือเปล่าคือแบบจมันครับคือมันนานมากเขาวันนี้ก็เพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นแบบกิเลสตัวนี้ยครับ อ่างั้นแหะมันพบมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวแล้วมันบางทีมันก็หลบซ่อนบางทีมันยังไม่ถึงเวลามันก็ไม่โผล่ขึ้นมาครับก็ก็วันนี้ก็คือผมเพิ่งย้ายร้านมาใหม่ครับตรงนี้เป็นเป็นร้านใหม่ที่ผมเพิ่งทําของตัวเองครับเมื่อก่อนอยู่อยู่ที่แบบเช่าอยู่ครับ อ, อันนี้ก็มาร้านใหม่ครับครับอย่างหี้ยงหนมีน้องวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมครับอยู่ติดทันหน่อยครับอาจาร ครับถ้าจางเมตตาผมเลยครับผมแล้วเราต้องเคนแผ่เมตตามันไม่ให้เราเลยลูกค้าก็จะได้รักเราชอบเราครับแล้วลูกค้าเข้ามาต้องยิ้มให้เขาต้อนรับเขาเนยไม่พูดแบบหน้าตาเบิกตึงเขาเป็นจะไม่มีลูกค้านี่คเลยลูกค้ามาต้องยินดีต้อนรับสวัสดีครับสบายดีเนะมีอะไรผมบริการบ้างครับ เอย่างนี้เรารับรองได้ลูกค้าจะรักจะชอบเราครับกลับขอบพระคุณครับนะตอนนี้นะอโอเคคุณจีบจากแอรวลนจีบลับรถอยู่พูดได้ไหมพูดได้เจ้าค่ะกลับน้ำมาซาการค่ะอาจารย์มาที่ไรขับรถทุกทีเลยเจ้าค่ะอะไรจะขับไปไหนเหลย อ, อ๋อวันนี้ไปหาหมอค่ะตรวจร่างกายประจําปีของ ทางด้านหมอสูรค่ะตรวจปีละครั้งค่ะก็เนี้ยค่ะก็มองมองฝั่งคนก็จะสังขารโยมก็ปงสังขารไปด้วย <laughs> ได้ฉีดวัคซีนที่ไหนฉีดแล้วค่ะเข็มแรกโยมฉีดไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเดี๋ยววันที่สิบสองจะไปฉีดเข็มที่สองค่ะปลอดภัยนะไม่มีปัญหาอะไรนะเข็มแรกโยมฉีดของมาดอนน่านะคะมันก็ไม่มีอะไรนะคะแข็งแข็งแขนเฉยๆเจ้าค่ะแต่ แต่เค็มที่สองก็เห็นเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนเขาฉีดแล้วแล้วเขารู้สึกแบบเหมือนมีไข้ไปสองวันเลยยมก็เลยเออเหรอเออก็เลยก็เลยไม่เป็นไรค่ะก็เออจะเกิดก็เกิดไม่เป็นไรก็ลองดูแล้วเขาบอกก็บอกว่าพอฉีดนี่เราเรามีพุ่มกันทันทีหรือต้องรอเวลาเขาไม่ได้บอกอะไรเลยค่ะก็คือทุกคนเหมือนกับว่าเออฉีดก็ฉีดจริงๆยมก็ ฉีดก็ได้ถ้าเราต้องทํางานที่มันต้องเข้าร้านเข้าที่นู่นออกที่นี่บ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลักฐานให้เราแม้ว่ามีหนังสือยืนยันว่าเราได้ฉีดอะไรอย่างไรมีครับเป็นใบาการ์ดเล็กๆอ่ะค่ะเป็นแผ่นโพ ส, สการ์ดเล็กๆว่าเออคุณเชื่ อ, อไลน์ฉีดแล้วเข็มที่หนึ่งเข็มที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าได้ยืนยัน ค่ะอย่างย่งเพื่อนโยมบางคนที่เขาจะกลับเมืองไทยเขาก็อยากจะฉีดเขาก็ได้ฉีดค่ะแต่ว่าคือถ้าถ้าฉีดแล้วเหมือนจะไปเมืองไทยอย่างเพื่อนโยมจะไปวันที่สิบแปดเมษายนเนี้ยค่ะก็จะสุตกตัวไม่ต้องกักตัวกักก็ค่ะกักแค่เจ็ดวันค่ะอ่อาโยม ก, ก็เลยดีเหมือนกันแต่ว่าโยมยังไม่รู้ว่าโยมจะได้กลับไปหรือเปล่าเลยเจ้าค่ะปีนี้อาจจะยังไม่ได้โ ย, ยมก็เลย <c oughs> คืออยากจะถามนะคะเมื่อกี้เห็นพระอาจารย์พูดกับคุณวิราชินีหรือเปล่าเรื่องอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิไม่เหมือนกับอาณาปสนาสตินะก็ต้องังไก็ยัาอาณาปนาสติเป็นการดูลมหายใจเข้าออกค่ะเป็นการทําสมาธิเพื่อให้เข้าอัปปนาสมาธิแล้วอัปปนามันคือขั้นความรู้สึกแบบไหนล่ะสุขค่ะอ๋อจิตนิ่งสงบไงเป็นสมาธิถ้านิ่งนานนี้ ถ้านิ่งนานก็เรียกว่า ป, ปนาสมาธิถ้านิ่งเดียวๆก็เรียกว่าคณิกาสมาธิอ๋อมันเหมือนการทรงฌานไหมคะปฌานเนี่ยอั ป, ปนาฌานสี่อ๋ปปอเจ้าค่ะแล้วถ้าเราอยากอยาก่างบางคนบอกว่าถ้าเราฝึกไปถึงขั้นหนึ่งมันจะเป็นภาวะการทรงฌานโดยอัตโนมตัตินี่ก็คือเหมือนกับก็เราเทําำนาไงการทำเก่งมันขับรถนะ่ะใหม่ๆขับรถมันไม่อัตโนมัติใช่ไหมต้องคอยดูคอยจับนู่นจับนี่ เวลาขับไปเรื่อยๆมันชำนาญมันชินมันก็อัตโนมัต hmm. ิ้นเลยก็ไมานา่นํามานั่งคิดแล้วต้องจับอะไรต้องใส่เบรกใส่เกียร์ยังไง uh. จะทำโดยอัตโนมัติเข oh, ้ในาใจแล้วเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกบ่อยๆฝึก <Yeah. S 2> ไปจนถึงนันนิง่งโดยท่ามันชํานาญต่อไปมันก็จะเข้าได้ปุ๊บเลยนั่งปุ๊บเดี๋ยวห้านาทีก็เข้าไปแล้ แล้วถ้าเกิดเราไม่ฝึกสมมุติเราถึงขั้นนั้นแล้วเราหยุดฝึกมันก็จะลดลงมาอีกใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าหยุดเถือนเดียวมันก็ลืมเหมือนขับรถถ้าเลิกขับเดียมันก็ลืมได้อ๋อมันก็จะประมาาอีกเหมือนกันต้องมาเริ่มใหม่มองซ้ายมองขวามันค่ะโยมก็ไม่มีอะไรค่ะก็จะพยายามปฏิบัติมากขึ้นพระอาจารย์รักษาคุภาพด้วยนะคะเมื่อกี้มาสลิงนอนเข้ามาเขาอยู่หน้าสองหน้าน้าจอ๋อยังอยู่หน้าสองอยู่อย่คิวยาว อีลอยหลายเคสมุสรินทร์ร อ, อไปก่อนนะท้าวฝากเพื่อนเพื่อ น, น, นกัลยาณมิตรทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะ <Okay. S 2> โมทนาสาธุค่ะค่ะขับน้ำกาลเจ้าค่ะอาจารย์ที่บุญเจิญอาจารย์ตอนนี้อยู่คอนแก่นได้อยู่มหาสารธรรมหายไปไหนละออกทักทายพบหนีไปเลยไม่เห็นแล้วหลุดไปเลยออกไปข้างนอกแล้ว เดี๋ยวกลับเข้ามาหัเรียกอ๋ออยู่นี่เห็นแลเชิญอ่นวิวขอโทษค่ะพระอาจารสวัสดีค่ะกดปิดค่ะากดปิดนะภาพเลยหนีไปเลยพูดได้เชิญพูดได้หนหายไปแลวภาพเลยหนีเลยค่ะก็รายงานการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะแล้วก็ฟังธรรมจาก YouTube ด้วยค่ะ แล้วก็ได้ความรู้ละเอียดเพิ่มขึ้นค่ะทีนี้เดิมที่เคยบอกพระอาจารย์ว่าจะต้องฟังฟังอรูบาอาจารสอนไปด้วยวนั่งสมาธิไปด้วยจิตมันจะรวมง่ายกว่ามี y o u t u ู e ค่ะแล้วก็เห็นว่าถ้าไม่มีเนี่ยต้องใช้เวลานานมากมจิตเห็จรวมค่ะได้ช่ารฟังธาก็ช่วยทำให้จิตสงบได้เร็วขึ้นค่ะ แล้วก็เวลาที่สงบรู้สึกว่ามันตาไม่เหวี่ยงเหมือนเดิมคือไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลงหวกเหมือนเดิมค่ะลงลงเบาขึ้นก็ได้แบบไหนก็ได้ค่ะแม่ช่างอกก็แล้วกันแต่ว่ากังวลเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันสงบไปเหมือนรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้สักสักทักหนึ่งมันก็จะออกมาค่ะแล้วก็จะพยายามนั่งใหม่ค่ ะ, ะแต่ว่าก็ก็ ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรค่ะหมายถึงเราก็วางใจกลางๆว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ก็ต้องไปปฏิบัติทุกวันค่ะใช่ทำให้อย่าอย่าเลิกทำก็แล้วกันทำให้ค่ะไม่เลิกทาค่ะแล้วทําแก็ตายก็ตายทำวันสองวันแล้วก็หยุดทําแบบเตาดีกว่าเตาทำไปเรื่อยๆมันไม่หยุดไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มี <c ười> จะเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรมที่ที่วัดป่าค่ะที่เคยบอกพระอาจารย์ทีนี้หนูไม่มีเคยบอกอนุนอนติดกาแฟกินกาแฟมากมากกวันละสามสี่แก้วเราต้องเป็นคนที่ปวดหัวมานานมากเป็นเหมือนนอกประจําตัวค่ะเป็นไมเกรนแล้วก็กินยาไม่เรื่อยเื่ตั้งแต่มอห้าจนถึงปัจจุบันเนี้ค่ะก็เลยอ่ะไปวัดป่าแล้วเราไม่อัดให้ลำบากวัดหรือลำบากครูบาอาจารย์งั้นหักดิบกาแฟเลยค่ะตั้งใจตอนนั้นก็จะไมลดเปลี่ยนใจ หักดิบไปเลยค่ะก็ปวดหัวอยู่สามวันหลังจากนั้นก็มาหักดิบ<ช>ยาต่อค่ะค่ะปกติกินยาเยอะก็เลยแลิกก็ลองเลิกดูว่าแต่ว่าถ้าปวดปั้งๆจริงๆก็ค่อยจะกินแต่ว่าถ้าปวดแบบเท่าๆเดิมเนี่ยจะไม่กินก็หลังจากที่พอตั้งใจแล้วค่ะเหมือนก็ไม่ไม่ปวดหัวเลยค่ะตั้งแต่ที่เราแบบโอเคว่าจะไม่ไม่กินแล้วนะแล้วกาแฟก็มไม่ปวดไม่ ปวดหัวมากเหมือนสมัยก่อนที่เราเลิกค่ะรู้สือว่ามันสบายขึ้นใช่เหมือนเป็นเรื่องจิตวิทยาเรื่องของกิตคะเหมือนเราเราสติตัดัต้งใจแล้วมีสติค่ะแล้วก็ถ้าจะปวดหัวก็มานั่งสมาธิค่ะอืมได้เหมือนกันนะวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องทําจิตให้สงบค่ะเหมือนอาจจะเป็นคลื่นสมองที่เราเป็นคนอาจจะคิดเยอะหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าได้ยิน คืนเข้ามากระทบง่ายหน่อยก็ปิดหัวง่ายค่ะแล้วก็ในชีวิตประจําวันค่ะตอนนี้เริ่มมันก็อมองเห็นแบบอ่ถ้าเราเห็นอะไรที่สวยเราเริ่มมีสติว่าอ๋อสวยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ลาไปเดี๋ยวมันก็ห<ป> เ, เหี่ยวเห็นอะไรไ<ป>ที่เรามันจะชอบแล้วนะอ๋อเดี๋ยวมันก็เหี่ยวก็หลุดไปก็เลยค่ะมันไม่เที่ยงแล้วก็สิ่งของที่เรามีแล้วเราคิดว่าเราไม่น่าจะได้ใช้ค่ะ ก็เริ่มให้คนอื่นเอาไปเลยถึงมันจะมีมูลค่าเอาไปเลยไม่ได้ใช้อต่เนี้ยค่ะวันว่าไม่ยึดติดไม่ห่วงไม่ตันิเริ่มเริ่มรู้สึกถึงคํำว่าพอแล้วก็เริ่มมาฝึกเหมือนของพระอาจารย์คือจะพยายามใช้เงินให้น้อยลงไปเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าไม่จําเป็นไม่ได้ที่ต้องซื้ออะไรก็ไม่ใช้่ถ้ามันจะเป็นอย่าไปใช้มันจะได้ไม่ต้องอามากจะได้จะได้มีเวลาปฏิบัติมากขึ้น ค่ะเผื่อเราอยากจะลิฟออกไปจะได้ลีฟไนได้เร็วขึ้นไม่งั้นเลยต้องหาเงินไปเรื่อยๆค่ะจวไม่ขอใช้ทันทีไม่เคยพเหมือนมันต้องตอบว่าตั้งใจว่าอายุเท่านี้จะจะเกษียณนะแล้วพอต้องใช้เงินเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวทํางานท่องขึ้อีกหนึ่งเดือนพอมาใช้เงินอ่ะอินเทเะไรเงี้ยเออเราจะได้ออกไม่น้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาใหม่ค่ะก็เลยลองในเรื่องส่วนของตัวเองเนี่ยถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้อง ใช้เงินมากนะอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ไําเป็นแต่ถ้าเป็นเรื่องช่วยพอดีพอ ช, ช่วยได้ก็ช่วยเศรษฐกิจพอเพียงอย่างในหลวงเราได้หรือเปล่าค่ ะ, คะเริ่มเริ่มทําเหมือนกันค่ะให้คุณพ่อทำแล้วเราไปเก็บมีปลูกอะไรพวกนี้แล้วเราเป็นคนกินไม่เยอะหยุดเราด้วยค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะไม่ลำบากมากนะักแล้วก็เริ่มรู้สึกพอมากขึ้นการเที่ยวเตะอะไรหรือว่าการต่างสรรกับเพื่อนก็น้อยลงอะไรเงี้ยค่ะการไปเจอการทํากิจกรรม ก็ลดลงค่ะก็บอกเขตรงตัวไม่ทําแล้วพอแล้วกิเลสน้อยลงอย่างเี้ยเละกิเลน้อยลงนะเพราะกิจกรรมแบบนี้เป็นกิเลกิจกรรมของกิเลทั้งนั้นค่ะเราก็เหนื่อยด้วยค่ะพอออกไปเยอะเราก็เหนื่อยกลับมาเราก็รู้สึกว่าเวลาของเรามันหายไปอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่จําเป็นก็ก็ไม่ออกยกเว้นงานสําคัญไปให้กําลังใจเพื่อนก็ก็ไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ ประมาณเนี้ยค่ะก็ยังปฏิบัติเรื่อยๆอยู่ค่ะอาจารย์ยังพยายามอยู่ค่ะไ ม, ม, มะ่มีคำถามนะคำถามโน้โน้มีคําถามอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของการที่แบบตามจิตจิตเห็นว่ามันเกิดดับนะคะ่ะไม่เข้าใจคําว่าคนที่เห็นเขาเห็นลักษต่ของจิตเกิดดับเป็นยังไงทําไมเขาถึงเห็นแบบว่ามันเกิดขึ้นเร็วหักอะไรเงี้ยค่ะก็กสงสัยมา เ, ยเลยค่ะเท่ากับจิตในที่นี้หมายถึงอารมณ์อารมณ์ในจิต เราเกิดดับกดแป๊บเดี๋ยวก็ ด, ดับไปละดีใจแป๊บเดียวก็หมดไปล้วเสียใจแป๊บเดียวก็หมดไปไม่มีอะไรอยู่ได้นานในจิตใจอือถ้ามีสติ ด, ดูมันจะเกิดดับเกิดด<ๆ>ับน<ๆ>ี้ไปเรื่อย คือไม่ใช่ดวงจิตตุ๊ดตุับอะไรที่เขาจินตนาการเอ้ก็เห็นขนาดนั้นเลยเหรออะไรย่างเงี้ยไม่ไดูอารมณ์ความจริงความหมายก็ดูอารมณ์ถ้าก็ดูดวงจิตก็แสดงว่าเขาจินตนาการไปคือก็อ้เห็นจิตที่เขาบอกว่าเกิดสิตดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเร็วแล้วจิตนั้นจินตนาการไปแล้วไม่ดูจิตมันไม่ดวงเดียว จิตพูรู้นี่ยแ้วมนมันมูนมันมันมันม่นมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมนมันมันมันมันมันมันมหรมันมรนมันมันมันมันมันนมัามันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันไันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมัันมันมันมััมันมันมันมันมัมันมันมนมมันมันมนมันมันมานมันมันมันมันมันมมันมัอมัมันมัอมันมมันมันมันมันอัมันันมันมมัมันมันนันมัน ก็แล้วแต่สติของเราแล้วแต่การการปฏิบัติของเราถ้าเราถามีสติปัญญามากมันก็จะเปิดปุ๊กระดับปุ๊บไปเลยไม่มัไม่แยแสเลยอ่าแล้วก็อุเบกขาก็จะเห็นแล้วเป็นอุเบกขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีอารมณ์บวชในโลกมันก็จะว่างจิตมันก็จะว่างเฉยๆไม่ค่อมีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนอารมณ์แปดปวนจะมีน้อย ถ้ามีสติมากมีปัญญามากมีสอุเบกขามากมันก็จะว่างมากค่ะเพราะว่าตอนแรกงงว่าเอ๊ะนั่งสมาธิยังไงเห็นขนาดเอ๊ะนั่ง น, นั่งยังไงถึงเห็นจิตอะไรเงี้ยค่ะ<า>หนูก็เลยงงบา ง, งทวนั่งไม่ต้องการให้เห็นอะไรใหถ้าเห็นพุโทโธแล้วเห็นน ม, น ม, มเห็นนมอย่างเดียวเพื่อใจิตว่างจิตสงบอ แต่ถ้าตามนี้นคือมีไหมถึงนี้สติเห็นเห็นอารมณ์เกิดดับใช่ไหมคะก่อนจะเห็นอารมณ์นี่หมายถึงเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วไม่ไทาอะไรเดี๋ยวก็เห็นอารมณ์ก็เกิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดีเดี๋ยวก็เบื่อหน่ายบ้ากเดี๋ยวก็ดีใจมากเดี๋ยวก็เสียใจบ้างอย่างนีน้อารมณ์นี่มเกิดดับเกิดดับไปดูนี่คือธรรมชาติของจิตอย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็จะไม่วุ่นวายไปกับมัน อ่าไม่ต้องไปจัดการอะไรมันแค่เห็นมันก็ปล่อยมันเกิดดับแล้วเราก็ไม่ไปสร้างอ่าอ๋อค่ะงั้นเข้าเข้าใจแล้วค่ะตอนแรกเออเรานั่งสมาธิเก่งจังเลยเขาเห็นแบบดวงจิตอะไรเงี้ยค่ะโอเคนะมีตอนี้นะเข้าใจมากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะ่คเป็นแก๊สอิเลนจากนอร์ทแคโรไลนา ในวันสักการะพระอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรไหยสบายดีสภาพา เ, ออเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโยมนั่งสมาธิดูลมหายใจเจ้าค่ะแล้วก็ก็ดูลมหายใจตลอดนะเจ้าคะแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยมันจะมีรูปภาพที่มาขึ้นมาในดวงตาของเราข้างขวาเป็นรูปภาพกําลังเดินบินธบาดแต่โยมก็ไม่ได้เอาจิตไปยึดนะเจ้าคะโยมก็ดูลมหายใจอยู่เรื่อยๆพอภาพนั้นดับไปปุ๊บก็จะมีภาพคนถือศีล โยมก็ไม่ได้สนใจโยมโยมนึกถึงที่ว่าอาจารย์สอนว่าให้ดูแต่ลมหายใจอย่างเดียวอืแล้วเจ้าค่ะแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกไม่มีละมันก็อาการของจิตมันก็เด็ดขึ้นมาถ้าเราไม <c oughs> ่สนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไปเจ้าค่ะเราไม่ต้องการเห็นอะไรแต่ถ้ามันมาก็าไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปอยากให้มันไปแล้วก็ดูลมไปเฉยๆไปเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองเจ้าค่ะ ไม่มีอะไรไม่ต้องให้ไไมม่ีอะรเราต้องการความสงบความว่างความนิ่นของจิตนะเจ้าค่ะแต่พอลมหายใจหายไปเนี่ยโยมก็พยายามรู้ว่าอันนี้คือเราไม่สามารถสัมผัสในลมหายใจได้แล้วโยมก็ได้แต่ว่ารู้อย่างเดียวว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเจ้าค่ะโอเคมีคำถามไหม ไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะอืมตอนนี้อยู่อยู่คนเดียวอยู่กับลูกอยู่กับลูกสาวเจ้าค่ ะ, ะต้องกลัมาทั้งสองคนเลยคนเดียวคนเดียวจ้าค่ะอีกคนหนึ่งเขาไปทํางานที่ทหารเจ้าค่ะอ่านี่โอเคนะอย่างนี้ไปที่ท่านต่อไปคุณปรางาคุณปรางว่าอะไรจากสีดาชากลัแบบนมัสการค่ะพระอาจารย์ มีเมื่อวันจันทร์ที่ไปฟังธรรมที่หน้ากุกเตี่ยค่ะที่ยมฝากคําถามก็คือเรื่องการอธิษฐานที่ยมสอบถามว่าการยมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่ายมจะสวดมนต์วันละเก้าจบอะคะ่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่ยยมเคยตั้งตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าเออยมจะสวดมนต์ตลอดเวลาที่นึกได้ปรากฏว่าที่ผ่านมาคือเวลาเรานึกได้คือเป็นช่วงทํางานช่วงประชุมค่ะก็เลยทำไมได้ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นเก้าจบทีนี้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่มันสามารถทําได้ไหมะได้มันปรับได้ปรับความตั้งใจนะถ้าตั้งใจกล่าวทําไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่อืมคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนลังเลหรือว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถทําได้แล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่คือ ม, มันก็มีส่วนนะแสดงว่าเรายังโลเลยอยู่ตั้งใจแล้วแต่ก็ทําไม่ได้เราก็เลยต้องปรับลดขนาดลงเราตั้งสูงไปทําไม่ได้ก็ปรับลงมาให้มันเหมาะสมกับกําลังของเราค่อน ปรับได้แต่เราให้รู้ว่าตอนนี้จิตเรายังไม่ไม่แ น, แน่วแน่กับความตั้งใจฮะรับถ้าแน่วแน่มันไม่ต้องปรับใช่ไหมพอจ้างอะไรบล็อก็ทําตามที่เราตั้งไว้ได้เสมอไปครับอย่างตอนที่รอถวายถวายอาหารฉันเช้าค่ ะ, ะก็ระหว่ังรอยมก็นั่งก็นั่งสวดไปปรากฏว่าก็เกินเก้าจบแล้วก็สวดต่อไปเสดไปเรื่อยๆก็ตั้งแบบหลงหลวงไม่ได้ว่าว่างเมื่อไหร่ นึกถึงด้งานเ่อไหร่ก็สวดก็ได้ตั้งแบบนี้ก็ได้เวลาไม่เวลาเวลาดูเฉยเฉยไม่รู้จะทําอะไรพอนึกได้โอ้เราจะสวดบนนี้ตั้งไว้ว่าจะสวดบ น, นมีเคยตอนประชุมอค่ะ<ม>ก็นั่งสวดกําลังรอประชุมอยู่ก็สวดสวดไปปรากฏเจ้านายถามก็ตกใจมาหลังแล้วโอ้ยงั้นก็ตั้งใจทํางานก่อนแล้วเวลาว่างๆจริงๆค่อยสวดใช่จะรู้จักแยกแยะเวลาถูกต้องค่ะนะ ทีนี้พอเวลาที่โยมปฏิบัตินะคะโยมก็จะเอากลับมามาพิจารณาคือเมื่อก่อนเนี่ยปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าเอามาแล้วเพื่ออะไรพอพอโยมมาเจอปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาบคุคคการจัดการความอยากการจัดการความโกรธที่เคยเรียนถังพระอาจารย์นะคะพอเอากลับมาดูปุ๊บเราก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นบททดสอบอย่างเช่น เ, เมื่อที่ผ่านมาคือเรา ทดสอบไม่ผ่านเราทดสอบผ่านมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าอ๋อไอ้ความทุกข์เนี่ยพอเราได้ลองปฏิบัติพว๊บเราเอาลองมาจัดการมันก็สามารถที่จะทําให้เรารู้ว่าตอนเนี้ยเราอยู่ระดับไหนถูกต้องไหมเจ้าค่ะถูกต้องก็เหมือนกับเรียนหนังสือเวลายังไม่สอบเราก็ทำการบ้านไปก่อนแล้วพอไปสอบเราก็จะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านก็ต้องกลับมาทำการบ้านเพิ่มขึ้นใหม่ สติน้อยไปสมาธิน้อยไปปัญญาน้อยไปมันก็สับสนเมื่อวันจันยมก็ก็มีเหมือนโมโหอะค่ะแล้วก็ดุพนักงานไปซึ่งพนักงานคนนั้นเขาเป็นคนที่เอ่อบกมีความบกพร่องทางการได้ยินพอยมดุแล้วก็โมโหโมโหเขายมกลับมานั่งที่ห้องทํางานอะยมก็รู้สึกว่าเสียใจก็เลยคิดว่าเอองั้นต้องไปขอโทษเะละแล้วก็ต้องปรับวิธีใช้ใหม่ก็คือ นำเรื่องที่ปฏิบัติลองไปค่อยๆแก้ทีละเคสทีละเคสจนวันนี้ค่ะโยมก็รู้สึกว่าโยมมาถูกทางละน้องๆในออฟฟิศเขาก็รู้สึกว่าดีดีดีใจที่โยมค่อยๆใจเย็นในการสอนงานทำงานกับน้องๆอืดีทำม า, าเป็นของเย็น อ, อ, อีกตัวหนึ่งจริงๆโยมคิดอยู่ว่าจะกล้าถามพระอาจารย์ไหมถ้าถ้าคำถามมันมันไม่สุภาพไหเจ้าคะที่พระ ที่มีอญาติญาติผู้หญิงหลายๆคนกกังวลในเรื่องของการที่จะต้องทําหน้าที่ภรรยาเงนี้ยค่ะทีนี้พระอาจารย์เคยสอนมาแล้วค่ะว่าก็นึกซะว่าทําหน้าที่หรือว่าคิดว่าเป็นโสเพนีอะไรเงนี้ยค่ะออ่าก็ทําหน้าที่โสเพ น, นีเขาก็ทําหน้าที่ครับขาก็ไม่ได้ไปยินเขาก็ไม่ได้ไปยินดีอะไร ทำเสร็จก็เสร็จไปผ่านไปรับเงินมาก็จบเราก็รับเงินจากสามีทุกเดือนสามีให้เงินช้ก็โอเคค่ะตอ น, นเรายอมเคยพิจารณาอสุภะก่อนท่องไปแบบท่องไปเลยคะ่ะตั้งแต่ผมขนฟันเล็บเลื่อยไปเลยคะ่ะเลื่อยทุกร่างกายไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเออมันมันก็ เป็นอุเบกขาหมอะไรครัะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเรา่อยมันทําหน้าที่ของเขาไปแล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปก็แล้วแต่ไม่มีอารมณ์ก็จะ ม, มีแต่กิริยาไม่ใช่เหมือนพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านทําอะไรท่านทําด้วยกิริยาท่านกินข้าอาจจะคิดว่าท่านกินด้วยความอะไรเลยตะลายแต่ท่านท่าก็เป็นกิริย า, ยาใจท่านไม่ได้อาลัยตะลายไปกับการกินอะไ ร, รเวลาด่าคนท่านก็เป็นกิริยาหนงตามาบูรังทีด่าลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์นี่ ท่านไม่มีความโกรธในใจแต่ดูจากภายนอกมนโอ้ท่านโกรธแค้นโกรธเคืองมากเลโอ้ตอนนั้นโยมเห็นในคลิปอะค่ะที่มีพระท่านหนึ่งท่านถือผาทาน ม, มาแล้วขอให้หลวงตาท่านอยู่ชั่วงกับชั่วกันอะ โ, อโดนเลยโดนใส่เลยใช<ม>่ไหแต<อ>่ท่า น, นพูดด้วยเหตุด้วยผล<ม>ท่านสอนสอนธรรมะแต่ท่านสอนแบบตรงไปตรงมาแบบขึงขังตึงตัง แต่เป็นเพียกิริยาแต่ใจถ้าไม่มีความโกรธเ่าเหรอกอืคนก็ทําทหน้าที่แบบนั้นแต่คนก็ทําหน้าที่ไแปบบแต่ใจไม่มีอารมณ์กับการทําหน้าที่มันก็จะได้ไม่ไม่เป็นกิเลสเป็นวิการทํางานถือว่าสัปดาห์นี้ยมหน้าจ้า ผ่านไปได้ดีๆๆค่ะแต่ว่าอาจจะต้องค่อยๆฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆค ถ, ถือว่าที่ผ่านมาก็มีประโยชน์มากมากๆเลยค่ะทำไปเจอถ้าปฏิบัติแล้วมันไม่มีวันจบเนาะก็ต้องทำไปเรื่อยๆเพราะมันดีกับจิตใจค่ะค่ะจะไม่อยากจะเหมือนจะไม่อยากห ย, ยุดปฏิบัติมันก็ปฏิบัติไปใช่ไหมจะมีกิเลสไม่มีกิเลสมันก็จะปฏิบัติไปมันจะค่อยดูแลใจไปเรื่อยๆตลอดเวละ โอเคนะเนี่ยไปที่ท่านต่อไปคุณจีราพาเชิญมาจากที่ไหนเข้ามาครั้งแรกหรืออันนี้รู้ก่อนเข้ามาครั้งที่สองค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คนแก่ยุติคอนแก่นี่ออกคนแก่นะสองพี่น้องในวันนี้มาคนเดียวคนเดียวค่ะอืไม่มีอะไรจะถามแวะมากับพระอาจารย์เฉยๆค่ะออได้บอกที่เรียนอยู่ที่มาขอใช่ไหมอจุลาค่ะพระอาจารย์แต่ละนี่เรียนออนไลน์ค่ะอืม โอเคไม่มีอะไรนะโ okay. อเคคนมือดีตาวันนี้มาพวอภาษาไทยชอ่องภาษาไทยเมื่อคืนนี้ไม่ได้มาเลยเมื่อคืนทะเลทะลายคะ่ะพระอาจารย์มัวจะคุยกับเพือ่อนขอโทษด้วยค่ะมาวันนี้แทนเอาพระาขอาจารย์ค่ะคือหนูอยากจะสอบถามว่า พอดีทางสำนักพิมพ์ที่รู้จักกันนะค ะ, ะ, คะเขาฝากมาถามว่าที่วัดวัดยามีพระมาบวชศึกษาหลายท่านไหมอะค่ะพอดีเขาพิมพ์หนังสือ 45,000 ภาษาของพระพุทธเจ้าที่นิพน์โดยสมเด็จพระญาณสังวรนะคะเขาอยากจะนำมาถวายพระที่มาบวชนะคะในฝากถามมาะคะ่ะก็มีบวชเรื่อยๆบบวชเรื่อยๆมีอยู่ อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็มีมาบวชคนสองค น, อ, งคนอะไรบวชถ้าต้องการก็ไปถวายเจ้าวาดเพราะเจ้าวาดก็เป็นคนรับพระบวชเจ้าค่ะอย่ามาให้เราเพราว่าเราไม่ได้รับพระบวชได้เจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนูจะไปบอกทางสำนักพิมพ์เดี๋ยวเขาจะเขาอยากจะส่งไปสี่ไปให้อย่างเงี้ยค่ะ้จะส่งไปที่เจ้าวาดวิญญาณสุนทรรามเลยได้ค่ ะ, ะหรือเดี๋ยวหนูไปติดต่อทางเฟซบุ๊กทีหนึ่งค่ะ <Okay. S 2> ทางค่ะเอาพระอาจารย์ขันเดหนูขอข อ, ขอถามส่วนตัวนิดนึงค่ะเอ่อพอดีหนูกับทางครอบครัวอยากอยา ก, อยากถาวายเหมือนแฟลชไดรฟ์ให้ให้พระอาจารย์นะคะที่ที่พระอาจารย์แจกให้ลูกศิษย์ทั้งหลายะคะ่ะถ้า่าหนูซื้อแฟลชไดรฟ์ไปถาไวายหนูควรจะก๊อปปี้ไฟล์ธรรมะแบบใส่ลงไปไห <ป S 1> มทำ ไ, <ป S 1> ได้ทำได้ทำได้ดีกว่าได้ค่ะจะเติ้งเติ้งไว้ว่าเป็นของปีไหนไป ได้ก็คือเดี๋ยวหนูก็อปปี้จากแฟกซ์ที่หนูได้มาจากพระอาจารย์ลงไปให้หมดแล้วก็ให้ใส่ซองให้เรียบร้อยเลยใส่ซองได้เลยที่เกินหนาว่าเป็นของพิเศษได้ค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปทํามาค่ะแล้วทางเราจะได้แจกได้ทันทีไม่งั้นเราต้องต้องมาทํากันเราก็ไม่มีทั่วทใหญ่บุคลากรไม่มีบุคลากรใช่ค่ะได้ค่ะนั่นเดี๋ยวมาทำได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้ทําให้เสร็จเรียบร้อยไปเลยค่ะพระอาจารย์ เออแล้วก็หนู ห, หนูขอในแยกขอขอคุณหล้าขอช่วยสง่งเบอร์ติดต่อ ข, ของคุณตุ้มที่ทําอาหารถวายได้ไหมจ้ะคะขอบคุณค่ะแค่แค่นี้ค่ะวันนี้สาธุค่ะพระอ<ห>าจ<ห>ารย์คนนุ่งที่ว่าเชิญคนนุ่งท่ว่ามีอะไรไหมใน ม, ม, มินเร์การจะถามพระอาจารย์ที่นี่เหมือนเดิมค่ะ มาเฝ้าตั้แต่ต้นึ้อรอ่าเพิ่งเข้ามาครึ่งชั่วโมงอะค่ะอาจารย์่ชวโงอเคได้ดีจะได้ไปเร็วๆหน่อยเพราะนี่สองชั่วโมงเข้าไปาแล้วยังมีคนลอ ย, ยอีกเยอะอ่าคุณเฟิร์สเชิญคุณเฟิร์สีมาจากที่ไหนสวัสดีสวัสดีกรับนระันส ก, การพระอาจารย์นะครับ อ, อ, อยู่ที่ไหนบ้านยุกอยู่ที่กรุงเทพครับกรุงเทพนะมีอะไรไหม ก็ฟังพระอาจารย์บ่อยมากเลครับแต่ไม่ค่อยได้ถามครับวันนี้อยากถามพระอาจารย์เรื่องสมาธิครับว่าตอนนี้ผมเหมือนกับว่ายังไม่เข้าใจครับสมาธิจริงๆแล้วคืออะไรคือสมาธิคือความสงบนิ่งของจิตเนี้ยในกาเข้าสมาธิได้ต้องใช้สติพาเข้าสติก็คือการระลึกอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์หนึ่งเพื่อไม่ให้ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องต่าง เช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธดูดู ด, ดูดูลมหายใจเขาออกถ้านั่งก็ดูลมหายใจเขาออกก็ได้หรือพุโทโธก็ได้แต่ถ้าเวลายังไม่ได้นั่งเวลาเจะสติก็ใช้พุโทโธตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธ ไ, ไปในใจแข่งกับความคิดอย่าปล่อยให้มันคิดความแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันมีปัญหาอย่างหนึ่งครับอ า, าจารย์เวลาเริ่มจะทําสมาธิ มันเหมือนเขาว่าอารมณ์มันจะเริ่มบีบเราครับมันจะไม่เรอไอม่กิเล็มันเป็นเรื่องของกิเล็ดไม่ต้องไ่สนใจมันจะอึดอัดอะไรเงี้ยครับว่าอะไรเกล็ดสมานกิเล็สมาธแล้วเราจะต้องนํางดูหนังเวลานั่งดูห น, น, นังไม่อึดอัดเลยว่าสมาธิแป๊บแรกเกิดอาการไม่ต้องไปสนใจสวดมนต์ไปก่อนถ้ามันยังอึดอัดอยู่ก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนแล้วนั่งฟังธรรมนี้ไปก่อนครับไป เมื่อกี้ไปท่านหนึ่งก็บอกว่าเวลานั่งสมาธิบางทีนั่งไม่ได้ก็เลยเปิดธรรมะฟังไปก่อนพอฟังสักระยะแล้วจิตมันเริ่มสงบไนดะ้ทีนี้มันก็ไม่อึดอัดนะแล้วแล้วผมจะเป็นอีกอย่างคือว่าถ้าเวลานั่งสมาธิในท่าตรงอย่างเงี้ยหน้าท่าตรงแล้วก็นั่งขัดสมาธิแบบกดแบบปกติแล้วจิตมันจะมารวมที่กลางหน้าผากของอาจารย์แล้วมันจะมันจะอึดอัดมากนั่นแหละถึงบอกว่ามัน ก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งไปนั่งสมาธินั่งสวดมนต์ไปก่อนนั่งฟังเทศฟังธรรมไปก่อนจนแบบจิตจะรู้สึกเย็นสบายแล้วก็ลองลองค่อยสมาธิตอ่อเพแาะว่าอย่างนี้แปลว่าแปลว่ากิเลสมันมันกิเมันต่อต้านกิเลสมัตนต่อต้านมันไม่ชอบแต่ถ้านั่งดูหนัง น, นั่งดูแล้วนี่มันอย่างอื่นนี่นั่งดันดูเป็นชั่วโมงนนั่งนั่งเล่นเกมนี่ใช่ครับอ่า เพรมันเพลิดกิเลสมันชอบเพราะมันต้องทำนะเอาไปนั่งทําในสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็เลยสร้างอาการดื้อดัดขึ้นมาแต่เหมือนกับว่าเวลาเวลาเราจะนั่งเราเหมือนกับว่าคิดในใจว่าเราจะนั่งแล้วนะพอเรานั่งมันก็บีบเลยครับเออก็อย่าเพิ่งนั่งก็นั่งได้แต่อย่านั่งเฉยๆสวดมนต์ไปก่อนได้ครับแล้วสวดไปสักพักรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ดูลมต่อเลย แล้วก็อยากถามพระอาจาย์อีกอย่างนครับเรื่องของอัปปนาพมาทีครับแล้วถ้าเราดูลมไปถึงไหนครับถึงมันถึงเข้าอัปปนาครับมันจะพาเข้าไปเองไม่ต้องไปกังวลก็อยู่กับลมไปแล้วกันมันเข้าไปมันตกลตกบ่อหรือมันเดินลงจากที่สูงลงไปสู่ที่ด่ำแล้วมันก็จะนิ่งสงบสบายนะแต่อย่าไปคาดนะอย่าไปคิดถึงมัน ให้อยู่กับลมไปโดนลงมาหายใจเข้าหายใจออกไปแล้วอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปในเวลามันจะลงมันลงมันเองครับแล้วแล้วสมาธินี่จริงๆแล้วคือเราทําแล้วเนี่ยต้องสบายใช่ไหมครับใช่จะความสุขมากๆสุขยิ่งกว่าโทุกตัรื่องมาที่หนึ่งครับมันจะต้องไม่อึดอัดแบบที่ผมเป<อ>็นไม่หรอกไม่ไม่เหมือนขึ้นสวรรค์ั้งเป็นอ่าขอผมเข้าใจแล้วครับอาจารย์ ความสุอื่นที่เนือกว่ความสงบไม่มีครับความสุขที่ดีที่สุดก็คือความสุขที่เกิดจากสมาธินี่โอเคนะโอเคครับสาธุสาวนรมาส ก, การครับคุณนาเรนแทนตากลับถึงบ้านแล้วเหรอ4ทุ่มกว่าแนละ้วค่าหลวงพ่อพอดีอาทิตย์ที่ผ่านมาเสียงค่อยไปหน่อยเสียงค่อยไปหน่อยอออได้ยินไหมคะ ใกล้ๆมาค่ะคือที่อาทิตย์ที่ผ่านมาหนูก็นั่งปฏิบัติก็ปฏิบัติทุกวันแต่มันมีบางวันค่ะหลวงพ่อมันนั่งเพินไปหน่อยค่ะเลยเลยเวลาทํางานไปไม่รู้ตัวค่ะหลวงพ่อก็คือนั่งแล้วแบบเอ๊นึกว่าแป๊บ <8 S 2> เดียวอะไรเงี้ยมันมันมันเลยเลยไปจนเก้าโมงกว่าแล้วก็ต้องตั้งนาฬิกาถ้า ม, มีงานต้องทำก็ต้องาาตั้งนาฬิกาไว้ตือนค่ะ นี่พอดีวันนั้นหนูไม่ได้ไม่ได้ตั้งแล้วแล้วเสร็จแล้วทีนี้พอมาวันเสาร์หนูรู้รู้สึกว่ามันนั่งหลวงพ่อครามันนั่งตั้งแต่ประมาณสักเจ็ดโมงสี่สิบจนถึงเก้าโมงคึ่งตอนกลางคืนค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่ามันดีมันสบายใจมันมันรู้สึกว่ามันมันเพลินประมาณเนี้ยค่ะหลวงพ่อ มันมันนานนานมากมากเวลามีความสุขเวลาเจ็สบสงบมันก็มีความสุขมันก็เพลินค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วทีเนี้ยพอถึงมันก็ไม่ไม่ง่วงนะคะหลวงพ่อเสร็จแล้วพอตีสามมามันตื่นเองค่ะหลวงพ่อหนูก็มาปฏิบัติอีกถึงตีสี่กว่าค่ะเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะหลวงพออง่อแล้วทีเนี้ยคําถามหนูคือว่าไอ้ที่เรานั่งนั่งนิ่งนานๆได้เงี้ยถือว่ามันเป็นสมาธิใช่ไหมคะหลวงพ่อมันถือว่านั่ง มันเป็นอุเบกขานะมันไม่รักชามโกนหรือมัไม่มันไม่มีอารมณ์มันไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยคือมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราเราอยากนั่งแบบเนี้ยให้ให้มันได้ทุกวันแต่ทีเนี้ยมันมันก็ไม่ไม่ได้ถ้าเกิดนี้มันไม่ได้เราถือว่ามันเสื่อมได้ไหมคะหลวงพ่อแบบเนี้ยก็แสดงสติเรามันเสื่อมวันนั้นสติไม่ค่อยดีไม่ค่อยต่อเนื่อง เรือเรามีเรื่องมุ่นวายใจมากมันก็เลยทําให้สงบยากอมีสองอย่างคือเรื่องราวต่างๆกับสติของเราพอวันสติเราดีเรื่องราวไม่มากไม่มีอะไรเรื่องราววุ่นวายก็สงบได้ง่ายอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นเป็นอัปปนาไหมคะถ้านั่งเรานั่งแบบนานประมาณเนี้ยค่ะถือว่าจะามันแน่นเฉยๆไม่ได้โตงแต่งได้นานก็สองสามวินาทีก็ถือว่าเป็นอัปปนาได้แล้ว อ๋อแต่แต่อันนี้แบบว่ามันมันเป็นเกือบสองชั่วโมงเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อแล้วมันรู้สึกว่ารู้สึกดีแต่ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยดีใจแบบอะไรนี้นะคะหลวงพ่อมันมันรู้สึกว่ามันดีก็ดีก็อาจจะยังไม่ไม่สงบเต็มที่มันยังไม่ได้เจอความสุบที่เหนือกว่าความสุบทั้งวกวงแต่ในใจลึกๆมันก็มันก็เหมือนแบบเหมือนจิ ต, ตมันบอกว่าอย่าปฏิบัติแบบนี้อีกแล้วพอ ตีสา ม, มันก็ขึ้นมาเองเลยหลวงพอ่อก็ก็นั่งอย่างก็ดีมดันเริ่มเกิดชั้นทะวิยะขึ้นมาเกิดในที่บาศีแนละ้วความยินดีในธรรมความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้ ง, ทงปวงนะพอลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงครับหลวงพ่อคะแล้วที่หลวงพ่อเทศเมื่อวันวันอาทิตย์นะคะเอ่อที่บอกว่าคนมีคนถามว่าแล้วคนที่จะ เข้าเขตพระโสดาวันอย่างเนี้ต้องต้องทําอะไรบ้างแล้วหลวงพ่อบอกว่าต้องละสักกายทิฐิใช่ไหมคะก็แล้วแล้ ว, ลวอีกสองอันน่ะ ท, ที่บอกว่ามิจชาความนํางใจ<ค>สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลธรรมพัปนารมา ก, การลูกคําในศีลอันอันเนี้ยอันที่อันอันที่สองกับสามเนี่ยหมายหมายถึงว่าไม่เชื่อว่าพระพระพระเจ้าพระพุทธเจ้ามีจริงอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช อันนี้จะไม่หายสงสัยพอมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตามันก็รู้ว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าคก็จะรู้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าคก็ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงคําสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงพาะอริยสงมีจริงหรือไม่มีจริงก็จะไม่สงสัยแล้วก็ไม่สงสัยว่าการรักษาศีลนี้รักษาไปเพื่ออะไร อ๋อคือหมายถึงว่ามีความอ๋อทําไปแล้วบอกไม่เป็นไรหรอกไม่บาปหรอกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะไม่มีแล้วจะไม่อะไรอะไรที่ที่ผิดศีลนี่จะไม่ทําโดยเด็ดขาดเพราะรู้ว่ามันจะทําให้เกิดทุกความทุกข์ใจหรืเกิดทําให้จิตตกไปในลบายเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อโอเคค่ะวันนี้หนูมีแค่นี้นะคะวันนี้นะโอเคสาธุจ๊ะ ก็ปฏิบัติไปนะอ่าหยุดนอย่าหยุดอย่าถอยอย่าเลิกค่ะหนูตั้งใจจนที่บ้านเขาจะบอกว่ามันเตงเกินไปหรือเปล่าม่ตงหรอกยอนเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้ากับพระเนะหนูยังยอนอย่มีความรู้สมันยังน้อยยังน้อยสัเล่นอยู่นนี้เปสมรเล่นอ่พระนิยสงพาะที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชาบท่าปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับให้เราได้แค่นี้ แต่หนูยังทําไม่ได้ขนาดนั้นออใช่ฉะนบอกเขาไว้โอ้ยอย่างนี้ยังยังหย่อนยั ง, ย, งยังไม่ไม่ตึงนะหลวหพ่อเวลาที่เรานั่งนานๆแล้วเรารู้สึกดีเนี่ยหลวหพ่อคือตอนที่ไม่มีคนมารบกวนเราเราจะนั่งตอนดึกตอนที่เขานอนกันหมดแล้วมันรู้สึกว่ามันสงบสงบดีมากใช่่เวลานั่งสมาธิต้งหาที่ที่สงบกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกง่ายค่ะ นอนเขานอนกันหมดเรารู้สึกเราปฏิบัติได้ดีไม่มีใครมารบกวนเราอะไรเงี้ยคะ่ะดีเวลาเขาเตื่นแล้วก็ไปนอ น, น, อนเราก็นอนเราก็ตื่นขึ้นมานั่งสมาธิของเราต่อค่ะหลว ง, งพ่อค่ะเดี๋ยววันวันเสาร์เนี้ยหนูจะไปที่บอกหลวงพ่อไว้เมื่อพูดที่แล้วค่ะทีเนี้ยหนูหนูก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดแบบเราไปนั่งอยู่คนเดียวเนี้ยก็ไม่เคยไปอยู่แบบอย่างนั้นไม่รู้มันจะกลัวหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อ ก็ลองดูเลยไปทาข้อสอบนะหรือว่าถ้ากลัวก็ยังก็ยังสอบตกอยู่แล้ว้าเรากลัวอะไรกลวอย่างมากก็แค่ตายพยายามตายแล้วมันก็ไม่กลัวแล้วกลัวกลัวคนไงหลวงั่อก็นะก็คนนะมันจะทําอะไรเราอ่ะอย่างนั้นมันก็ฆ่าเราแค่นี้ถ้ามันไม่ฆ่าเราก็มันจะน่ากลัวไหนฆ่าเราอ๋อถ้าเรายามตายแล้วนี่ยมันจะไม่กลัวอะไรนะมันจะทําอะไรก็ปล่อยมันทำไป ถึงเวลาเราจะตายกันก็ห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะข่มคืนเราก็ห้ามมันไม่ได้ปล่อยมันทําไปแล้วก็เป็นโซไปดีชั่วข้าวไปแก็ลหลวงพ่อขออย่านนเชย อ, อย่าง น, น, นอนเฉยๆไม่ต้องไปต่อสู้กับมันหลวงพ่อขออย่าเชืออ่อแหวนะลยอ่าถ้าไม่ห้ามได้เวลาจะเกิดก็ลองเกิดใช่ไหมแล้วปฏ <laughs> ิบัติธรรมหลวงพ่อที่จะรั บ, บววลวพมสุขสบาย ถ้าเกิดอะไรขึ้ น, นบนเขาน้องหลวงพ่อมันร้องหาไข่ไม่ได้เลยนะคะ ห, หลวงพ่อก็นั่หลให้พึ่งตัวเองไงไม่ให้ไปพึ่งใค ร, ลรแล้วค่ะหลวงพ่ออตติอตัตโนนาถูสติปัญญาเนี่ยเปนที่เพื่งของตนอานิจจังร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ช้าก็เร็วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับมันสักอย่างค่ะหลวงพ่อนะค่ะโอเคนะค่ะกับนมันการกลับขอบว่าคุณหลวงพ่อนะคะ เชิญคุณสลินทอนรอมานานแล้เนะสลินทอนวันนี้ไม่ทํำงานเลยนมัสการหอมกันวัส ก, การค่ะยมวันนี้ยมมาเติมน้ํามันค่ะพระอาจารย์ก็<笑><笑><笑>ยังคงปฏิบัติอยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ยมนอนน้อยเพราะว่าบางทีก็กว่าจะเข้านอนก็ตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งแล้วก็ตื่นหกโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่สำหรับคือด้วยความที่หยุดปฏิบัติไม่ได้อะค่ะพระอาจารย์ คือสมมติว่าดึกแค่ไหนก็ต้องมาปฏิบัตินะคะแสดงว่ามันตืดลมนะตื่นลมถ้าเป็นว่ามันแล้วก็จบลงมาค่ะมันแต่บางทีมันเหนื่อยเหนื่อยก็ทำแล้วที่เราทําได้ทำเยอะมากมันอยากจะหลับก็พอมันอยากจะหลับก็พักก่อนใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วบางทีหลับไปสมมุติว่าหลับไปแล้วหกโมงก็ตื่นมาใหม่มานั่งทำใหม่อย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนกับว่าเวลามันน้อยลงเราต้องเร่งทําให้มากขึ้นเราก็ต้องแบ่งเวลาให้มากขึ้นด้วย ค่ะ<ม>ก็ถ้าวันไหนไม่ไหวโยมก็ทําน้อยหน่อยอะคะ่ะพระอาจารย์<ม>แล้วถ้าวันไหนไหวโยมก็ทําหลายรอบหน่อย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็ทําเท่าที่ทําได้อะคะ่ะพระอาจารย์ <c oughs> แล้วพอ <c oughs> ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นอะคะ่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าความคิดที่เกิดขึ้นมันจับได้เร็วขึ้นแล้วมันก็อ ย, อยู่อยู่ภายในตัวเราเนี่ยได้ได้นานขึ้นนะคะ <c oughs> แล้วเวลามันถอนออกมามันถอนออกมาเราก็จั จับได้ไวขึ้นนะคะจับแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธจนจนได้ได้ได้ดีขึ้นแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เรานั่งลงไปเนี่ยมันมันหลับหรือว่ามันเข้ามันเข้าฌาหรือมันอะไรบางทีก็รู้สึกว <oct S 1> ูบกระหว่วาแสดงว่ามันหลัวทําไม่รู้ว่าแสดงว่ามันหลับถ้ามันไม่หลับมันจะแล้วอย่างตอนที่ถอนออกมาะค่ะอาจารย์คือตอนตอนนั้นมันอาจจะไม่รู้ตัวแต่ว่าพอพอถอนขึ้นมาแล้วเราก็รู้ตัวแล้วเราก็ปฏิบัติต่ออย่างเนี้ยค่ะอื <G ül üyor> ก็คือแสดงว่าเร า, าตื่นแล้วเราก็เราก็เรามาทำต่ออยางงันใช่ไหมคะทำมันธรรมะไจริจะตื่นตลอดเวลาไม่หลับอืมค่ะแล้วก็พอทำเสร็จแเราก็รู้สึกตัวเองนิ่งนิ่งนิ่งจนยงคิดว่ายงโชคดีที่ยมไม่มีปัญหาเรื่องเออเป็นเจ้ า, านายต้องไปคุยกับลูกน้องหรือว่าต้องไปทำอะไรให้คนอื่นลำบากใจ คืออยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างจะโชคดีที่ไม่ต้องไปทําให้คืออยู่กับตัวเองได้มากขึ้นแต่พอตัวเองมีเริ่มมีอุเบกขามันจะเริ่มเริ่มไม่สนใจอะไรอ่ะค่ะพระอาจารย์เริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีประโยชน์กับเราเราไม่ได้จําเป็นต้องไปเรียนรู้ไม่ได้อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมันทําให้การดาเนินสติของเราใช่ค่ะพระอาจารย์แต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของลูกอ่ะค่ะ ใช่เหตุผล<ะ>ค่ะเหมือนเขาเป็นวัยรุ่นแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเขาจะรู้สึกว่าทำไมยมไม่ให้ความสนใจของเขาในขณะเดียวกันยมก็บอกเขาว่าเราเรื่องบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็อย่าออกมาเป็นเรื่องของเราก็ทำอย่างนั้นแล้วตัวเราก็จะฟุ้งซ่านแต่เหมือนยมไม่รู้ใส่ความคิดทางด้านนี้ให้เขามากไปหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขายัางไม่ถึงจุด ที่จะเรียนรู้ไม่เป็นไรบอกเขาได้เขาอยู่ที่เขาจะรับได้ไม่ได้นั่นเองค่ะค่ะตอนนี้โยมก็คือความดีดีให้เขาเนีหยือนก็จะรับได้ไม่ได้เป็นเรื่องของเขาค่ะโยมก็พยายามพยายามสอนอย่าไปยัดเยียดอย่าไปบังคับอย่าไปอยากให้เขาคิดเหมือนเราทําเหมือนเราแล้วกันบอกแล้วก็จบเขาจะทําได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็เรื่องของเขาเลยค่ะค่ะโยมนี้ช่วงนี้ก็เลยนิ่ง นิ่งๆเฉยๆอนคะค่ะอก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะใช้ค่าพระอาจารย์ไม่มีเรื่องเป็นยังต้องพูดต้องมีปฏิกิริยากับใครก็เฉยๆอันนี้ค่ะพอบางทีเราฟังคนอื่นเรารู้สึกว่าโอ้คนอื่นเขามีอารมณ์ละแต่ทําไมเราไม่มีอารมณ์เลยทําไมเราเฉืเเราม่สด็จเขาไม่มีสด็ค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก yup ็ไม่มีอะไรอ่ะค่ะตอนนี้ยังทํางานที่บ้านอยู่ไม่ได้ยังทํางานค่ะยังทํางานอยู่ค่ะ แล้วก็ยงก็ไปฉีดยาสองเข็มเรียบร้อยแล้วค่ะก็เรียบร้อยเนาะยงรออยู่เนี่แล้วค่ะหวังว่าอันนี้เมืองไทยเริ่มจะระบาเมืองไทยเริ่มจะระบาดขึ้นเป็นร้อยวันละหลายร้อยหรือเพราะว่ามาขาดสุขาพนะคะโรงพยนี่ก็ออกมาตือนแล้วลากสีมาแล้วเราะมาตรการที่เข้มข้นของเรานี่เราผ่อนผ่อนตนไปหมดนะ อื ม, มาใช่ค่ะโยมก็ดูดูจังหวะเวลาและโอกาสที่เหมาะส ม, มค่ะพอาจารย์ก็ถ้าฉีดวัคซีนแล้วมันจะไม่ติดนะถ้าติดก็มันก็จะไม่ตายไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าค่ะใช่ค่ะก็เมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกว่าแล้วจะมีผลทันทีหรือเปล่าออก็อย่างนะคะต้องประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์หลังจากที่ฉีดเข็มสองถึงจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาแตสิบถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี้ยค่ะ แล้วเขาจะให้เราไปเราตรวจดูว่ามีภูมิมั้งบ้างก็ไม่ต้องไม่จำเป็นไม่ไม่จําเป็นค่ะแต่ว่าเขามีผลมีรีเสิร์ชออกมาแล้วว่ะค่ะว่าคือต้องก็เราก็ยังต้องคงป้องกันตัวเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ถึงจ ะ, ถ, งจะถึงจะร่างกายถึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาค่ะโอเคหลังจากที่ได้ฉ็อตที่สองที่ก็ได้ใช่ค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, คะก็ดีใจด้วยปอสบายใจแล้วันนม่ไม่ติดแล้วไม่ตายแล้ว แต่ก่อนหน้านี้โยมก็ไม่ได้กังวลนะคะอะย่างไม่ได้กังวลว่าจะต้องก็คือเราทําเพราะว่าควรจะทําให้เรียบร้อยท่านเองโอเคดีไปทำหน้าที่ไปใช่ค่ะพระอาจารย์กับนรมาส ก, การพระอาจารย์นะค ะ, คะท่านที่ยกมือว่าจะต้องรอคิวอ่ะนะทนนี้คิวยังไปไม่ถึงใจเย็นๆคุณทัทยาท่านต่อไปคุณทัทยาเชิญ อยู่ที่ไหนคุค่ะอยู่กรุงเทพค่ะมีอะไรัหยก็ก็ยังไม่มีค่ะอย่าฟังไปเรื่อยนะค่ะโอเคถ้าฟังไปเรื่อยจะได้ไปท่านต่อไปคิวใครเลยนอกจากคุณทัชยารู้สึกจะเป็นคุณหวานะคุณหวานค่ะคุณหวานเช่อยู่ที่ไหนคุณหวาน กับนวมัสการหลวงพ่อค่ะพูดดังหน่อยเบาเสียค่อยไปหน่อยกับนวมัสการค่ะอ่าอยู่ที่ไหนอยู่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่อ่ามีอะไรไหมค่ะอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะพอดีว่ากลัวผีอค่ะพระอาจารย์เวลาปฏิบัติกลางคืนเนี่คือปกติคือเลี้ยงลูกสองคนอย่างเงี้ยพระอาจารย์เป็นเด็กแล้วก็ต้องปฏิบัติกลางคืนนะคะ อล้ก็เมื่อกี้ก็ฟังในเฟซบุ๊กอ่ะแล้วก็หลับตาก็คือนั่งสมาธิไปเลยแล้วก็ไม่ไหวแล้วค่ะต้องต้องมาถามอาจารย์ว่าคือมันมีมัน ม, มีผีสองอยู่มีผีอยู่สองชนิดผีจริงกับผีหลอกเป็นผีผจริงไม่หลอกลอผีหลอกไม่จริงนะยาผีจริงก็คือดวงวิญญาณต่าง ๆ, ๆ, ๆเขาก็อยู่ไปตามเรื่องของเขาเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกอที่จะมาโน้มน้าวคือผีเอกคือเรเราหลอกตัวเราเองนะคิดไปเองอ พอเราอยู่คนเดียวปั๊บผีมาเลยใช่ไหม<ช>แต่เราอยู่นะเวลาอยู่ด้วยกันหลายๆคนนี่ผีไม่มาเพราะเราไม่คิดถึงมันเดี๋ยวเวลาผีมาก็ใช้พุโทโธกันทําพุโทโธพุโทโธก็้วส่วนมันไปแล้วเดี๋ยวพอเราหยุดคิดถึงมันมันก็หายไปเองดัง <c oughs> นั้นไม่มีหรอกแล้วมันทําร้ายเราไม่ได้ไม่ต้องกลัวค <c oughs> ผีจริงเขาไม่มาทาําร้ายเราหรอกมีแต่ผีหนอก <c oughs> ที่มันทําร้ายจิตใจเราทําให้เรากลัวทำให้เราทราุกข์ได้ เมืม่อเมื่อประมาณสองคืนที่ผ่านมาก็นั่งก็คือนั่งนะครับพยายามก็คือถ้าดึกๆตื่นมาก็แบบก็จะนั่งเลยเพราะว่าเวลาลูกกลับก็คือเป็นโอกาสทองก็คือแบบรีบนั่งพอนั่งเสร็จปุ๊อบออกกลัวผีก็ค่ะสักพักแบบมีเสียงป๊อกแป๊กอะไรมานี่เอาละคิดถึงว่าอาจารย์คิดก็ส่วนมันไุษย์เวลากลัวผีก็กส่วนนี้ตีปิสูจน์ไปาาแล้วท่เจ้าเราเกิดความกลัวขึ้นมาเราเลิกถึงพระพุทธประธานหรือก็สงฆ์ไปแล้าเดี๋ยวความกลัวก็จะหายไป ่ ย, ยอย่าหยุดเนี่ยเวลามีผีมาผีโก้ต้องพุ ท, ธทโธธรรมโสังโกพุ ท, ธทโธธรรมโสังโกไปทำไปจยยะเป็นยั่งเพราะว่าทุกครั้งก็คือหยุดทุกครั้งแหละครับแล้วก็วให้ด้วยว่าผีจริงเขาไม่มาทําร้ายเราแ ล, แล้วผีหอกมันไม่มีแล้วเราหลอกตัวเราเองขึ้นมาทําให้เรากลัวขึ้นมาเองเงี้่เส่วนนไปเดียวเดียวพอพอจิตหยุดคิดจิตสงบกว่าผีก็หายไปความกลัวก็หายไป จะพยายามค่ะกับพระคุณก็ดีอย่างความความกลัวนี้มันจะทําให้เราได้ได้ได้ปฏิบัติได้ได้เจริญสติได้สบายที่บางทีพระต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวเพื่อจะได้เจริญพุโทธโธธรมโสมโคลายถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยมันก็ไม่คิดถึงมันก็ไม่มีความรู้สึกกลัวอะไรเอมันก็ไม่ต้องพอนาะไม่ต้องพุโทโธแต่พอไปอยู่ที่มันน่ากลัวนี่มันคิดขึ้นมาเองมันมันก็ต้องรีบสวด สติอีติปิโสรหรืพุโทโธทำโมไปมันก็ได้สติได้สมาธิตามมาทันทีเอันด<ะ>ีแล้วหลักที่เรากลัวจะได้เราคับตัวอะไรให้พุโทโธพุโทโธไปเนื่เลยได้ค่ะอาจารย์กับขอกับขออีกหนึ่งคำถามคนะ่ะเเเชิเวลานั่งแล้วก็เวลาพอเรานั่งไปสักพักอะค่ะเราก็จะพุโทโธพุโทโธไปจิตมันใจมันจะสั่นติ๊กติ๊ก๊กเหมือนแบบ ใจมันจะวิววิวค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรยังไปสนใจไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยอ๋อแต่ถ้าเราไปจับตรงที่มันวิววิวนะฮะแล้วมันก็จะสงบบื้บขึ้นมาอะไรเงี้ยคะ่ะ<ก>แล้วเดี๋ยว<ด>มสมงมันจะคิดให ม, ม่คิดใหม่แล้วก็เดี๋ยวพอใจมันสั่นที่ๆก็จะไปจับตรงใจแล้วมันก็จะอืเงียบมันก็จะหยุดมันก็จะสงบเข้าไปอย่างนี้อันนี้คืออะไระคะก็สงบไงเราดัานมนเพ่อให้มันสงบถ้ามันสงบได้ก็ใช้วิธีนั้นก็ได้ ได้ใช่ไหมคะได้ไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่มีอะไรนะโอเคยเลยคุณสัญญาคุณสัญญาคุณสัญญาเชิญกดกดปุ่มกับนวัการะอาจารย์ครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนดีอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ปุมธานีครับผมมีอะไรไส่วนใหญ่ก็ฟังพระอาจารย์บ่อยๆนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้เข้ามาถามแต่ว่า ใครอยากอยากจะมีสักคำถามนะครับคือคือผมไม่เคยบวชนะครับแล้วเคยนั่งสมาธิอะไรตออะไรก็ก็ประสบความเด็กปวดรัศึกมาแล้วมันเสื่อมนะครับเพราะมันเสื่อมเสร็จแล้วทีนี้พอจะกลับมาตอนอายุมันมากแล้วน่ะมันเป็นโรคภัไข้เจ็บนะครับเป็นโรคปลายประสาทอักเสพนะครับที่บริเวณจมูกเนี่ยมันจะตึงจมูกอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาชั่วโมงสงบเนี่ยนะครับ ต้องนั่งประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถที่จะสงบได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยผลกระทบไปไปปวดหลังอีกก็เลยเหมือนกับผมรู้สึกว่าเป็นขันธมานนะครับก็ออพยายามพยายามตามถามครูบาอาจารย์หลายท่านนะเหมือนกันว่าเอ้ผมจะแก้ยังไงเพราะผมต้องทานยาด้วยเพราะทานยาแล้วมดก็จะงว่วงทานยาแก้ปลายประสาทเสษนะครับ ผมผมก็เลยทุกวันนี้ผมก็ยังพยายามนอนสมาธิจนหลับทุกคืนนะวันไหนที่ผมมีกําลังใจผมก็จะรัดเอวแล้วก็นั่งนะครับอืมนั่งแล้วจะใช้เวลาแบบไม่ต่อยกว่าสี่ชั่วโมงครับเวลาดูลมแล้วนั่งแล้วพุโทโธอคือถ้าวันไหนถ้าไม่ตึงมากผมจะดูลมแล้วก็พุทพุพโทโธไปด้วยถ้าถ้าวันไหนตึงมากผมจะพุโทโธทีทีทครับเอได้ถูกต้องใช้พุทโธไปแทนครับถ้าดูาาไม่ได้ก็ใช้พุโทโธไป ตอนสมัยบวชน่ะพระอาจารย์ผมเขาไม่เขาบอกว่าเราบวชน้อยนะครับเก็เลยสอนสมาธิไปเลยเลยยาวไปเลยครับเขาเลยไม่ได้สอนวิปัสสนาเสียดายมากเลยครับช่วงนั้นน่ะผม ต, ต, ติดติดติดสมาธิงอมแงมอะครับแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ยกจิตทำวิปัสสนาเลยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยว่าพอเร า, ะเร า, ะเราะจะมาทําเนี่ยมันเสียดายมากที่ว่าเฮ้ยเราเข้าสมาธิยากมากแล้วก็ใช้เวลามากสามสี่ชั่วโมงนั้นเดินทุกวันนี้เดินจงกรมช่วย ประมาณวันละชั่วโมงแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับเราเดินที่วัดนะครับเพราะบ้านมันติดกันเป็นบ้านจัดสรร น, นะครับกับงหวะที่เราทําได้ไปก็แล้วกันครับถ้ามีเวลาว่างก็ไปวัดบ้างก็ได้ครับผมเคยเคยไปกาปราบอาจารย์ที่วัดแต่ครับแต่ผมว่าเป็นคนไม่ชอบอยู่ข้างหน้านครับผมก็จะอยู่ข้างหลงังนะครับก็อยากอยากจะถามเรื่องเองนี้นะครับว่าว่าเราจะสามารถผ่านมันไปได้ยังไงนะในกรณีที่ที่ บางทีเนี่ยเราก็รู้อาการตึงอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจกับมันแต่ว่ากายไม่หายครับสมัยก่อนกายมันหายเวลามันเหลือแต่จิตดวงเดียวเหลือจิตสว่างเฉยๆตอนนี้มันอยู่ในสมาธิลึกนะครับอืมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เคยกายหายแต่ว่ามันก็มันก็สงบอยู่นะครับอันนี้ถือว่าสติเรามันกําลังไม่มากพอไม่มากพอใช่ไหยครับมันไม่สมันแต่มันก็ระหว่างเวทนาที่มันตึงจมูกเนะครับเราก็ไม่ได้สนใจมันนะครับ ผมว่านังไปสี่ชั่โมก็ดีนั่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมต้องต้องใช้ผ้ารัดเอวนะครับเหมือนกับว่าที่โรงพยาบาลแจกม า, อากออกันกระดูกเป็นปินครับก็ยังมีทางสู้ยังมีทางสู้ใช่ไหมครับใช่ก็ทําถูกแล้วอย่าไปสนใจเวลาคันเจ็บมันตจงอะไรก็เราก็พูดโทรศัพดูลมของเราไปต่อครับ ครับก็ก็มีคําถามเดียวครับเพราะว่า เ, เรื่องเรื่องเรื่องพิจารณาสุภาษผมก็ถ้ามันสงบมากาๆผมก็มี อ, อ, อสุภาษบ้างอาการสาสิบสองนี่ก็มีพิจารณาซ้ำซ้ำไปครับทำฉลักไปคทำสมาธิเสร็จแล้วก็มาทางปัญญาบ้างนะครับออันนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่มันสงบผมก็จะทำนะครับ อ, อสุภาษกรรมฐานอาการสาสิบสองเนี่ยนะครับก็จะจะเปิดตําราทำตามตำราเลยอเค ครับผมขอบขอบพคุณมากครับผมสาธุจาไปท่านต่อไปอย่างรวดเร็วว่าคุณพระราบวสุขอับเดียอยู่สเปนอยู่เกาอบิซาอบิซากับมาการครับหนึ่งจับมาสการ์เจ้าข้าหลวงพ่อเจ้าขาเป็นยังไง วันนี้มีคำทายเมตตาหรือเปล่าแผ่เมตตาไปยนี่ทักทายทคนมากว่าบ่าวไม่น่าเบึ่เต็งนะทักทายค่ะทักทายหมาแมวนกเจ้าค่ะคนสำคัญกว่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่จ้ค่ะ ค่ะเขาชินเขาเริ่มชินแล้วใช่ไหลวงพ่อจ้าค่ะพอเขาฟังเมื่อกี้หลวงพ่อพูดอยู่พอเขาเข้าพอเขาเดินเข้านอนเราก็เดินออกเดเดไปแปลงฟันเจ้านอนแล้วก็ตื่นแก็ตื่นนอนเจ้ากเจ้า็ยงอะพอเขาเดินเข้ามาลูกก็จะเดี๋ยวไปแปลงฟันพอไปแปลงฟันแล้วก็จะไว้ห้องผ่าแล้วมันก็ พอเขานั่งแล้วมันจะยาวไปเลยโดยอัตโนมัติไม่อยากออกนะใ่ะ <c oughs> มันมีความสุขมันมันจะยาวไปถึงบางทีเช้ามาก่อนเขาจะนั่งอีกเดี๋ยวนี้เขาชินแล้วจะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วค่ะมาก่อนนั่งอีกทำไมไม่เข้านอนเดี๋ยวนี้รู้ละว <c oughs> ่าอยู่ห้องพระใช่ะ <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อเจ้าค่ะลูกมีสองคำถามวันนี้ก็คือหนึ่งคำถามอย่างเมื่อสามวันที่แล้วอย่างเฟซเฟซบุ๊กของลู ก, กนะจ๊ะค่ะขึ้นมาก็คือขึ้นมาเตือนจักความจําว่าสามปีที่แล้วแล้วในนั้นลูกก็เห็นลูกของตัวเองก็คือตัวเองใส่ชุดไทยแล้วกํลากลังกําลังกีบผมสมัมเองแล้วก็มองพิจารณาไปอืมใส่ชุดไทยสวยดีแล้วนาทีหนึ่งนาทีนั้นทันทันทีปุ๊บ ก, ก็พิจารณา เข้าไปข้างในที่เราเห็นว่าเอ้ยสวยใส่ชุดท้ายสวยดีนะแล้วลูกก็เห็นตัวเองอสุภะทันทีพิจารณาข้างในเห็นกระดูกเข้าไปข้างในสุดไทยของลูกทันทีเลยเจ้าค่ะมันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อถูต้องไหมเจ้าคปัญญาเราเริ่มขึ้นไว้แล้วแต่ควรจะดีกว่าถ้าไปใช้ในตอนที่มันเกิดการมาลงอ๋อเจ้าค่ะ อันนั้นมันไม่มันไม่งมันมันไม่มีมันไม่มีมันมันหายไปหลายปีจะมันหายไปมันมันหายไปหลายปีแล้วแต่ว่าอย่างเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เออมันหายแล้วเออมันยังมีมีมันยังมีกลับกลับมาแต่เราก็รู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยไหนกิเลสว่ามันหายไปมันมันมันไม่จริงนะ มันก็จะบอกตัวเองว่าไี่นี่มันไม่จริงนะมันมันนี่อันนี้มันพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าเอ้ น, นี่ฉันหายไปสามปีทำไมวันนี้ฉันมีความรู้สึกนี้กลับมาแล้วทำให้ลูกก็คือบอกตัวเองตากนั้นว่าไอ้ น, นี่มันยังไม่ตายนะเจ้าค่ะเสซ่นเ้ยเสือซ่อนเล้ย ช, ย ช, ย ช, ยชยค่ะแล้วมันตอนนี้มันก็หายไปหายไปก็หายไงเจ้า <c oughs> ค่ะหายไปไม่มัน มันไม่รู้สึกอะไรอะไรทางงานนะะเห็นอย่างก็ถ้ามันไม่มาสร้างปัญหากับเราก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องเตรียมพร้อมเวลาเกิดมันมาต้องมีเครื่องมือชูเข้ามันเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็เรามีอีกหนึ่งอันนี้นะคะเจ้าค่ะหลวงพ่อเพราะว่าลูกจะลูกจะมันเหมือนมันหนึ่งมันมันมันนิ่งมันดิ่งมัน มันมีความสุขตลอดอะทุกอย่างสวยงามหมดคือมันเหมือนมันอยู่ข้างในเราเป็นสมาธิเหมือนมันเป็นสมาธิตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะแล้วก็น่าจะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะเพราะว่าช่วงเช้าตอนหลวงพ่อเทนเนี่ยลูกก็ก็คือถ้าถ้าเดวิดเขาเขาไม่ได้ติดงานของเขาเขาจะเป็นคนไปส่งน้องริวแต่บางวันถ้าเขางานเขาเขายุง่งเขาก็จะลูกก็จะไปส่ง ก็เป็นจะเป็นเวลาที่หลวงพ่อเทศแล้วลูกก็เปิดก็เลยเปิดก็จะเปิดฟังไปตลอดถ้าไม่ได้นั่งเพราะว่ามันอันนั้นคือเวลางานของเขาอันนี้คืองานของลูก <c oughs> นะจ๊ะค่ะที่หลวงพ่อถึงเวลาหลวงพ่อเทศนี่นก็คืองานของลูกแล้วก็แล้วอยู่ดีๆเจ้ า, าคา่ะลูกก็ขับรถส่งเขาทิ้งไปแล้วก็ขับไปกลับมาแล้วก็ สมาธิอะอยู่ดีมันเข้าไปข้างในอ่ะเจ้าค่ะเพราะว่าลูกมันสะดึ้งตัวเพราะว่ามันมีมอเตอร์ไซค์ที่ปาดหน้าลูกไปแล้วลูกก็แบบสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตัวว่าเอ้สมาธิเรามันมันเข้าไปนะไอ้เราไอ้อย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้ลูกขาดสติหรือเปล่าเจ้าคะ่ะไหนลองพูดรายอียดอ่าก็คือ อ่าลูกก็ขับรถอยู่ใช่ไหมเจ้าค ะ, ะแล้วก็มอเตอร์ไซค่ะปาดปาดลูกมาข้างหน้าแล้วมันทําให้ลูกตกใจปึ๊กคือปึ๊กออกมาแล้วทําให้รู้ว่าว่าเมื่อกี้มันเข้าสมาธิไปข้างในอะค่ะมันมันทุกทําให้เราออกมาให้เรารู้แล้วว่าเอ้ยเมื่อกี้เราเข้าไปข้างในนะแล้ววเจ้าค่ะระหว่างที่ลูกขับรถอยู่เจ้าค่ะเข้าไปไม่ได้หรอกเพราะเวลาขับเราก็ต้องอยู่กับต้องอยู่กับการขับรถเนี่ แล้วมันคืออาการอะไรเจ้าค่ะก็เป็นอาการเวลามีเหตุการณ์อะไรกระตันหันมันก็มาทําให้กระตุ้นให้เกิดอาการตกใจขึ้นมาได้ธรรมดาเจ้าค่ะเจ้าค่ะมันอยู่ที่ว่าหลังจากตกใจแล้วเป็นตกใจแล้วต่อไปนานหรือเปล่าถ้าตกใจปุ๊บแล้วมีสติปั๊บมันหายไปกนใช้ได้เจ้าค่ะเพราะก็เดี๋ยวนั้นปุ๊บพอเมื่อสายปาด์ตไปแล้วก็แล้วก็ก็กลับมาเหมือนเดิมไม่รู้สึกต่างมันมีอาการตื่นเต้นตกใจก็โอเคไม่ไม่ไม่ค่ะ เจ้าค่ะไม่กลับมาปกติทันทีค่ะ<ม>ก็คือนาทีนั้นปุ๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเหมือนเดิ ม, ม ค, ค่ะเจ<ม>้าค่ะก็คือก็คือไม่ไม่ไม่ไม่ผิดลงคิดเอ๊ะ ห, หรือลูกผิดพลาดอะไรลูกก็เลยต้องสกัดไม่เราเป็นเวลามีอะไรเหตุการณ์อะไรกระฐานนั้นขึ้นมามันก็จะทำให้หยิดตกใจได้แต่อยู่ที่ว่าตกใจแล้วกลับมาเป็นปกติได้เร็วหรือช้าทะ่านี้ ถ้ายังอกสั่นควันอยู่เหตุการเกิดขึ้นไปตั้งครึ่งชั่วมองแล้ว่ยแสดงว่าไม่มีสติอ๋อไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่สิค่ะเอาไปตกใจปุ๊บแล้วมันก็กลับมาเป็นปกติทันทีก็โอเคเป็นเรื่องธรรมดาค่ะหลวงพ่อที่คะค่ะวันนี้ได้รับได้รับเงินที่โอนเข้ามาบัญชีทั้งสองมันแล้วนะท่านรองนี่จ้าเจ้าค่าหลวงพ่อ ตาทุษตาทุลีหลงตาบอกกันทุกโมงกันนะคะอ่าพร้อมเป็นคนโอนให้ใช่ไหมพรอมก็เป็นคนโอนให้ใช่ไหมอ๋อไมนไม่ใช่จะค่ะลูกจะลูกจะให้น้องสาวที่เมืองไทยจ้าหลวงพ่อก็คือลูกจะใช่เจ้าค่ะสวีวันพันนิ้วลูกจะจะใช้เขาชื่อเขาเปิดบัญชีแต่ว่าบัญชีนี้จะเป็นบัญชีของลูกค่ะโอเคเราจะให้เขาเป็นคนจัดการโอนให้ให้พี่พอให้ไปทําบุญนน้ทํานี้นะคะ กับคจณชวีวันอันยูเขาแจ้งมาคุณทศสารเขาแจ้งมาเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็จะขอพรมันเกิดหลวงพ่อค่ะขอพรไม่เกิดเจ้าค่ะวันศุกรนี้มันเกิดลูกก็ขอให้ดุดทุนจากการเวียนไหวตายเกิดเวียนดงตายทำในภพในชาตินี้เลยนะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อลูกขอรับพรนี้เจ้าค่ะสาธุ น้องร็ววันนี้น้องริวจะมีคุยกับหลวงตาด้วยใช่ไหเชิญน้องริรับพรนี้ด้วยค่หลวงตาหเล่นเก่งๆให้เนเก่งๆเข้าาหลวงตาไปหลวงตาลังดูเมื่อกี้เมื่อกี้ที่คุณแม่ถามว่าเข้าสมาธิระหว่างขับรถนี้อย่างนี้มันอันอย่างนี้เขาเรียกว่าเหมือนละเมอหรือเปล่าครับเพราะว่า เราเวลาเราขับรถเราก็หลับในเลยก็เรียกว่าหลับในล้ขับรถเรไม่ไม่รู้เรื่องอะไรนี่ก็แสดงว่าหลับในเพราะหลับในเข้าสมาธิไม่ได้สมาธินั่งเฉยๆมนเข้ายากแสนยากแล้วเวลาจะไปขับรถมันจะเข้าสมาธิได้ยังไงครับหน้าขับนั้นคือมันหลับในมากกว่าสับประบอกนี้ครับเพราะว่าอย่างนี้ก็เหมือนสติหลุดมากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่มีสติไมสติแล้วมันก็เหมือนกับหลับในไป เราควรจะมีสมาธิกับการขับรถมากกว่าแล้วก็ควรจะมีสติกับการขับรถคำว่าสมาธินี่มันมันหมายถึงเวลาจิตนิ่งสงบ ม, มันต้องอยู่นั่งนั่งอยู่เฉยๆมันถึงจะเข้าสมาธิได้ครับแล้วอย่างถ้าเกิดสมมุติอย่างที่คุณแม่หลายครั้งก็บอกคุณแม่ทําอาหารอยู่อะไรงนี้ก็เหมือนแบบมีสมาดัแบแบล้วก็มีสติแลว้วเขาทํำสมาธิอยู่แล้วบางทีเราไปทักเขาแล้วกเหมือนทําทให้เขาตกใจกอย่างนี้ถือว่าเขา อย่างนี้ถิอว่าเขาหลุดก็เขาเาก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาอยู่เงียบๆเวลาใครมาทักกระทันหันขึ้นมามันก็จิตไม่ได้เตรียมตัวมันก็มันก็สะดุ้งขึ้นมาเป็นธรรมชาติของจิตนะครับอคณากครับมีทังนี้แหละครับท่นนี้ก่อนนะสอง้าบอส่ว่าอะไรตอนี้เจะเปิดปริษัท กำการทำบริษัทเรียนแล้วก็ทำบริษัทเยอะครับเขาอยากขอเขาอยากขอพอหลวงตาเจ้าค่ะขอเร็จขาลังจะเปิดบริษัทแล้วค่ะความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขายดีขายดีตาทูุปเจ้าค่ะขอขอพระคุณวงพ่อเจ้าค่ะขอัพท์งพ่อดูแลสุขภาพด้วยนะเจ้าค่ะเห็น เห็นน้องสาวบอกโควิดมาเริ่มใหม่ก็ตามบุญตามกรรมแล้ววะโอเคนะจาสามเจสาท่านต่อไปคุณสุภัตจาจากด a l l a s t เ x a s ซักราบน้ำมการพระอาจารย์เจ้าค่าบอกบอกสามีไว้ว่าวันนี้จะมาไล่งานพระอาจารย์ ว่าว่าไปเราจะขาถึงถึงมิถุนาเราจะขาดสมูท ต, ต, ตี้ต่อย่อยอีกนะต่อย่อยจุกจ้าแต่แต่ว่ากฎของลูกคือถ้าลูกจะไม่รู้ว่าใครถูกใครผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลูกพูดโดยใช้อารมณ์นำหน้าก็<ม>ถือว่าเป็นโทษก็ก็ถือเน l เลสไว้เลยเจ้าเขา วเจกัเจ้าค่แแะต <laughs> ตแต่ครั้งนี้ก็สังเกตได้สามข้อคือตามที่พระอาจารย์สอนนะเจ้าค่ะพิจารณาได้ว่าคือความอยากของเราถ้าเรามีความคาดหวังเยอะมันก็อยากเยอะ <laughs> <laughs> <laughs> แล้วก็แล้วก็ทําเมื่อไหร่ได้เริ่มพูดสักนิดนึงมันก็เหมือนเชื้อที่ต่อต่อต่อต่ อ, ตอไปอีกเจ้าค่ะแล้วก็อันสุดท้ายคือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกจะให้ ให้เวลากับครอบครัวมากกว่าการปฏิบัติมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ากิเลสมันจะเข้ามามีช่องง่ายสำหรับมันหยุดในเจ้าค่ะคือเสาร์วอาทิตย์ใช่ก็เราไม่จะไม่มีไม่ไมันระวังใจเพราเราต้องคอยสนทนาคอยคุยคนอื่นแ้าค่ะ ลูกก็เลยแบบสังเกตแล้วว่างั้นถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนตื่นมาลูกต้องตั้งตั้งจังหวะดีๆแล้วว่าเอ้ยมันชอบมาเสาร์อาทิตย์นะเราจะต้องคอยจับมัน้อยู่นะตอนนี้ไม่ได้แล้วต<ด>้องค่ะกลางาปีแล้วต้องค่ะตอนนี้ ม, มันละอายรู้สึกอายมากมากจัะไปถึงมิถุนาแล้วเจ้ค่ะถ้าปีนี้ไม่ได้นี่ลูกคงแบบทาไมลงมันจึงออืตัดยากตัดเย็นเลยก็านะนีน่นนทําไปเถอะทาไปไม <c oughs> ่ต้องไปก <c oughs> ังวล ไดก็ยอมรับผิดลองโทษไปได้ค่ะแต่พอเห็นแล้วมันก็ทําให้เรารู้ว่าเออเรายังเรายังไม่ดีอ่ะแล้วพอเราไม่ดีเนี่ยเราจะไปดูคนอื่นมันยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยเพราะว่าขนาดเราพยายามขนาดนี้มันก็ยังมันก็ยังทำไม่ถึงเพื่อนจะเป็นเพราะโทษมันไม่หนักพอเราหาโทนที่มันหนักกว่านี้อยู่ ม, มีมีมีอันนึงเจ้าค่ะแต่ลูกก็ไม่ไม่อยากเพราะว่าลูกเคยทําโทษตัวนี้แล้วมีความรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากเอามาจับเพราะว่ามันมันเข็ดมากๆเลยค่ะคื อ, <c oughs> ค, อคือลูกจะลูกจะถือประมาณถือสินเจ็ดน่ยคือจันถึงสุกแล้วก็ปฏิบัติเข่งจันถึงสุกแต่สาวอาทิตย์เนี่ยจะจะสินห้าแล้วลูกเคยทําโทษตัวเองครั้งหนึ่งคืองั้นก็ไม่กินข้าวหลังเที่ยงวันเสาร์ถ้าถ้าทําผิด ก็คือคือจะเป็นสินเจ็ดอกีกอ้าวเพิ่มมาอีกหนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่แต่ครั้งนั้นเอาอยู่จริงๆคือคือไม่กล้าทำอีกเลยแต่ลูกย<ลง>ังไม่กล้ายังไม่กล้าเอาตรงนี้ยังไม่กล้าตรงนี้มาอีกเจ้าขอพรู้ว่าทํามาอีกนี่หูแบบมันมันเป็นดาบสุดท้ายแล้วเจ้าค่ะบอกไว้ป่าตัวตัวเองสุดท้ายลูกกงเลยจะขอดูว่า งั้นลองถึงสิ้นเดือนไอ้สิ้นปีสิถ้าไอ้ตรงนี้ไม่อยู่ปีหน้าเนี่ยเอาแน่แล้วคงคงต้องดัดเจาถึงถึงเจ็ดวันเลยแล้วค่ะโอเคลองดูเจ้าค่ะจะลองดัดไปเรื่อยๆเจ้าค่ะสามีเขาแซวเขาบอกว่าก็มีสามีแบบเขาก็ท้าทายหน่อยนะสู้ๆแต่ตอนนี้เขาก็เขาบอกว่าเขาก็อยากจะทําโทษตัวเองเหมือนกันแล้วเจ้าค่ะเขาบอกเราทําโทษด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าเนอะเราบอก็เราผิดด้วยกันทั้งคู่ เล้วค่ะก็มารายงานแค่เนี้ยแล้วเจ้าค่ะลูกจะพยายามฝึกต่อเจ้าค่ะอัดตาเยอะไปหน่อยอันนี้ได้ฉีดแลคืออันนี้ยังอ๋อเราเราคุยกันไว้นะคะว่าเราจะไม่ยังไม่ฉีดแล้วเจ้าค่ะรอรอรอไปก่อนรอปีน่ะรอไปก่อนให้คนเด้าพิสูจน์ไปก่อนเราอยู่บ้านเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่มีอะไรกับใครโอเคแล้วค่ะกลับกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะกลับด้วยเจ้าค่ะ คุณนายแผดต่อใช่ไหมนายแผดคุณนายแผดเชิญเด็ดไหมฮะนาแผดไม่ได้ยินบ้างของเย็นของเย็นนิ่งไปได้ยินครัเด็ดนะฮะครับ <Okay. S 2> พูดได้เชิญอยู่ที่ไหนพูดได้เลยคุณนายผนอผดครับสวัสดีครับหลวงพอ่อผม อยู่กรุงเทพครับมีอับิ่งเข้ามาครั้งแรกเออขอเข้ามากลาวหลวงพ่อครับยังไม่มีคำถามอะไรครับหลวงพ่อครับคไปที่คุณจอยต่อเลยจอยยังไงเด็กๆนอนกันหมนแล้วมั้งลกสารดูกระตุนอยู่ดูกระตุนเด็กขนาดนี้ยังพัฒาาเร็ว ยังไม่นอนเองนะพรุ่งนี้ต้องไม่ต้องไปโรงเรียนนะเดี๋ยวค่อยสิ่อิงวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าเก่งมากเก่งมากอ่าไปพุทโธธัมโมสามโโวที่ใส่บาทวันที่ใส่บาทรนะอ่อนพะคระอ่นพระอโอเคเขาจะเลือใส่วันไหนใส่วันเสาร์ สาวแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์เด็กเด็กไปโรงเรียนก็เลยพาเขาไปใส่บาตรอะค่ะเพราะสอบแต่วันที่สิบห้าหนูจะไปหนูจะไปถือศีลที่วัดญาณนะคะอ่าจองที่บ้านก็เลยจองนะค่ะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดไปสามวันสิบแปดกับแล้วใครดูวแลลูกกันแล้วปะเอามาด้วยที่บนก็ไม่ให้เอาไปอ่าได้ถามเขแล้วว่าเด็กได้ไหมเขาบอกว่า ถ้าอายุถ้าอายสิบห้าไปได้แต่ว่าถ้าเด็กๆไม่ได้อ่แล้วฝากใครไว้ล่ะก็อยู่กับแม่อยู่กับพี่เขาเนี่ยแหละค่ะอ่าโอเคฝังอยู่กับยายแล้วก็อยู่กับแม่เขาโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปฟังทำอ่าได้จ้าเจอกันอ่าให้เราทาบไปได้ไหมได้ใจบาดอ่าใจบาดใจบาดเลยวันนี้ได้โค้แค่วันก่อนได้โค้งใช่ไหมได้โค้ค่ะแม่ให้ห่วงโค้งเลยค่ะโค้งเลย <Okay. S 2> ใครต่อคนมาลิตอ่นะมาลิตกราบนะพูดถึท่านหลวงพ่อครับรไงไงมีอะไรไหมพูดถึงเห็นมีหลายท่านที่ไปอยู่อเมริกาพูดถึงโควิดนึกไปนึกมาเมืองไทยติดเป็นหมื่นคนแล้วแต่คนตายไม่ถึงร้อยแต่พอสองการห้าวันทีตายสี่ร้อยอะไรแบบนี้โอ้โหคนเราลยมันความกลัวต่างกันมากเลยครับทำไมเลยอ่ะ แค่ห้าวันเป็นหลายร้อยแต่พอโควิดที่ไทยมันเป็นปีตายไม่ถึงร้อยอะครับหลวงพ่ก็มาตรการบองกันไม่ไม่เหมือนกันเนี่ยเขาค่อนข้างจะเสรีครับขาไม่ชอบใส่หน้ากากเขาชอบออกไปเที่ยวตามบาร์ตามผับกันไปเยี่ยมเยียนเพื่อนทูนกันสังคมผมก็อแล้วก็เลยหลังผมฟังธรรมะแล้วชอบแบบหลวงพ่อหรือพ่อเองก็ตามผมชอบแบบเอาน้ําตาไหลปล่อยแบบมันทัดซึงค์ี่ตอนเมื่อก่อนไม่เป็นถือว่าแบบทำให้เราหรือว่าผม ศรัทธ <Rama. S 2> ามากขึ <aya. S 2> eh. ้นแล้วไม่ผิดเปล่าก็มันเข้าใจทำมากดีขึ้นแล้วมันก็เลยมีความซาบซึ้งมากขึ้นไปลูกที่หลวงตาหาบัวท่านบอกว่าเวลาทําทานให้ทําเต็มเหนียวไม่ต้องห่วงอย่างนี้ใหมายถึงยังไงครับก็น่าจะมีเท่าไหร่ก็ทำไว้ให้หมดเลยเก็บไว้ทําไมไม่ต้องกักไม่ต้องแทงกักเดี๋ยวนี้จะตายเมื่อไหร่จะแบ่งไว้ทํำพวงนี้เดี๋ยวกับพวงนี้ตายก่อนไม่ได้ทําก็จะขาดทุน ถ้าถ้าอันไหนทาได้ก็ทําไปเลยวันนี้ทําให้มันหมดไปเลยแล้วพรุ่งนี้ไม่มีทําก็ไม่เป็นไ ร, นรแล้วเรา<แ>ไม่มีทำนะก็ไม่ไม่ก็หมดปัญหาไปถ้ายังมีถ้าทําได้ก็ทําให้มันหมดไปเลยครับเ <c oughs> มื่อกี้ผมโอนให้คุณหลาแล้วนะครับไม่เมื่อกี้เลยต อ, อนตึ้งโมงที่แล้วครับเดี๋ยวเท่ทารลกธรรมบุตรหลวงพ่อนะครับอ่าเช้าเช้าเชที่หลวงอ่านที่ธรรมบัตของหลวงพ่อบอกว่า ความกระตันยูคือลากความกระตันยูนี่เป็นลากเง่าของคนดีจะดูคนดีก็ดูว่าท้องกรตันยูหรือไม่ปจาัก็ถือว่าเป็นลาภเง้าเหมือนกันเลยครับหลวงพอ่อเป็นพื้นฐานของคนดีปัจจัยและคนไม่ดีมักจะไ ม, ไม่ไม่มีความกระตันยูพวกเนรคุณทั้งหลายแล้วก็เรื่องหนึ่งที่หลวงพ่อวัดป่าท่านนจะทําวัด เองได้แล้วเริ่อปฏิโมกขนี่ถ้าเป็นวัดป่าก็ต้องปรวกกันอยดีด้วยรวมกันเฉพาะปฏิโมกก็รวมกันข้างหนึ่งนอกจากนั้นก็จะทํากันเองไม่ไม่มันลงมาทําวัดชาวันเย็นร่วมกันว่าวัดป่าเน้นการปีกวิเวกไม่คุกคีกันแล้วก็ช่วงตอนนี้ผมดูไอ้พุ่วงนี้ผมครบวันอาทิตขามาครบครึ่งปีบอดี ก็เออตัวเองไม่มีวันไหนที่ไม่ศึกษาธรรมะกรู้สึกเออเราบวชไม่เสียบป่าแล้วเออเราก็ปฏิบัติทำพยายามทุกวันวันไหนได้มากได้น้อยแต่ถึงน้อยเออก็รู้สึกไม้บวชตวองไม่ใสเอเ้อใเสียงเบาไว้น่อไม่ได้ครับหงพ่อนนี้ครับผมดูว่าตอนนั้นที่ผมไปบวชตอนเข้าครรษาครบรอบ พเพราะเดือนพอดีที่ลาสิกขามาแล้วไม่มีวันไหนที่ผมไม่ได้อ่านธรรมะหรือว่าปฏิบัติทํามเลยผมรู้สึกว่าไม่เราหดต่อไปเราก็ไม่ทิ้งไปเลยแล้วเราแม้จะได้มากได้น้อยแต่เราก็ตั้งใจทําถึกว่าดีทําไปเรื่อยๆสะสมแต้มไปเรื่อยๆรู้สึกว่าธรรมะนี่มันเป็นมันไม่ไมีไฟเอฟเฟกต์จริงครับถ้าเป็นยาปเอยูธรรมะไม่มีไม่มีการแพทย์ธรรมะไม่มีการพทย์ายาว่า <c oughs> มามสุ มันมีเรื่องนี้แปลกครับหลวงพ่อเช่นเจอผู้คนในเวลาทํางานบางทีแบบเจอมองตาเขาดิดนหนึ่งแล้วบางทีมันรู้ว่าเขามาดีหรือมาไม่ดีเหมือนนักสงสารเปอย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันจะเกี่ยวกันไหมแต่มันแบบมันไม่ใช่บางคนใช่มันเป็นเป็นจิตใต้สํำนึกเราอะว่าเราเคยเจอคนแบบนี้มาก่อนแน่เด็กพอเจออีกมันจะจําได้บางคนเราเจอแล้วจะรักจะชอบเขาบางคนเจอแล้วจะเกลียดเขาทั้งที่ไม่รู้จักเขามาก่อน ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครแต่บางทีรู้ว่าอาอานั่นแหละมันจิตใต้สำนึกเราจริตเราจะสแกนเลย ท, ทันทีว่าคนนี้เป็นบินหรือเป็นศัตรูกันมาก่อนการฝึกสมาธิทำให้มันยิ่งผมมากขึ้นฉลาดมากขึ้นขึ้นเลครับผมทำให้ใจยเย็ยนขึ้นทำให้ใจมั่นคงขึ้นไม่วูว่าไม่ไมันเจ้าอารมณอารน้อยลง Okay, โอเคขันนี้ก่อนนะว่าเด็กใกล้จะสามชั่วโมงแนละ้วเหลสองท่านสามท่านด้วยกันคุณไอยฟวนจากาคำปนนะคุณคำปนอ่ามัสักการก์อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพค่ะกรุงเทพนะมีอะไรไหมมจีจะเล่าเรื่องประสบการณ์แต่ว่า มันเยอะนะคะอย่าเอาไว้วันหนังดีกว่านะก็นี่แบบ3ชั่วโมงนะอย่าวันหนังเข้าเข้าไมคค่ะเอาเอาเอาแต่คําถามดีกว่านะเรื่องเรื่องเล่านี้ไปเอาค่อาจารย์คือคำถามสมมุติว่าถ้าเผื่อได้สภาวธรรมแบบเห็นเห็นพระพุทธเจ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าที่ว่าสุดสิ้นสุดแล้วไม่ต้องทําต่อนะมีมีมีไหม ก็ต้องเป็นบ้าอาหารเนี่ยก็จะเสร็จเก็ดไม่มีอะไรต้องทำอยม่ไม้วที่จังวัดัจะเรียมค่ะค่ะเดี๋ยวเอาเอาไว้วันหลังจะจะเล่าเล่าประสบการณ์ค่ะเออจะเล่านานครับเพราะว่าถ้าจะเล่าต้องรีบเข้ามาก่อนนะ่อเค่ะใช่คุสาธุจิตค่อครอบครัวสามภูผาเนี่ยบางไหนพร้อมหรือยังพร้อมนะคะอ้าวมามามีอะไร่อไ ากาบพระวันนี้เอาเครื่องของนิกกี้เหรอใช่เครื่องแม่ฟังเครื่องแม่นะเป็นยังไงพ่อไม่มาเลยวันนี้พ่อไปออกกำลองกกายมาถุนเนี่ยออกกำลังกายนะเขาไปตีเป็นกวนแบบขาดก็จะประมาณเนี่ยก็จะกลับละค่ะมาไปค กลับมาประมาณเราๆห้าทุ่มเนี่ยค่ะการจัดพุทธศุกร์ค่ะแต่ว่าบางพุทธช่วงช่วงวันพุทธถ้ามีกํางวันเขาก็จะไปกลางวันกลางคืนก็จะได้มาซู้มอย่างเงี้ยค่ะดูกคนอมสบายดีนะดีค่ะเด็กๆปิดเทอมแล้วค่ะวันนี้ปิดเทอมปิดกันหันเลยค่ะโรงเรียนประกาศออกมาตุ้มเลยค่ะว่าปิดปิดทันทีเลยไม่ให้ปิดอยุดอยู่ก็ปิดเลยค่ะเพราะว่าไม่ ลงระบาดแล้วมันเริ่มระบาดนะกร่งเทพมันระบาดเยอะด้วยค่ะพอปิดปุ๊กก็เด็กๆ ก, ก็ปิดเทอมก็แบบงงๆ อ, อ, อ, อยู่บ้านปลอดภัยนะอย่าออกไปข้างนอกถ้าไม่จำเป็นค่ะก็ตอนนี้ก็เลยที่คิดว่าจะไป อ่าชัยภูมิที่ว่าจะไปถือศีลกันทั้งบ้านช่วงปีใหม่จะไปวันที่สนะิบเ็ดนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะได้ไปไหมเพราะว่าโยอมเห็นที่ประ เ, เทศโยมเห็นที่จังหวัดบุรีรัมย์ประกาศว่าไม่ให้คนกรุงเทพครับเ ข, ข้าแล้วแต่ถ้าอยู่อยู่อยู่กรุงเทพนะะอยู่ที่บ้านอ่ะปฏิบัติที่บ้านไปแต่ค่ะนะ ต, นนนต้อ ง, ต, องต้องระมัดระวังเรื่องโรคภัยโรคระบาดนี่เดี๋ยวว่าจะไม่ให้มานมถล่มนะก็ได้น้องหรือว่าี่ยู่ในกงเทพก็พอๆกันเนาะ คนจนก็ติด20กว่าคนเมืวันนี้วันนี้นะคะเอ20กว่าคนค่ะพี่เขยโยมก็ร้อนๆหนาวๆ50 50แล้วค่ะเขากักตัวแล้วเพราะว่าเขาไปทานข้าวกับอ่ากลุ่มเพื่อนเขาแล้วเพื่อนในกลุ่มนั้นน่ะมีติดสองคนค่ะโอเคแต่ว่าโยมไม่กันนะคะโยมปลอดภัยก็ดีอ่ะมีมันเนียวท่านี้ก่อนนะใช่โยมมากับได้นะสาธุมีความสุกันนะ ฝากแก้วกาปลอดภัยจากโรคภัยนะค่ะขอให้พระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์หลวงตาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นมิ่งขวัญเป็นร่มเงาร่มไทรให้กับโยมและลูกศิษย์นานาเลยนะคะขอให้ระอาารมีอายุที่ยาวยาวนะคะจ้าสาธุสาธุจ้าคุณอริตาเชิญคุณอริตาข้าชมาข้าชมา สวัสดีค่ะนักศึกษาขาอาจารย์หนึกมา <Hello. S 2> จากที่ไหนนึมาจากที่ไหนกรุงเทพขาอาจารยม์มีอะไรไหมมีค่ะพระจีนเริ่มนั่งสมาธิวิปัสสนาหาโดยดูลงหายใจค่ะแล้วคราวนี้ก็ตอนนี้นั่งได้ประมาณหนึ่องชั่วโมงค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเบาเหมือนกายเบาแล้วเมื่อคืนนี้ยค่ะอยู่ทีก็มีนิมิตเข้ามาเป็นพาพิสูจน์สองค่ะ เราดีๆเราก็พูดขึ้นมาว่าหลวงปู่ดู่หรือเต่าพักซึ่งปกติอ่วคือตัวเองก็ไม่ไม่ไม่ได้เคารพคือไม่ได้เอาหลวงปู่ดู่มามามาบูชาค่ะสากทักนึงก็ภาพสลับไปมาถ้าสุดท้ายเป็นหลวงปู่ทวดค่ะแล้วก็กายเปครงกระดูกก็ก็หายไปเราเองก็ตกไปกเลยถอดออกแบบสมาธิอย่างนะะี้ค่ะก็ให้้รูจเลย ไ, ไม่มีไม่มีสาระอะไรสําคัญอะไร ดูว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปเป็นนิมิตเป็นนิมิตเฉย ๆ, นนฉยๆแล้วคือตอนตอบแบบนี้ก็คือเราจะใช้วิธีการนั่งโฆษณาแบบว่าทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเออได้เหมือนเดิมใช่ถ้าเกิดเกิดเหตุภาพอะไรขึ้นมาก็ดูแค่ดูเฉยๆจะกลับมาดูลม แล้วเราใช้ลมต้อกลับมาดูลมไม่ต้องไปตามภาพค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือทุกวันเนี้ยพอเวลาเหมือนในชีวิตประจําวั น, น่ะคะ่ะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราแบบเหมือนเราเราเร า, เรารู้ลมหายใจซึ่งปกติโดยทั่วไปเราจะไม่ได้มานั่งนะับว่าหายใจเข้าหายใจออกะคะ่ะอยู่ๆก็คือเหมือนทําอะไรอยู่ก็รู้สึกลมหายใจเย็นๆแล้วก็รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะคะ มันมันติดนะคะอาจารย์ก็มันมีสติมากขึ้นเนีไยมันก็เลยมันก็เลยมันสติไม่เผลอมันก็กลับมาดูที่ลมได้ทันทีเวละเผลอมันก็หายไปดีดีแต่ถ้าเราไม่สะดวกจะดูลมตอนนั้นดูดูร่างกายก็ได้ถ้าเราทําอะไรเคลื่อนไหวอยู่ก็ดูดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนก็ได้คือมันสติมันจะคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมา อ, อ๋อถ้าเกิดสมุติเรารู้ลมหายใจอยู่ดีแล้วก็รู้ลมหายใจมาเองก็คือเรามีสติตมากขึ้น <ST. S 2> ใช่ถ้าถ้าเรายิ่งมีเท่าไหร่ก็แสดงว่าเราสติอยู่กับตัวมากขึ้นเรื่อยๆอใช่ไหมคะใช่และเวลานั่นสมาธิก็จะสงบง่ายสงบได้มากแต่ใช่ค่ะนั่งสมาธิคือแ ป, ป๊บเดียวเข้าได้เลยค่ะเมื่อก็เหมือนต้องภาวนาอย่างนี้คือไม่ต้องภาวนาแล้วก็แสดงว่าเรามีสติแนละ้วขอบคุณคุณน้าอาจารย์โอเคอาชัยนี่ก่อนนะเด็กละ เดี๋ยวบาที่คุณลาเลยนะ้องเฟนบุ๊กมีคำถามให้คุณลาเอาเชิญถามได้มีทั้งหมดหกคาถามเจ้าค่ะเชิญถามได้เลยถามแรกจากคุณอาทิตย์กราบนมัสการพระอาจารย์ครับมีคําถามในการปฏิบัติว่าสามารถใช้กิจกรรมที่ทําอย่างมีกายคตาสติแล้วคอยรู้ลมและอิเลียบทเช่นการซ้อมดนตรีทํางานไม้เขียนรูปหรือออกกําลัง แทนการเดินจงกรมได้หรือไม่ทําไมพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ถึงสอนให้แค่เดินจงกรมในรูปแบบกับนั่งตามตําราระบุว่าพระอานนุ์ยังบรรุธรรมตอนกําลังเอนนอนถ้าเช่นนั้นสแสดงว่าการทําสมาธิวิปัสสนาสามารถทําได้เนืองๆจนถึงขั้นบรรลุโดยไม่จําเป็นต้องเดินกับนั่งเท่านั้นหรือไม่ครับ อ๋อคือการทําวิปัสสนาและสมาธิรู้สติเนี่ยมันต้องทํางานแบบให้ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วไม่ต้องเกี่ยวข้องกับของต่างๆถ้ายังทํางานอยู่เล่นดนตรีหรืออะไรมันต้องไปเกี่ยวข้องกับของขับข้าวอะไรมันกจะทําให้จิตมันไม่นิ่งมันไม่มันยังไปติดพันอยู่กับของต่างๆอยู่ต้องการให้ทําแบบไม่มีเกี่ยวพันกับอะไรเลยตัวเปล่า เดินยืนนั่งทีเรียบทหรือถ้ามีก็จะเฉพาะกิจที่จำเป็นเช่นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารเท่านั้นเพราะมันกิจที่เราจะรเราไม่ต้องใช้ความคิดมาก น, นั่นแหละจากคุณวางใจจึงเบากลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าคะ่ะญาติธรรมฝากถามเรื่องฝึกกะสินจนเห็นแสงสีบางทีขับรถหรือจิตรวม จะเห็นทั้งขนาดลืมตาและหลับตาขณะนั้นจิตว่างไม่คิดอะไรติดสภาวะมานานแก้ไม่ได้ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้คําแนะนําชี้แนะด้วยเจ้าค่ะโยมหนิงสุโขทัยก็ไม่เห็นจะต้องแกอะไรเนี่ยถ้ามันจิตมันว่างก็ใช้ได้นะไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือว่าจิตมันไม่ว่างมันฟุ้งซ่านมันโลภมันโกรธมันหลงถ้ามันว่างแล้วมันนิ่งมันสบายก็ไม่มีปัญหาอะไร คำถามต่อไปจากคุณจิ๊บจี๊บชุนฮาดาขอถามเจ้าคะ่ะถ้าเราต้องคุยหรือสื่อสารกับคนหนึ่งไม่ว่าจะหัวข้อใดจะมีความรู้สึกลึกๆว่าเขาไม่ได้มาดีไม่ได้จริงใจเพราะวัดจากประสบการณ์ที่เคยใช้ชีวิตด้วยกันทุกครั้งที่ต้องพูดจะเหมือนเราเอาโล่มาป้องกันเราพร้อมจะมีอารมณ์ขึ้นมาตามไปกับสิ่งที่เขามาจุด เราจะแก้นิสัยแบบนี้ให้ลดลงไปถึงขั้นไม่มีอารมณ์กับคนนี้คนเดียวอย่างไรคะกราบสาธุเจ้าค่ะเราก็อยา่าไปคาดหวังอะไรจากเขาอย่าไปอยากได้อะไรจากเขาเราก็จะไม่มีอารมณ์เขาจะพูดเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาพูดเขาทําไปเราก็เพียงแต่คอยรักษาใจเราให้ดูเฉยๆอยา่าไมไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปหวังอะไรจากเขาไม่ต้องการอะไรจากเขาใจก็จะไม่มีอารมณ์ คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกลับเรียนถามท่านพระอาจารย์เวลาอดอาหารมากกว่าหนึ่งวันพบว่าช่วงวันแรกที่กลับมารับประทานอาหารจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะปฏิบัติหนูควรแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการใดบ้างเจ้าคะกลับขอบพระคุณเจ้าคะ่ะก็ต้องยอมรับว่าเวลารับประทานอาหารเป็นปกติมันก็จะง่วงนอนมันจะขี้เกียจแต่บางทีมันก็จําเป็น พรร่างกายไม่ต้องมีอาหารกินก็อยา่าอย่า ก, กินมากแิ่ ก, กินน้อยๆกินพอพอให้มันไม่หิวก็พอแล้วก็พอร่างกายที่ว่าได้อาหารพอสมควรก็หยุดก็กลับไปอดต่ออีกจะได้ขยันปฏิบัติเพิ่มอีกช่วงนี้ต้องเอาเวลาถ้ากินกลับมากินแล้วมันจะสบายแล้วมันจะากจะขี้เกียจมันอยากจะนอน คำถามต่อไปจากผู้ไม่ผสมออกนามถ้ามีผู้สูงอายุซึ่งเป็นชาวต่างชาติอาศัยอยู่คนเดียวได้รับพระพุทธรูปจากคนทางเมืองไทยผู้สูงอายุท่านนี้ได้นำพระพุทธรูปวางไว้บนโต๊ะสูงราๆโต๊ะอาหารไม่ได้ยกขึ้นหิ้งเขาไม่มีความเข้าใจและไม่มีกำลังยกของขึ้นสูงคำถามคือ ผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างชาติคนนี้จะบาปไหมคะที่วางพระพุทธรูปเสมอตัวไม่สูงกว่าศีรษะและคนให้พระพุทธรูปจะบาปด้วยหรือไม่เพราะให้แล้วก็ไม่ได้อธิบายความสําคัญของพระพุทธรูปให้เขาเข้าใจคะ่ะคือเข้าไป่คิดว่าเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งเขาเป็นเครื่องประดับว่าหลังบางคนก็เอาพระพุทธรูปไปตั้งไว้ในห้อง น, มมน้ำบนบนโถงช่วง ม, มันมีเป็นเครื่องประดับไป เขาก็ไม่ได้เขาก็จะไม่ได้กุศลจากการที่ได้เห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี้มีไว้เพื่อให้เราเลิกถึงรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคำถามสุดท้ายจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามถ้าจะหลีบสามารถทํางานด้านธรรมะถวายครูบาอาจารย์ได้นานๆทั้งวันทั้งคืนไม่รู้สึกอยากเลิกมีแต่อยากทําต่อๆไปให้เสร็จแต่ถ้านั่งสมาธิภาวนาจะไม่ได้นานก็เบือ่อ แต่ถ้าทำงานด้านธรรมะจะยอมจะยอมจะไม่ยอมเลิกเลยครูบาอาจารย์ท่านชีมิวบอกว่าจลิตมันเป็นแบบนี้ประเด็นคือถ้าเราจ้องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานนานๆเกลิงตาจะบอดเสียก่อนแต่ภาวนาแบบอื่นก็ไม่เพลินแบบนี้ควรปรับปรุงอย่างไรดีคะให้จิตเจริญก้าวหน้าด้วยงานก็ได้ด้วยและถ้าขันไม่พังไปเสียก่อนบรรลุเป้าหมายทางธรรมเจ้าค่ะ ก็ออต้องทำงานทั้งทำทำทำงานให้น้อยลงแล้วหันมาทางนั่งสมาธิให้มากขึ้นการทังานนี้เป็นการจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มมีสติพอเราเริ่มมีสติแล้วก็ต้องเอามาใช้กับการนั่งสมาธิให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ลดการทำงานให้น้อยลงไปน้อยลงไปเพราะการทำงานมันจะไม่พาเราไปสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องอาศัยการนั่งสมาธิมันถึงจะไปได้ เราต้องต้องลดการของเรให้น้อยลงเพิ่มการ น, นั่งสมาธิให้มากขึ้นไปจนในที้สุดก็เลิกทำงานเลยพราะงานนี้มันไม่สำคัญเท่ากับงานภาวนาะงานทำทำงานให้คนอื่นมันไม่สำคัญเท่ากับงานทำงานให้กับตัวเราเองหมดแล้วใช่ไหมคำถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคหมือนแล้วก็คิดว่าคงจะต้องยุติการประชุมไม่เกินเท่านี้นะเกั น, ะา น, านอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีคุณสุภัฒน์อีกคนหนะะึ่ง ยกยกมืออยู่ทางซ้ายนะครับเชิญคุณสุพัฒน์คุณสุพัฒน์ไปไหนละได้นะอ่ะคุณสุพัฒนอ น, นิวอ่าส่สอนิวโอเคพูดได้เลยจะจะขอบคุณ พ, พี่วิชนกับพี่มะเหมี่ยวครับพระอาจารย์ไม่มีอะไรครับพอดีในแชทผมตอบกลับไม่ได้ครับโอเคครับผมนะโอเคนะ ที่ว่าพอสมควรอย่าเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงแค่วค่าปลอดภัยอยากการติดเชื้อโรคโควิดในครั้งนี้และขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเชิญ